จเจริญพอทุกท่านที่เข้ามาร่วมสนทนาถามตอบคำถามถามซูงกันอันนี้ก็ไปที่คุณคุณพัฒนคุณพัฒเป็นคนแรกกำลังต่อเสียงอยู่เปิดเปิดไมคได้อันนี้ไมโครโฟนมีอะไรไหมผมผมใช่ไหมครับพระอาจารย์ใชคคค่ครับกราบกับการการมารมสการครับ ก็มาเหมือนเดิมครับมีทำอาทิตย์ที่แล้วได้20ชั่วโมง39นาทีครับก็ได้น้อยกว่าสัปดาห์ก่อนเพราะว่าก็พยายามทำเต็มที่ครับแต่มีเวลาว่างที่จะทำไม่ไมพอครับแล้วก็มีช่วงหนึ่งที่ทำแล้วลมหายใจเนี่ยหายไปแต่ว่ามีความรู้สึกอ่ะุบๆที่ตรงปลายจมูกครับ ผมก็ไม่เคยเป็นเพิ่งเคยเป็นครั้งแรกครับก็ให้รู้ไปเฉยๆไม่ต้องไปทำอะไรให้ให้สักต่ว่ารู้ไปครับแล้วก็มีมีวันหนึ่งได้ไปเดินตามบิณฑบาตพระครับที่วัดที่ลบบุรีนะครับแล้วก็รู้สึกเจ็บชาวมากเพราะว่ามันเป็นหินกวดครับเจ็บจนนไม่ไหวทีนี้เราก็ผมก็นั่งรถกลับมาเงี้ย น, นะครับ ก็ได้เป็นนั่งทําสมาธิที่หน้าองปูม่านที่สาราของปูม่านนะครับอากาศก็รู้สึกว่าร้อนแต่ว่าก็ทําได้สงบดีไม่รู้ว่าทั้งเหนื่อยทั้งเจ็บหรือเปล่าครับก็สงบดีแล้วเสร็จแล้วก็บางทีรู้สึกตัวก็หลับบ้างเนี้ยครับมันเหมือนว่าเผลอหลับไปเนี้ยครับก็แสดงว่าสติเร า, าไม่ต่อเนื่องช่วงที่มีสติก็สงบแล้ช่วงที่ไม่มีสติก็หลับ ถ้ารู้สึกตัวก็ลองลุกขึ้นมาเดินครับถ้านั่งต่อไปไมันก็จะหลับก็ลองลุกขึ้นมาเดินครับใ ห, ให้ได้สติกลับขึ้นมาแล้วค่อกลับมานั่งใหม่แล้วก็ช่วงนี้กลับมาจากทํางานก็รู้สึกว่ามันมันร้อนครับแบบนั่งนั่งเลยเนี่ยไม่ได้ต้องนอนพักก่อนครับอาจารย์เหมือนให้เครื่องมันเย็นก่อนครับถึงจะทําได้ครับ เฉพาะใจด้วยใจก็คงจะรอนกับเรื่องราวต่างๆกลับมาบใช้พุโทโธพุโทโธพุโทโธหรือสวนวนอะไรไปผ่างๆก่อนให้ลืมเรื่องราวต่างๆให้กลับมาในปัจจุบันบแล้วก็ถ้าพอไม่ ป, ปฏิบัติต่อถาบน้ำอาบท่าอะไรก่อนก็ได้ทไป มีโอกาสมีเวลาว่างเมื่อไรแทนที่จะเอาไปใช้กับกีเล็กทำมาใช้กับธรรมดีกว่าให้กับกีเล็ก็ใช้กับเรื่องรูปเสียงกิบรอดต่างๆเสพรูปเสียงกิบรอดต่างๆให้แก่ประโยชน์ปัญญาเสพติดทาให้ติดในการเวียนว่ายตายเกิดก า, า, ารมรณะพยายามถอนใจออกจากเรื่องของการทั้งหลายทางรูป ทั้งรูกเสียงกีดรอนแล้วมาภาวนาเดินจยมโมนั่งสมาธิสวดมนต์อะไรไปตอนตอนผมนั่งสมาธิครับแบบนั่งจนทนไม่ไหวแล้วผมตอนก่อนจะออกเนี่ยผมก็จะพิจารณาร่างกายนะครับก็รู้สึกว่ามันอซึมซาบดีครับก็พิจารณาว่าไม่เที่ยงมันไม่ใช่ตัวเรานะครับเป็นทุวกตาตัวหนึ่ง ได้มาจากพ่อแม่อามาใช้งานให้กับเราว่าเรายังต้องเสพรูปเสียงกิดลดก็เลยต้องมีตาหูจมูกนิ้วกายของร่างกายเป็นเครื่องมือแต่มันเป็นการเสพติดทำให้ติดทำให้กลับมาติดกลับมาเกิดอยู่เรื่อยๆถ้าไม่อยากจะกลับมาเกิดก็เลิกเสพรูปเสียงกิดลดน่ามาเสพความสงบแทนครับผมตอนพิจารณาก็จะพิจารณาแบบ แยกอหนังผมเล็บกระดูกอะไรเงี้ยแยกออกเนี่ยครับมีความรู้สึกว่าถ้าก่อนจะจบสมาธินะครับถ้าผมขยับร่างกายเนี่ยแล้วไปพิจารณาเนี่ยมันจะไม่ละเอียดแยบคายเหมือนกับว่าพิจารณาต่อหลังจากที่เรากับจะเลิกนั่งแล้วเนี่ยครับการพิจารณาก็ให้เห็นชัดเจนความไม่สวยงามของร่างกายแล้วให้จดจําไว้ในใจไม่ให้หลงไม่หรือ เนการท่องสูตรคูณเพื่อที่เราจะได้เอาไปใช้งานต่อไปได้เราท่องสูตรคูณไม่ใช่ท่องเพื่อเพื่อท่องเฉยๆเราท่องเพื่อจะให้มันจดจํง่ายเอาไปใช้กับการคิดเลขต่างๆเวลาวบลบเวลาคูณการหารกันเ่ยต้องถ้าจำได้เราก็จะสามารถทําการคูณการหารเลขได้ง่ายได้อันนี้ก็เหมือนกัน การพิจารณาอสุภะอาการที่สองเพื่อให้เห็นความไม่สวยงามของร่างกายเพื่อที่เวลาเราเกิดการอารมณ์ขึ้นมาเราก็จะได้ใช้อสุภะที่มาดับมันะนะฮะเรียนรู้นะว่าการพิจารณาตอนที่ยังไม่เกิดการอารมณ์นี่ยเป็นเหมือนกับเป็นการเตรียมตัวทำการบ้านอันนี้เวลาเจอการอารมณ์ขึ้นมาไปเจอใครปิ้งขึ้นมา เกิดการอารมณ์ขึ้นมากอา็อย่าลืมอสุภะที่เราได้พิจารณาถ้าลืมมันก็ไปเลยถุกกิเลสลาไปเลยไม่รู้สักตัวใ ช, ใช้ประจรําครับอสุภ<น>ะครับแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าพิจารณาที่อาการสามสิบสองเนี่ยมันถูกไหมแต่ว่าความรู้สึกเนี่ยว่าทําแล้วเนี่ยมันรู้สึกว่าไม่สวยไม่งามแล้วก็มันรู้สึกซึมราบในจิตใจแล้วผม รู้สึก ว, ว่าถ้าทํ า, าต่อไปเรื่อยๆบ่อยๆเนะี่ยสักวันหนึ่งมันแบบจะขาดได้กับอาจารย์ก็ต้องดูดูตอนที่เกิดกรรมอารมอย่างขาดได้ครับดับดับได้ครับแต่ว่าช่วงที่ไม่ได้พิจารณาเนี่ยกรมอารมณ์มันจะรู้สึกว่าเกิดบ่อยก็ต้องอพิจารณาบ่อยครับมันเกิดบ่อยก็ต้องพิจารณาบ่อยครับถ้าต่อยมาแล้วก็ต้องต่ อ, ตอยกลับไป ก่อนจะมาลมขึ้นมาก็ต้องอสุพะต้องมาถ้าไม่มากแสดงว่าลืมไมาอยู่ในความสมจาคริงยังพิจารณาไม่พอเลืมผมก็ใจเปิดหนังสืออสุพะครับดูให้มันจําภาพใหม่แล้วก็พิจารณาใหม่ก็จะไม่นอนถูกใช่แต่มันต้องอยู่ในใจตนอะเดี๋ยวไปอยู่ที่รมองไ ม, ไม่มีให้ไม่มีหนังสือให้ดูจะทาไง กับเหมือนกับภาพมันลางไปแล้วเนี้ยก็มาเปิดดูสักทีหนึ่งเนี่ยครับก็ดีก็ดูบ่อยๆแล้วก็พยายามนึกขึ้นมาในใจเรื่อยๆครับมันอนนึกถึงเงินเนี่ยอนนึกถึงเงินที่จำได้แบงกน้อยแบงกทสิ์แบงกพันเนี่ยเป็นยังไงบใางมันเป็นอยางไงนะครับ โอเคมีไม่มีคำถามเลยไหมไม่มีเยอะไหมไม่มีครับก็หวัดดีพี่บอยพี่หล่าแล้วพี่ๆทุกท่านนะครับครับก็ข้างหน้าผมแบบจะไม่ได้กล่าวหวัดดีครับถือว่ากลับหลังจากการนมัสัปการ์ท่อาจารย์เป็นหวัดดีไปเลยครับจะได้ไม่เสียเวลาเลยครับครับไปที่ท่านต่อไปคุณนันพัฒน์นะชิคุณนันทพัถ้าชื่อผิดก็ต้องขออภัยด้วยตัวเเสียนิดหน่อย ค่ะนวัตสการเจ้า่าพระอาจารย์นนนาพัทค่ะแต่ชื่ อ, อชื่อชนาพัทเจ้าขาพระจานทร์ค่ะก็คราวที่แล้วได้กล่าบเรียนพระอาจารย์ว่าได้ใช้ปัญป ญ, ญาอบรมสมาธิอะค่ะที่ลูกเห็นเวลาที่เกิดอาการของความไม่อยากให้เวทนาเกิดขึ้นแล้วพอไปเห็นทันมันแล้วมันก็ดับไปเจ้าขาพระอาจารย์แล้วขาพระอาจารย์ก็ให้พิจารณาบ่อยๆใช่ไหมเจ้าขาค่ะทีนี้เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาก็คือ เกิดอันหนึง่งคือลักษณะงานของลูกอะค่ะมันจะเป็นงานที่ที่ที่ทำต่อเนื่องคือบางทีไม่ได้ทําแค่ในเวลาบางทีทําหลังจากเลิกงานเลิกงานหกโมงเงี้ยบางทีก็ทำจนถึงเที่ยงคืนก็มีหรือบางทีต้องทำเสาอาทิตย์อย่างงี้ก็มีเจ้าค่ะพอพระอาจารย์ให้ลูกไปบอกว่าให้ไปพิจารณาในแง่ของทําลมหายใจแล้วก็ทําการดูพุทโธก็ได้ให้เป็นสมาถะมากขึ้นอย่างเงี้ยเจ้าค่ะพอพอลองไปทําเพิ่มขึ้นมากขึ้นมันมันมีความรู้สึกว่า อยากทํามากขึ้นเจ้าขา่าเลยมันเลยเกิดอาการเขาเรียกว่าวิภาววิภาวะปัญหาตันหาหรือเปล่าเจ้าขา่าพระอาจารย์ไม่อยากจะทํางานบางทีคืออยากมานั่งสมาธิมากกว่าอย่างเงี้ยเจ้าขา่าพระอาจารย์แต่บางครั้งเราต้องไปเคลียร์งานให้ให้จบมันก็เลยตีกันตรงนี้อยู่เจ้าขา่าพระอาจารย์่อเราได้ของดีกว่าเราก็อยากจะทิ้งของของที่ไม่ดีซึ่งไม่เสียหายตรงไหนการมีความยินดีในธรรมนี้เป็นเป็นชนะการยินดีทั้งปวง ดี่กับไปยินดีกับเงินทองยังถ้าเราเบื่อเงินทองเบื่อหางเงินหาทองอยากจะมาหาธรรมนี่ไม่ถือว่าเป็นเกลียถือว่าเป็นมากอ๋อค่ะแล้วมันก็เหมือนอย่างที่อาจารย์พูดเลยเจ้าค่ะลูกมีความคิดเลยค่ะว่าคุยกับที่บ้านว่าลูกขออนุญาตคือ ถ้าลักษณะของงานมันทําให้การปฏิบัติของลูกไม่ดีเท่าที่ควรลูกจะขออนุญาตเปลี่ยนวิถีชีวิตหรือเปลี่ยนงานเจ้าค่ะอาจารย์อันนี้ถูกใช่ไหมเจ้าค่ะอาจารย์ถ้าคิดว่าการเปลี่ยนงานไม่ได้ทําให้เราเดือดร้อนเรื่องเรื่องินทองเรื่องปัจจัยสิก็เปลี่ยนได้่าเอาเวลามาปฏิบัติทำได้มา เจ้าค่ะเพราะมันคิดขึ้นมาเลยเจ้าค่ะว่าเราน่าจะมีความคิดหนึ่งที่เตรียมตัวสักระยะหนึ่งเจ้าค่ะพ้าจาย์เพื่อที่จะให้เรามีวิถีชีวิตในการทํางานที่ไม่ซ้ําเดิมแบบนี้ที่มันต้องทํานอกเวลาตลอดแล้วก็ไม่มีเวลาปฏิบัติมากพออย่างนี้เจ้าค่ะใช่อาจจะเป็นห้างงานแบบอิสระเราสามารถกํหาหนดเวลาทําของเราได้ดก็ดีก็ก็ก็น่าจะเป็นความคิดที่ที่ไปในแนวทางที่ถูกต้องใช่ไหมเจ้าค่ะพ้าจานถูต้องจนถึง สุดท้ายก็คือไม่ทำเลยอ๋อ อ, อันน<ล>ั้นวางวางแผนไว้แล้วเจ้าค่ะพระ อ, อาจารย์เพราะว่าเพราะว่าลูกมีมีวัดที่ครูบาอาจารย์ที่นับถือท่านสร้างเป็นแบบบริเวณที่เป็นอุบาสิกาให้ไปอยู่ปฏิบัติธรรมโดยตรงเลยอ่ะเจ้าค่ะใช่ดีค่ะดีแล้วล่ะมีเป้าหมายไว้มันจะได้มันจะได้ก้าวไปถึงจุดนั้นได้ ค่ะเพราะว่าถ้าพี่คิดไว้คือถ้าคุณพ่อคุณแม่แก่มากก็อาจจะต้องสลยเวลาไปดูแลตอนที่ท่านไม่สามารถช่วยตัวเองได้ก่อนแล้วพอท่านไม่อยู่เนี่ยคงต้องไปอยู่ที่วัดเลยอะไรเงี้ยเจ้าะพันธดีน<อ>ี่ถ้ากำหนดเวลาได้ยิ่งดีแต่ถ้ามันมีปัจจัยอย่างอื่นมาขวางก็ก็ต้องก็ต้องพิจารณาไปตามเหตุตามผล ก, ก็ก็คิดอย่างนั้นเจ้าค่ะแต่แต่ก็ยังดีใจพระเจ้าค่ะที่พอเราปฏิบัติแล้วได้ได้ความรู้สึกว่าอยากปฏิบัติมากขึ้นแล้วทําให้เราเกิดความคิดที่จะตัดในทางโลกทิศหนึง่งเหมือนที่เปลี่ยนวิถีชีวิตอย่างเนี้เจ้าค่ะพระอาจารย์เพราะไม่งั้นเราจะไม่วางแผนเลยเจ้าค่ะพระอาจารย์ต้องมีการวางแผนแในในภาษาธรรมะก็คือมีอธิษฐานอธิษฐานคือการวางแผนไม่ได้เป็นการขออ่าใช่เจ้าค่ะ อธิษฐานเดิมของประชาธน์ไตยแปลว่าการวางแผนวางเป้าเป้าข อ, ของการปฏิบททัติของเราแต่เราคนไทยมาแปลงเป็นขออธิษฐานขอ น, ขอนู่นขอนี่คนละเรื่องเลยขอไม่ได้หรอกขอผูน้นี้มันต้องทำใช่มใ้อลูกก็รู้สึกอย่างนั้นจ้ะก็ต้องตั้งเป้าเราจะต้องทําอะไรบ้างอันนี้ในอธิษฐานอืทําอะไรบ้างทําเมื่อไหร่อย่างไรเนี่แปลว่าอาธิษฐานที่ถูกต้อง ค่ะดีแล้วมีคำถามอะไรไหมวันนี้มีค่ะก็คือลูกเห็นเห็นเห็นแต่ละท่านพิจารณาอสุภาเป็นอาการ32แต่สิ่งที่ลูกเกิดขึ้นกับตัวเองอะเจ้าข่าวจ์ลูกไปชอบพิจารณากลิ่นที่ไม่พึงประสงค์อย่างเงี้ยเจ้าค่ะแล้ก็ได้ก็ได้ก็จะหลุดเร็วก็ได้ใช่ไหมเจ้าได้อะไรที่ทำให้เราเกิดความเบื่อในในร่างกายค่ะ ค่ะเพราะเพราะพะว่ากลิ่นเนี่ยจะเป็นตัวที่เวลาเราไม่อาบน้ําหรืออะไรเงี้ยเจ้าค่ะมันชัดเลยเจ้าค่ะลูกก็มันมันอยู่ในความรู้สึกเราเร็วเร็วกว่ า, วาแล้วก็เอาอันนี้ออกมาไ ด, ใได้ใช่ไหมมันดับดับการอารมณ์ได้ก็ใช้ได้ใช่ไหมเจ้าค่ะแล้วก็อีกคำถามหนึ่งเจ้าค่ะลูกลูกมีการพิจารณาสีห้าที่ไม่ค่อยเหมือนคนอื่นเจ้าค่ะพระอาจารย์อย่างเช่นสีนข้อหนึ่งอย่างเงี้ยเจ้าค่ะความคิดของลูกมันไปในแง่ที่ว่า ไม่มุ่งร้ายไม่ทำร้ายไม่ตําหนี่ใครไม่เพ่งโทษใครแต่มันไม่ได้เอาแค่การฆ่าฝาดอย่างนี้เจ้าคะพระอาจารย์ก็ได้แต่ในศีลหานี่มันก็ตัวตั ว, ต, ว, ต, วตัวที่หนักที่สุดก็คือการฆ่าชีวิตของผู้แต่แต่<ว><า>คิดให้ละเอียดขึ้นไปก็ได้ใช่ไหมเจ้าคะพระอาจารย์เออไม่เบียดเบียนใครไม่ไปสร้างความเสีรรยหายเดือดร้อนให้แก่ผ<ด>ู้<อ>ซึ่งมันก็มาที่ศีลข้ออืต่อ เช่นการพูดปดนี่ว่าไปทําให้ผู้อื่นเขเสียหายเดือดร้อน<ะ>เช่นไปกล่าวเท็จอะไรนี้ทําให้ผู้อื่นก็เสียหายก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่ควรหรือการเอาทรัพย์ของผู้อื่นมาโดยที่เขาแม่อนุยาตก็ทําให้เขาเสียหายเดือดร้อนอหรือไปยุ่งเกี่ยวสามีภรรยาของผู้อื่นก็เหมือนกันเขาก็เดือเขาก็ไม่ชอบเขาก็เดือดร้อนอ ม, <ะ>มันก็เป็นศีลอนกันแต่ต่างตามด้วยวัตถุที่เราไปทํา เอาเงินทองเขาใส่ร้ายป้ายสีเข้าไปยุ่งเกี่ยวสามีภรรยาของเขานี้แต่มันก็มันก็อยู่ในคำว่ารวมว่าไม่เบียดเบียดไม่เบียดเบียดทูกจริงจริงมันก็เหมือนถือข้อเดียวแล้วมันได้หมดใช่ไหมเจ้าคะถ้าเข้าใจแล้วมันอยู่ข้อเดียวว่คือใจใจเราใจเราไม่อาฆาตพยาบาจใจเรามีเมตตาสุกอย่างมันก็จบ เนาค่ะเพราะพราะความรู้สึกที่ลูกอธิษฐานคือที่พระอาจารย์บอกเจ้าค่ะว่าไม่ได้ขอแต่คือความตั้งใจคือจะทำให้คนชอบช้ำเพราะเราน้อยที่สุดอย่างเนี้ยเจ้าค่ะมันมันมันมันเป็นความรู้สึกภายในที่ที่ลึกๆเกิดเจ้าค่ะพระอาจารย์มันก็อยู่ในบทของการแผ่เมตตาใช่ไมไม่อนิกาของตดไม่ทำร้ายร่างกายและจิตใจของผู้ค่ะเจ้าถูกต้องละเนะ คือทําอะไรให้คิดถึงความเสียหายผลกระทบกับผู้อื่นและกับตัวเราด้วยเพราะทำอะไรให้ผู้อื่นเสียหายเดี๋ยวร่ามันก็จะกลับมาหาเราเราก็จะวุ่นวายใจไม่สบายใจใช่ค่ะเพราะเพราะฉะนั้นก็คือสรุปคือลูกก็จะทําปัญญาอบรมสมาธิให้พิจารณาวิภา ะ, ะตัณหาเวลามันเกิดอาการทุกข์ขึ้นมานะเจ้าค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือหาเวลาทําสมาธิที่เป็นพุโทโธให้ได้มากขึ้นใช่ต้องกลับมาที่พุโทโธและที่ลมหายใจถ้าอยากใช้จิตโลมเป็น ค่ะก็ก็แล้วแล้วทีนี้มันก็คงเป็นขั้นขั้นไปใช่ไหมเจ้าคะอาจารย์ถ้าเรามาทํามากขึ้นใช่ไหมเจ้าคะในในแง่ขอค่ะเพราะลูกไม่ค่อยได้ทําสมถะเจ้าค่ะอาจารย์จิตสงบมากขึ้นมันก็จะตัดจิเลสได้มากเป็นละอะไรต่างๆได้มากขึ้นเจ้าค่ะรถบคามโลกความอยากต่างได้มากขึ้นเจ้าค่ะถ้างั้นวันนี้ลูกมีเท่านี้เจ้าค่ะอาจารย์โอเคสาธุขอบพระคุณมากเจ้าค่ะอาจารย์ภูมิาจเชิญ อันนี้ได้ไปฉีดบังทีมาแล้วนะแล้วมาตร ก, การค่ะได้ได้เห็นแล้วค่ะยินดีด้วยค่ะอะแล้วสุขภาพดีไหมคะก็ทุกอย่างปกติไม่รู้สึกอะไ ร, ร ไ, มไม่รู้สึกแ่ก็ต้องพผ่อนเมืนก็ไม่ได้ฉีดถ้าฉีดจ็ไม่รู้สึกเข็มเข็มที่เจาะเข้าปนี่มันมันบาวกว่ายุงกัดซะองกยุงกัดบางทียุงกัดทา <c oughs> งทีแพ้ยุงเป็นเป็นเนถิดขึ้นมาค่ะ อันนี้ไม่มีอะไรเลยทุกอย่างใช้หมดคช่ก็สุขภาพดีค่ะแข็งแรงแต่ก็ต้องพักผ่อนทุกสองวันนะค ะ, ะ, ะก็ปกติก็พักอยู่ทั้งวันอยู่แล้วมีอะไรต้องทาบมม้า <c oughs> งเลยแล้ก็มีแต่แค่งานบินตรบาเท่านะั้นกเดินชมขลมออกํำลังการมันก็เป็นเรื่องปกติเกรงว่าดูวันนี้ต้องอยู่สามชั่วโมง ไ, มได้พักผ่อนหรือเปล่าได้ไวก็นั่งเอง เราเตรียมตัวว่าถ้าเมื่อคืนอนเยอะแยะไปหมดทำงานก่อนจะไปหาก็ได้นอนเน้นอาการง่วงเหนื่อย น, นอนนันนี้ไม่มีเลยอค่ะยังเหแจ่มใสอยู่เลยค่ะไม่มีปัญหาเลยการนมัสการสุขภาพดีคำวันนี้ไม่รบกวนค่ะให้ท่า น, นค่ะเ ป, เป็นไงเพื่อนก้นคู่หูอยู่หรือเปล่าเพื่อนเพื่อนคู่หูเ อ, อ่อปีวิเวกทางกายไปแล้วค่ะเนี่เข้าสู่ความสงบได้ นอนเร็วค่ะนอนเร็วี่ถึงได้ด้วยนะขอบคุณค่ะโอเคเงั้นก็ขอไปที่ท่านต่อไปนะคุณหมอภาสนาเชิญคุณหมอภาสนะกลับน้ัสกามพระอาจารย์สวัสดีคุณบอลคุณหลางคุณชัยนะคะก็วันนี้เดี๋ยวส่งกานบ้านพระอาจารย์แล้วก็อาจจะถามพระอาจารย์ว่าอาจจะมีอะไรที่ต้องทําเพิ่มเติมนะคะพระอาจารย์ก็คือข้อแรกอะที่พระอาจารย์ให้กันบ้านไปทาเรื่องของเรื่องของความโลภโกรธหลง ก็คือว่าใช้ใช้ปัญญาดูดูมีสติอยู่กับตัวเองคือพยายามดูเรื่องของความโลภ ก, ก็คือดูแลเนี่ยในภายในหนึ่งอาทิตย์ที่แล้วก็คือเรื่องของความโลภเนี่ยมันตัดได้เพราะว่าเราเราตั้งสติแล้วความโกรธก็ไม่มีเกิดขึ้นก็คือมีความหลงก็คือเป็นเรื่องของรักสังงกลัหลงจริงๆแล้วเนี่ย ตรงความหลงเนี่ยพอเราพิจารณาเราดูไปจริงๆแล้วยังติดอยู่นิดเดงของความหลงก็คือเรื่องของรถค่ะพระอาจารย์ก็ก็เลยคิดว่าเดี๋ยวอ่าเดือนนี้ก็คือจะเพิ่มศี่8เป็น5้าวันแล้วก็จะเพิ่มแบบเออกินสกินมื้อเดียวที่แบบเออควรเนี่ยเออเป็น2วันเพราะว่าคือยังมีอาการที่ว่าเห็นอาหารแล้วแบบชอบยังมีที่อย่างอื่นเนี่ยเออได้แต่ว่าอาหารนี่ยังมียังมีเรื่องของความที่แบบชอบอะไรอยู่ก็เลยรู้สึกว่าเดี๋ยวจะลองพิจารณาอะไรเนี่ยอาหารเละไปดูสังขาแล้วก็ลองควรดู เอาให้แบบเอาให้อาหารทุกอย่างเหมือนกันนะพระอาจารย์แล้วเราจะเริ่จะเริ่มเขเริยกว่ากินกินข้าวสุดลนใช่ใช่ก้าวกินข้าวสุะคุณทั้งที่มันเหมือนกันก่อนเพราะรู้สึกว่าติดเรื่องรสนี่แหละพระอาจารย์เรื่องเรื่องของการที่ไม่กินอาหารเราไม่มีปัญหาเพราะเราเหมือนกับว่าถ้ามันไม่อร่อยเราก็ไม่กินก็ได้อะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่ามีปัญหาเรื่องของการกินสองมืออะไรแต่ว่าเรื่องรสจะพยายามมาลงให้ได้แล้วก็คือตอนนี้ก็คือว่าใช้เดินตรง นั an, no know, group, decir, ini, ่งนั่งสมาธิเนี่ยเป็นสี่เวลาแล้วก็นั่งสมาธิู่เดินจงกรมนะครับอาจารย์เวลาเนี่ยจะไม่จํากัดแต่ก็จะได้ประมาณตอนเช้าประมาณสองชั่วโมงกว่ากว่าตอนกลางวันสามสามครั้งกลางวันบ่ายสองโมงที่สามพรอาจารย์แล้วตอนเย็นเนี่ยได้ประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงค่ะอาจารย์เดินจงกรมเนี่ยค่ะพระอาจารย์คือคือตัวเองใช้เรื่องของมรดดรู้สติเพราะรู้สึกว่ามันทําให้เรา ไม่ประมาทแล้วก็ตั้งใจมีความเพียรในการทําเรื่องของอาการ12ของพระอาจารย์ที่แนะนําเนี่ยคือรู้สึกว่าพิจารณาไตรักแล้วก็ขึ้นในเรื่องของความทําให้เราจะไม่กลัวคือมาหรือวิจารณากายในการกับกายนอกกายทั้งสัตว์คนสิ่งของไปหมดเลยอ่ะพระอาจารย์ทั้งคนเล็บฟันด้วยทําให้เราจะได้ปรับเตรียมตัวไว้สําหรับไม่กลัวสัตว์อะไรต่างๆอ่ะพระอาจารย์ได้ไหมคะคือนี้คือวิจนารณ์ลงมาตรงนี้ แล้วก็อสุภะเพราะตัวเองจะไม่ค่อยไม่มีเรื่องของการราคาอยู่แล้วแต่ว่าก็คือพิจารณาเอาไว้เพราะไม่ประมาทอาจารย์เพราะฉะนั้นจริงๆตัวเองก็จะเหลือเรื่องของความกลัวนั่นแหละาอาจารย์ก็คือพิจารณาขผมกดฟันค่ะคพิจารณาว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราเราไม่ได้ตายไปกับร่างกายค่ะอ๋ออันนี้อัน น, น, นี้อันนี้น่าจะโอเคแล้วว่าอาจารย์เรื่องของไม่ไม่ใช่กลัวเรื่องของความตายแล้วก็ผมตายนี่น่าจะโอเคแล้วไม่มีปัญหาแต่ว่าอาจจะแบบเรื่องของ สัตว์อะไรประมาณเนี้ยค่ะให้เป็นเพื่อนเขาเหมืนกันว่าให้เรารู้สึกว่าเป็นเหมือนกันเท่ากันทุกอย่างแม้ว่าคนสัตว์อะไรอย่างเงี้ยครัอาจารย์ได้ไหมคะเออที่กลัวเพระกลัวมอนจะมาทำร้ายเราไม่ใช่อืมตอนนี้ไม่กลัวนะอาจารย์อราแล้วกลัวอะไรเมื่อกี้บอกกลัวกลัวอะไรอืมก็รู้สึกว่าอยากจะให้เหมือนกับว่าให้เขาไม่กลัวเราด้วยครัอาจารย์เราไปบังคับเขาให้ไม่กลัวเราได้ใช่ไหม อ๋ออ๋ออเข้าใจละสแล้วคือรูว่าเหมือนเราจเดินไปได้อ๋ออ๋อคือแค่เราไม่ัวเขาแต่เขาไม่กลัวเราเราเราทําไม่ได้อแต่ถ้าถนาเราแพ้ไม่ใายเยอะๆนี่ถ้าเราไม่ไปทําอะไรเขาต่อไปเขารู้จักเราเขาเ้าไม่กลัวแล้วเขาก็เชื่อ อ๋อค่ะไปเห็นพระอาจารย์มั่นบอกว่าแบบสัตว์มาหาท่านก็ไม่กลัวเรารู้สึกว่าไอ้สัตว์ยังกลัวเราอยู่ อ, อ, อ๋อพระอาจารย์แล้วพระอาจารย์คือเราเราทําได้แต่ตัวเราเองใช่ไหมฮะไม่ใช่ใชไปให้หสัตว์ทำก็เราทําให้เราไม่ไปทําให้เขาเดือดร้อนเดี๋ยวเขาก็เขาก็เขาก็ไม่กลัวเราก็ไม่กลัวๆเขาก็ต้องระวงก่อนเหมือนเราเราเจอคนใหม่ๆเราไม่รู้จักเราก็ต้องระวงไว้ก่อนแต่พอรู้จักกันนานๆเข้าเราก็เลยอดูว่าเขาไม่มีอะไรกับเราไม่เล่า อย่างนั้นเรื่องของเรื่องของลบกฏหลงนี่จะเป็นเรื่องของลดก็เดี๋ยวใช้สติพิจารณาเรืนที่สองนะคะพระอาจารย์ก็คือพิจารณาเรื่องของอริยศาสตร์แตเรื่องเรื่องของทุกข์ค่ะก็ก็คือว่าใช้ใช้ใช้ไตรักษ์คือเวลามีทุกข์อะไรขึ้นมาปุ๊บก็จะใช้ไตรักษ์เรื่องของดูดูสามอย่างตัดใช้ใช้คือพยายามใช้สติตัดทุกอย่างพยายามในอาทิตย์นี้พยายามตัดก็คือรู้สึกว่าเรื่องของทุกข์เข้าใจพอมันเข้าใจมาแล้วเนี่ยเราก็เลยเริ่มเข้าใจว่า ทุกทการเรียสัตว์มันคืออะไรรวมทั้งหมดเลยก็เลยรู้สึกว่าคืออาทิตย์นี้รู้สึกดีมากเลยพระอาจารย์สงบแล้วก็มีอะไรดีๆเข้ามามีเพื่อเพิ่มขึ้นก็เลยตั้งตั้งเขาเรียกว่าแหละคือตั้งแบบว่าตั้งใจว่าทําสมาธินี้เพิ่มขึ้นเพื่อจะได้ชาร์ตแบตให้ปัญญามันเยอะๆอะค่ะ<ม>พระาอาจารย์ก็เลยเพิ่มเวลาเรื่องของสมาธิให้ปัญญาเยอะๆชาร์ตแบตให้อุเบกขาเยอะๆไม่ได้ปัญญาเยอะๆเอาถ้าพูดถิระอาจารย์ชาร์ตแบตให้อุเบกขาเยอะใช่ทางสมาธิปัญญานั้นก็พิจารณาเยอะๆถึงจะถึงจะเกิดปัญญาขึ้น ก็คือโดยรวมโดยรวมแล้วค่ะก็รู้สึกว่ามันมันมันทำได้นิ่งมากขึ้นแล้วก็จริงๆแล้วต้องขอบคุณคือคุณรู้สึกว่ามีการสนับสนุนมากขึ้นเยอะๆเลยค่ะแล้วก็ต้องขอบคุณอย่างจุณตังอะไร่อ่ะก็คือแบบคือตัอ้งใจอยากจะใส่บาตรพระอาจารย์เพราเราอ่านหนังสือพระใจธรรมมหาบกุกรู้สึกว่าเอเอมีครูบาอาจารย์แล้วก็อยากไปใส่บาตรแล้วก็ได้ไปไปพักที่โรงแรมแก็ใกล้แล้วก็ทําให้เราได้สามารถที่ใช้อุบายพาทั้งครอบครัวไปได้มีความรู้สึกว่าทําให้แบบ เหมือนกับว่ามันก็ต้องขอบคุณน้องๆหลายๆคน้งยตั้งแต่ทุกคนเลยนะที่ให้หนังสือมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกว่าเออก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราจะพยายามทําตัวเองขึ้นมาแล้วก็มีส่วนร่วมในการเดินทางไปด้วใจในธรรมะคะอาจารย์แต่ก็ต้องระวังเรื่องการทําบุญทําทานว่ามันมันจะเป็นคู่แข่งกับการภาวนาเนอะบางทเวลาถ้าเราต้องการภาวนาเนี่ยเราอาจจะต้องเบรคการทําบุญทําทานไว้ก่อนเพราะมันไปคนละทาง การภาวนานี่ยไปเปรียบไม่เว้การทําบุญทํำทานนี่ยมันต้องไปพบปะครับคนต่างๆนั้นต้องอยู่ดูว่าตอนนี้เราอยู่ในในระดับไหนเราต้องการภาวนาหรือเราต้องการทําบุญทําทานแต่เราต้องการภาวนาเราก็ต้องชะล อ, อการทําบุญทําทานไว้ก่อนหรืถ้าจะทําก็ทําทแบบง่ายๆวนกานทานบัญชีไป ไม่ต้องออกจากที่ภาวนาเราก็ได้อ๋ออะค่ะเ ข, ข้าใจแล้วพระอาจารย์ได้ค่ะเพราะต้องการภาวนาพระอาจารย์เขารู้สึกสนุกมากอาจารย์เขาสนุกเรื่องขอบคุณพระอาจารย์มากก่อนก่อนจะภาวนาก็ทําบุญทําทานให้พอเลยันโบมลเนื้นทอทําะไรให้มันเสร็จไปมันแล้วทีนี้ก็หยุดทานทําบุญทําทานแล้วก็เน้นแต่การภาวนาไปอย่างเดียวจนกว่าจะออกจากการภาวนามาแล้วอยากจะกลับมาทําบุญทําทานต่อก็ได้ แต่สองอย่างนี้อย่าทำพร้อมกันเพราะมันขัดกันการตอนงาร่านะงงานแบบปิดไม่เวิดการทรําบุญทำทานมันต้องออกไปตามสถานที่ดังๆอาจารย์เข้าใจแล้วค่ะต้องขอบพระคุณพระอาจารย์มากๆค่ะเพราะว่าเข้าใจมากขึ้นแล้วก็พยายามทําตอนนี้ก็คือพยายามทําตั้งใจพระอาจารย์คือเข้าใจาในสิ่งที่ตัวเอต้องทําในส่วนทางคือแต่ว่าทำแล้วก็มาส่งกันบ้านพระอาจารย์ได้ทำไปเรื่อยๆไม่มีอะไรแล้วใช่ไหม จะได้ไปท่านชั่นตอบโอเคคุณน้้ยเชิญคุณนุ้ยคุณนุ้ยอยู่ที่ไหนมาครั้งล่าสุดป่าวเนี่ยค่ะเคยมาครั้งหนึ่งแล้วค่ะอยู่ที่ไหนอยู่ที่ซานโฮเซแคลิฟอร์เนียโอซานโฮเซไปไงตอนนี้หนาวแล้วร้อนในซานโฮเซร้อนนี่ก็ซัมเมอร์แล้วนอัมเมอร์แล้วอากาศก็นอนขึ้นนิดหน่อยแต่ว่าหน้าตาเย็นของกางไทย มีเหตุการณ์ไม่ดีเพิ่งผ่านมานี่นะซานอสนี่ใช่มี m a สชูติ o t ะค่ะอ่าเออย่างงั้นแหละเป็นประเทศที่เสรีทุกคนต้องการพบอาวุธกันเอโอกดแ้นใครก็เลย <c oughs> <c oughs> ไม่มีท ร, รมากเลยมีแต่อาวุธ <c oughs> ต้องฆ่ากันเลยทีเดียว <c oughs> มีอะไร้ย่มานี้ค่ะก็ออหนูภาวนาอสุภกรรมฐานละคะแล้วก็ เวลาออกไปนอกบ้านก็เห็นคนที่เดินไปเดินมาเป็นโครงกระดูกะคะ่ะอันนี้คือแต่ว่าเวลาเห็นคือจะเห็นเป็นช่วงๆเลยอยากรู้ว่าถ้าเกิดภาวนาไปเรื่อยๆคือจะเห็นเป็นโครงกระดูกตลอดเวลาหรือเปล <c oughs> ่าค่ะก็อยู่ที่เราถ้าเราต้องการจะเน้นมันก็เห็นถ้าเราไม่เน้มันก็ไม่เห็ น, นเป้าหมายหลักของการดูคครมกระดูกนั่นเอสุภาเนี่ก็เวลามันเกิดการมาลงแล้วทําให้เราอ ทุรนทุรายอยู่มาเดียวเล่าหนาต้องไปมีแฟนมีเพื่อนอะไรอย่างนี้เห็นี้ต้องให้นึกถึงว่าคนที่เราจะไปหาเป็นแฟนเราก็เป็นแค่โครงกระดูกนี่มันก็จะทําให้เราหยุดความกวความอยากที่จะมีแฟนได้นั่นคือเป้าหมายหลักของการภาวนาให้หรือให้เห็นว่าธรรมชาติของร่างกายแท้ที่มันเป็นยังไงมันก็มีแค่อาการฐานสิบสองนี่นะ ไม่มีตัวมีตนอยู่ในร่างกายใช่ไหมเราค้นหาดูผู้ที่ใช้ร่างกายไม่ได้อยู่ในร่างกายผู้ที่สั่งร่างกายนี้ผู้รู้ผู้เห็นนี้อยู่ที่หนึ่งอยู่โลกที่เพียแต่ส่งกระแสความสั่งมาทางมาที่ร่างกายให้ร่างกายเคลื่อนไหวทําอะไรต่างๆเวลร่างกายเป็นอะไรนี่ผู้ที่สั่งไม่ได้เป็นไปด้วยเป็นผู้ที่สั่งไม่ต้องไป ทุกไม่ต้องไปกลัวกับความเป็นความตายของร่างกายแล้วก็ตั้งพี่ก็อเห็นแมวที่บ้านเป็นอสุภะด้วยค่ะอาจารย์ได้ทุกอย่างมันเป็นอสุภะเหมนะือน <c oughs> เห็นว่าเราไม่เราไม่มองมันก็ไม่เห็นอ้า <c oughs> เรามอง ล, ลึกเข้าไปข้างในมันก็มีขออสุภะทั้งนั้น <c oughs> แล้วก็มีแล้วต้องหัดทำนั่งสมาธิด้วยนะการพิจารณาอย่างเดียวมันไม่มันมันไม่มีกำลังพอที่จะหยุดดิเลดได้<ช>ต้องพยายามฝึกจิตให้นิ่งให้สงบ<ช>แล้วพอเห็นอะไรปั๊บมันก็จะหยุดได้หยุดความอยากได้หยุดความโลภได้หยุดความโกรธได้ แล้วก็ช่วงที่เคยภาวนาได้ดีอะค่ะคือช่วงนั้นหนูถือสิ่งแปดอาทิตย์ละหกวันค่ะแต่แล้วหนูก็เปลี่ยนไปถือสิงห้าทุกวันแต่แล้วก็ปรากฏว่าเหมือนสมาธิมันก็ไม่ตั้งมั่นอะไรอย่างนี้ยค่ะก็เลยคิดว่าคงต้องกลับมาถือสิ่งแปดเป็นประจําเหมือนเดิมใช่สิ่งแปดสนับสนุนการปฏิบททัติธรรมสิ่งห้าเนี่ยมันยังปล่อยให้อ อ, ออกไปเที่ยวไปเล่นไปดูไปฟังอะไรต่างๆได้ฮไปกินไป ด, นไดื่มได้ออื ยังต้องต้องตัดกิจกรรมเหล่านี้ไม่จะได้มีเวลามามาปฏิบัติจิตจะได้ไม่ออกไปข้างนอกเราจะดึงจิตเข้าข้างในก็ง่ายกว่าดีถือสินแปลได้ก็ถือไปไม่ต้องไปทํางานนะนีอ่อยู่เป็นแม่บ้านนี่ไงตอนนี้ยังไม่ได้ทํางานอตอนมีใช้เงินเก็บอยู่แต่เดี๋ยวต้องไปหางานทําแล้วคะ่ะค่ะ ก็ทำเท่าที่เราทำได้ก็เลานต้องแบ่งรับแบ่งสู้งานเราก<ช>็ต้องทำทำแล้วก็การปฏิบัติเราก็อยากจะปฏิบัติแล้วก็ต้องหาบาลานซ์หาจุดพอดีระหว่างทั้งสองอย่างจะได้ไม่เครียดไม่ทุกข์ทำงานก็ทำไปเมื่อไม่ต้องทำงานก็มาปฏิบัติทำอ่าแล้วก็มีมีทีหนึ่งไปกินข้าวมา่นเพื่อนนะคะแล้วก็ เห็นเคพื่อนแฟนเคลื่อนแล้วก็รูปเคพื่อนเป็นอคงกระนูกนะคะหนูก็หนูก็เออแปลนี้ก็เลยลงเป็นโครงกระดูกไปเรื่อยๆเสร็จแล้วก็อยู่สักพักหนึ่งจิตมันก็พูดขึ้นมาเองว่าทุกเท่านั้นที่เกิดขึ้นทุกเท่านั้นที่ตั้งอยู่ทุกเท่านั้นที่ดับไปอันนี้คือเป็นเป็นปัญญาที่เกิดจากการภาวนาะถูกเปล่าค่ะก็ แล้วก็เห็นทุกข์ไปนะถ้าเราเห็นทุกข์มันก็มันเข้าใจความความหมายแล้วว่าโลกนี้เป็นโลกของความทุกขนะ์นั้นแหะไม่มีอะไรไม่ทุกข์ทุกข์พ่อมันไม่เทีย่ยงมีเกิดแล้วเดียวมันก็ดับพอมันดับทุกข์มันก็เกิดขึ้นมาอันทีทแล้วอย่างนี้คือเราก็รู้ไปเรื่อยๆรู้เพื่อเ พ, พื่อตัดเพื่อปล่อยวางไม่ไปยึดไปติดนะสอนใจให้ไม่ต้องไปพึ่งไม่ต้องไปมีอะไรอยู่คนเดียว แม่แต่ร่างกายของเราก็ทุกเหมือนกันอยากไปเพื่อเงียกไปอาศัยมันจิตนี้เป็นเป็นของที่ไม่มีรูปร่างหน้นตาตาแลนสามารถอยู่ตามกำพังได้โดยที่ไม่ต้องมีอะไรมีแล้วทุกพราะไม่มีแล้วสบายก็พยายามสอนจิตให้ไม่ให้ไปอยากได้อะไรอยากมีอะไรอยากเป็นอะไร อยู่คนเดียวได้ดีที่สุดกับร่างกายถึงแม้อยู่คนเดียวกับร่างกายก็ไม่ยืดไม่ติดด้วยเพราะรู้ว่ามันในที่สุดมันก็ต้องร่วงเหลายไปใช้วันได้วันหนึ่งขอบพระคุณมาค่ะแต่ก็พยายามนั่งสมาธิด้วยนะเพราะถ้าคิดมากๆเดี๋ยวฟุ้งซ่านได้แนละ้วก็อ็รมณ์เบื่อหนอได้คิดถึงทุกมากๆเดี๋ยวมันอาจะเบื่อหน่ายขึ้นมาได้ เบื่อน่ายแบบไม่ใช่เบื่อหน่ายแบบทํามันเบืร์น่ายแบบไม่สบายใจบดถูกใจนี้ก็ผิดนะก็ต้องหยุดพิจารณาทําทำใจให้สงบไปขอบคุณพระอาจารย์มากค่ะครับทุเจ่าเพราะว่าสมมติถ้าเราไปพิจารณาทุกเป็นทุกข์หมดเดี๋ยวก็อยากจะฆ่าตัวตายกไปมาแล้วอยู่ไปทําไมไมีได้ทุกข์ ไอ้นี่ก็ผิดแล้วถ้าใจนี้อ ย, ย่างนี้ก็ผิดแล้วว่าเกิดอารมณ์ไม่ดีแล้วเกิดอารมณ์เศร้าหมองเกิดอารมณ์ปวดหัวแล้วก็เลยคิดชาตัวตายนี่ก็หลงผิดทางการที่เราให้เราเห็นทุกข์ก็เราจะน่าหายหลงว่าเราไปคิดว่าโรกนี้มีแต่ความสุขมีความสุขแัจ่จริงมันไม่มีความสุข ข, ของในโลกนี้มันสุขปลอมันสุขหลอกสุขมันเดี๋ยวมันก็ตายเป็นทุกข์ต่อไปะต้องระวังหน่อยนะ ไปทางปัญญาอย่างเดียวไม่มีสมาธิเดียวมันเกิดมันมันมันเหมือนกับว่าโอเวอร์ด ose โีคิดไปในทางที่ไม่ดีได้นะคิดไปทางว่าโอวอยู่ไปทําไมนี่นจะทุกข์ฆ่าตัวตายดีกว่าเราจะคิดว่าหลุดพ้นไม่หลุดนะตายฆ่าตัวตายก็เป็นเป็นเป็นทุกข์อีกการไปสร้างความทุกข์ในมาใหม่เราไม่รู้สึกตัว แล้าไม่อยากอะทำสมาธิด้วยนะพยายามนั่งเฉยๆให้จิตนิ่งให้สงบไม่คิดอะไรนั่งจิตจะมีความสงบมีค ว, เวาเบกขาแล้วเวลาคิดย่ำทุงเนี่ยจะไม่เศรา้าจะไม่มีความเศรา้าไม่มีความหดหู่ใจโอเคนะค่ะขอบพระคุณค่ะคุณกาชินเจอคุณกาชินได้ยินไหอยู่ที่ไหน่ คำถามเรน่องเรื่องนะความจและการแก่นกรรัการับอยู่ไต้หวั น, วนครับไต้หวันครับมีอะไรไหมวันนี้เข้ามาร่วมฟังธรรมนะครับกรรมธมัสการ์ได้ยังไปที่คุณบริสต่อเลยคุณบรสรบที่รายอมวันนี้จำได้กรรมธมสักการเจ้า่าพาราสานค่ะ ไม่มีคำถามค่ะขออนุ ญ, ญาตรับฟังเจ้าค่ะโอเคยินดีนขอ<บ>ไปที่คุณสุภาพรต่อเลยอันนี้มาปฏิบัติธรรมบน ข, ข้าวกันก็เลยข่าวแต่มาตรการค่ะได้ยินหรือยังคะได้ยินแล้วขอโทษนะคะค่ ะ, ะเมื่อวันพุทธที่ผ่านมาค่ะ ว, วันวันวิสาขาค่ ะ, คะ ไ ป, ไปปฏิบัติธรรมอะคะ hmm. แล้วก็ขณะปฏิบัติธรรมอะค่ะมีมีสภาวะบางอย่างะค่ะมีความสงสัยก็จะมาจะมาถามพระอาจารย์เนี่ยค่ะถามเลยค่ะออตอนที่จิตจิตสงบแล้วอะค่ะคือพอจิตสงบพักตัวไปสักพักแล้วอะค่ะแล้วก็ปล่อยให้มันนิ่งสงบไปใช่ไหมคะ hmm. มันกำลังจะ เหมือนกับว่ามันมันทักจนมันหมดเวลาแล้วอะค่ะก็กําลังจะคลายตัวพอพอเริ่มคลายตัวก็มีความคิดปรากฏระค่ะก็เลยพยายามจะเข้าไปใหม่เหมือนพอดีหนูเคยฟังหลายๆท่านนะคะบอกว่าเวลาที่เราเราจิดมันเริ่มถอนตัวแล้วก็ตบตบเข้าไปใหม่ได้ก็เลยจะพยายามทํำนะค่ะทีนี้พอจังหวะนี้ค่ะก็เ อ, อเห็นความคิดแล้วก็อ่อ ดูทันความคิดอ่ะคะ่ะพอคิดปุด๊บก็ก็สามารถหยุดเลยพอคิดก็หยุดอ่าบางจังหวะก็คิดปุด๊บแล้วก็มันก็คิดต่อไปต่อแต่ก็หยุดได้อะคะ่ะพอมปรุงไปแล้วก็หยุดได้เสร็จแล้วทีนี้อ่มันเกิดอย่างนี้ขึ้นหลายๆครั้งอะคะ่ะแล้วแล้วภาพที่เราจับความคิดแล้วก็หยุดจับความคิดแล้วก็หยุดเนี่ยมันมันถักออกไปด้านหน้านะคะ่ะมันกลายเป็น เป็นอ่าเป็นสี่ตำแหน่งนะคะ่ะมันกลายเป็นเป็นภาพไกลๆจากจากตัวที่เราอยู่อ่ค่ะแล้วมันเหมือนกับว่ามันเป็นสี่ตำแหน่งแล้วพอเวลาที่เรามีความคิดปรากฏปุ๊บบางตำแหน่งมันก็ ม, นกมันก็กระพริบอ่ะคะ่ะแล้วก็ได้ยินไหมคะได้นอยู่แต่เสียงภาพมันหายกำลงจะแก้ไขยอยู่อ๋อใช่ค่ะแล้วค่ะแล้วก็เออบางตำแหน่ง ออพอเรานึกปุ๊บตำแหน่งที่หนึ่งมันก็กระพริบแล้วก็พอเราคิดไปต่อเป็นกรุ๊งก็ตำแหน่งที่สี่มันก็กระพริบกระพริบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอเราเห็นปึ๊บเราก็เราก็งงงใช่ไหมคะเราสักพักหนึ่งมือนกล่าว่ามันมีภาพออกมาเรื่อยๆค่ะแล้วก็มันก็กระพริบกระพริบแล้วมันก็เร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นแล้วไอตัวกระพริบนี้มันก็กระพริบไปจนมันเล็กลงเล็กลงเล็กลงแล้วก็ดับไปเสร็จแล้ว ณจุดนั้นเราก็จะเห็นว่าอ้อเราเพิ่งเพิ่งมาเห็นนะคะว่าเออจริงๆแล้วตอนที่เราเริ่มดูความคิดเนี่ยเราก็จะเริ่มสังเกตแล้วว่าเออใช่ตัวอะไรอ่ะเอใครอ่ะที่เป็นคนดูความคิดเนี้ยค่ะก็เริ่มสังเกตอันที่หนึ่ ง, งแล้วพอมันไปไปเปลด่ยนแนวทางแล้วไม่ควรจะตไปตามความคิดเนี่ยมันก็พาไปยาวคิดเรื่องนั้นดูความคิดแล้วเราก็คิดเสร็จก็ไปคิดไปคิดนายาวมันใหญ่ กลับมาดูลมแล้วกลับมาที่พุโทโธดีกว่าเพืหยุดมันค่ะเสร็จแล้วทีนี้เออ่พอเราดูเสร็จปุ๊บเราก็เห็นว่าความคิดนี้มันดับไปแล้วเราก็เริ่มดูว่าความคิดเนี่ยกับผู้รู้เนี่ยคือคนละส่วนกันนะคะอย่าไปดูอย่างนี้ไม่มีประโยชน์อะไรนั่งสมาธิเพื่อให้มันเนิ่นให้มันสงบไม่ให้มานั่งดูแยกกันอย่างนี้ค่ะก็คือดูผิดทางใช่ไหมคะอ่าอย่าไปดูมันอยา่าถ้าดูมันแล้วมันไม่หยุดก็ต้องใช้พุโทโธหยุดมันค่ะ แล้วต้องการให้มันได้งให้มันเป็นอุเบกขาอัน<ะ>นี้ก็น่าจะคิดวนอยู่เนว่างอ่างนี้นะคิดแล้วดูมันเดี๋ยมันก็หยุดนะเดี๋ยวมันก็กลับมาคิดใหม่มันก็ได้ดไปไล่กันมาอยู่นะดอกให้เราคิดคิดว่าเป็นปัญญามันไม่ใช่เป็นปัญญาค่ ะ, ะ, ะดีค่ะ อ, อพอพอเห็นปุ๊บแล้วเราก็ก็ อ, ออกจาก สมาธิเลยค่ะพอดีว่ามันกําลังใกล้จะใกล้จะหมดเลบรรล้วก็เลยสมาธิมันหลอกมันจะทำมันหลอกให้เราออกทางที่เราจยากได้อยู่ต่อก็ไม่เลยไม่ได้อยู่ต่่อออ๋อคะาก็ <c oughs> เลยก็ <c oughs> ต้องพูดโทรต่อเพื่อดูลมต่อไป อ, อ, อ, อพอเหตุการณ์ปรากฏปุ๊บเราก็เลยเอ๊ะมันก็แปลกๆแต่เราก็ดูมันจนมันมันดับอะไรไปนะคะแล้วเราก็มันหลอกเราให้ดูไปเพลินไป เห็ไม่ได้สงบไม่ได้สมาธิเลยนี<อ>่ได้แต่ไล่จับความคิดไปดูความคิดไล่ความคิดไป<อ>ไม่อย่าไปอย่าไปดูมันพอดูมาแล้วมันไม่หยุดก็ต้องพุโทโธพุโทโธไอย่าไปดูมันอย่าไปคิดกับมันค่ะคิดถ้าไม่มีวันจบคิดถ้ดี๋ยวก็มีเรื่องใหม่ให้คิดต่อค่ะเอทำสมาธิ<ย>เพื่อให้หยุดคิด ไม่ใช้ไปให้ไปคิดให้ไปตามความคิดอย่าไปตามความคิดให้อยู่กับมุทโทให้อยู่กับลมหายใจใช่ค่ะคือพอตอนคิดถึงตอนนั้นก็จะคิดได้ว่าเอ้ยพระอาจารย์เคยบอกไว้ว่าวาลาตั้งเนี่ยไม่ต้องคิดไม่ต้องคิดก็เลยหยุดคิดก็เลยเออแต่กลายเป็นลืมตาแล้วออกจากสมาธิแทนนะคะแล้วก็มาคิดออกจากสมาธิแล้วก็เริ่มคิดใหม่แต่ว่าการที่เราเห็นว่า ว่าผู้รู้กับผู้คิดเนี่ยมันคือคนละส่วนกันอย่างนี้มันเป็นเป็นประโยชน์ไหมคะมันจะว่าเป็นประโยชน์ก็เป็นประโยชน์นะมันเห็นจริงแล้วเราไปตรุแต่งว่าไม่ใช่คือเรามันจะเห็นก็ไม่สําคัญเห็นว่าเราคุมความคิดได้หรือเปล่าดีกว่าเพราะตัวคิดเนี่ยเป็นตัวสร้างความทุกข์ให้กับเราที่เราต้องการจะควบคุมให้ได้มันจะไปรู้ว่ามันเป็นคนละส่วนกันแล้วไม่เป็นคนละส่วนกันก็เท่านั้นแหละตอนนี้เราก็รู้กันอยู่ว่า ขันกับจิตเป็นตัวละคนละตัวกันตัวรู้กับตัวตัวขันตัวเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคนละตัวกันแต่มันมีประโยชน์นู้แบบนี้รู้ว่าหยุดความคิดได้หรือเปล่าไม่ให้มันคิดปุงแต่สงสร้างความทุกสร้างความอยากให้เราได้หรือเปล่าถ้าเกิดว่าเราขณะที่ออกจากสมาธิแล้วในชีวิตปกติเราเนี่ยพอเราเห็นว่ามันกำลังจะคิดอะไรแล้วเราหยุดตรงนั้นได้บถ้าเกิดว่าเราขณะที่ออกจากสมาธิแล้วในชิตปกติเราเนี่ยพอเราเห็นว่ามันกำลังจะคิดอะไรแล้วเราหยุดตรงนั้นได้แบบนี้เป็นประโยชน์ไหมคะ ก็เป็นประโยชน์ไม่ต้องการให้มันคิดให้มันรู้เฉยๆไปได้วยเห็นอะไรไก็รู้เฉยๆไปเห็นสามีก็รู้เฉยๆอย่าไปคิดอย่าไปปวดว่ า, าวส า, ม, ามีขี้เกียจสามมันไม่เมตตาหรืออะไรไม่ใหปุ่มแต่กให้รู้เฉยๆเขาเป็นยังไงก็เลื่าเขาเลย่ะต่ออีกนะข้อหนึ่งเวลาที่หนูสวดมนต์แล้วเนี่ยออปกติจะสวดมนต์ก่อนที่จะเข้าสมาธิใช่ไหมคะ เพื่อทําให้แบบจิตมันสงบมากขึ้นอ่ะพอดีว่าใช้ชีวิตในระหว่างวันบางทีมันไม่ค่อยสงบอะค่ะก็เลยจะอาศัยสวดมนต์ก่อนเข้าสมาธิพอเวลาสวดมนต์แล้วมันจะแบบมึนๆเหมือนกับมันอยากจะเข้าสมาธิเลยอเราควรจะสวดเสร็จก่อนก็หยุดสวดถ้ามันอยากจะเข้าสมาธิก็หยุดสวดแล้วมาดูลมต่อไปค่ะค่ะวันนี้มีเท่านี้ค่ะโอเคนะได้กรรวัฒนการคุณเอกจากเชียงรายเชิญ การนมัสการพระอาจารย์ครับทะไงมีอะไรไหมโอ้ผมสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ปฏิบัตินะครับอาจารย์ก็ปฏิบัติเหมือนเดิมครับก็มีเปลี่ยนสถานที่ปฏิบัติอยู่สองคืนก็ไปอยู่ที่ทีอ่อไปอยู่ที่มันห้องที่มันมืดตื่นมาก็แบบว่ามันมืดกมด็มืดสนิทเลยคนระับพระอาจารย์ก็ทําให้ได้สมาธิอยู่กับเวทนาได้จนครบแล้วก็ ฟังเทศต่อจนจนค๊บนะก็ปฏิบัติอยู่ทุกเช้าแล้วก็ช่วงเย็นนะครับอาจารย์สัปดาห์ที่ผ่านมา ก, ก็พบกับเออมันมันสุขมากเพิ่ม น, นะครับอาจารย์สุขสง บ, บเย็นนะฮะ <c oughs> เพราะถ้ามันเลยเออเลยไอเห็นนะฮถ้ามันเลยปิติไปเลยปิติไปมันก็จะสุกสง บ, บเย็นเพิ่มขึ้นนะครับอาจารย์ ก็ดีก็ดีปฏิบัติเพื่อให้มันสุกนะให้มันเย็นอย่าไม่ให้มันร้อนไม่ให้มันทุกครับผมก็บางบางคืนก็มันเย็นจนกระทั่งแบบว่าออกสมาธิมาหมุนก็ว่าเอ๊ะหลับไปหรือเปล่าเนี้ยถ้าทบทวนไปมันก็ไม่ได้หลับก็อยู่กับพูดโทรพตลอดนะครับแต่มันเย็นมากครับพระจานทร์มันสุกมากนะก็ดีก็อยู่ตรงนะครับพยายามรักษาไปเรื่อยๆอย่าให้ร้อนอย่าให้ใจร้อนอย่าให้ใจชอบกับอะไร ครับผมโอเคน้คระผู้มีพระเจของคุณครับอาจารย์ครับนานานเชิญนานาพนรูปชายที่แปลภาษาจีนนะอ๋อไม่ใช่คนนี้ครับพอาเมะอารอันนี้คนนี้ทำงานแล้วครับวันนี้จบรู้สึกจะจบเที่ยวเดียวกับพระอาจารย์ดยมากครับจบวันจบพระอาจารย์จบวิสวะวิศยาเขาจบนาโนครับ พอดีเพิ่งกลับมาพอดีเลยวันก่อนใจบาดไม่ไม่มีเวลาได้ทักทายมากแะครับเพียงก็พอพอฟังพัดฟังจบก็ตัดสินใจว่าเช้านั้นไปเลยครับก็ดีสักก็ออกไปกันก็นอนไม่กี่ชั่วโมงนะผมจะได้นอนก็ห้าเกือบหกทุ่มนะห้าทุ่ว่ครับครอาจารย์แต่ว่าถ้าเกิดได้ทําสมาธิมันจะความม่วงมันจะลดลงอ่ะเจ้าค่ะ อย่าวนึงมันอยู่ที่อยู่ที่มีมีความตั้งใจอยากจะทําอะไรด้วยมันก็เลยทำไว้ไม่ไม่วอกแล้วค่ะครับดีค่ะมีอะไรไหมวันนี้ไม่มีครับวันนี้ไม่อยากให้เข้าจรย์คุยนานอยากให้พักผ่อนเอาไม่เป็นไรจ้ะก็ตอนนี้ก็พักผ่อนอยคุยก็ไม่ได้คุยอะไรมากทั่วไก็ฟังญาติโยมพูดแล้วก็อาจจะตอบอะไรไปเหมาสมควรแล้ค่ะ ไม่เป็นไรถามได้ถ้าอยากจะถามอะไรเดี๋ยวรอบอบเดี๋ยวรอรอบต่อไปแล้วกันเจ้าค่ะโอเคเับคะ็นที่คุณรุณดาจากสัตหีบชนบุรีค่ะแล้มาักการเจ้าค่ะไม่มีอะไรเจ้าค่ะโอเคก็ปฏิบัติเหมือนเดิมเหมือนเดิมค่ะสงบดีมีเย็นใจสบายค่ะพระอาจารย์แล้วก็มัน มันจะมีเหมือนเหมือนเวลามันจะเกิดมันจะกระเพื่อมอย่างเงี้ยก็มันจะรู้ทำก่อนแล้วมันก็หายกระเพื่อมใช่ค่ะแล้วตอนเมื่อก่อนว่าน่าจะตาตาพุทโธพุทโธใช่ไหมคะแต่รู้สึกเดี๋ยวเนี้ยพอเหมือนมันจะกระเพื่อมมันเราไปรู้ปุ๊บมันมันเหมือนมันไม่ไม่ได้พุโธแต่ว่ามันเป็นอยู่ตรงที่ที่ที่ที่นึ่งการมีสติแล้วก็ไม่ทําพุโธ รู้ทางจิตพอจิตจนเกินอพอจิตจะเกินแล้วก็หยุดมันได้เหมือนเราหนูก็อธิบายไม่ถูกมันหยุดเลยแล้วก็มมแล้วก็ดูสักพักมันขี้มากพอมามันจะขยับแป๊บแล้วก็หยุดมันได้ค่ะแล้วก็ดูไปสักพักว่าแน่แน่แน่หรือเปล่าอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยค่ะอาจารย์แล้วก็ก็ในชีวิตจําวันก็เลยสบายดีค่ะสํามการตอนที่มันโล่งแล้วตอนที่มันโกรธมันหยุดมันได้เปะ โลมกับกวนเนี่ยยังหนูว่าหนูยังไม่ไม่ท้ออ่ะโกรธอะได้ได้มากเลยค่ะแต่โลมเนี่ยโลมเนี่ยคิดว่ายังอยากอยากกินอะไรบ้างอยู่ ต, ต้องใช้ปัญญาสกัดมันอยากกินรหู้ว่าหนูจะกวนแบบพี่แต่หนูยังแต่ยังไม่เคยทําค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวลองวันไหนอลองดูสักวั น, นแล้วก็โชคดีอย่างหนึ่งอยู่ๆก็แบบได้ ได้เพิ่มอีกข้อหนึ่งคือเหมือนแบบไม่ได้ไม่ได้ไ ม, ไดมือเย็นนะคะ่ะอย <Y U S 1> ู่อยู่แฟนก็เขาไม่เขาไม่กินหลังบ่ายสามเอี่ยเด้วยเขาเข า, เข า, เขาน่าจะหมอบอกว่าให้ให้ลดน้าหนักก็เลยเขาก็เลยอ่ะไม่กินหลังบ่ายสามหนูก็เลยพอหนูจบมื้อเที่ยงหนูก็จบแล้วแต่เขาคือถึงบ่ายสามอะไรอย่างเงี้ยเราให้กําลังใจเขาด้วยเราทำเป็นตัวอย่างหนูทํำไปด้วยเลยหนูเลยถือโอกาส เขาก็จะได้เขาก็จะได้ลดตำหนังเพราะตัวเขาอ้วนพอสมควรนะใช cuerpo, uffle, ans, 2, loading, an, awake, ่ค่ะเขาก็ได้ลดลดลงแล้วค่ะได้ประมาณสองสามโเออียช่วยเขาบ้ังพี่เราอดทั้งวันเลยทั้งวันสะนดกดีเขาเห็นว่าอดอยู่เดี๋ยววันไหนลองถามดูเอาสั้งวันยี่สี่ชั่วโมงเอ่อต่อไปก็สี่สิแปดชั่วโมงเราเพิ่มไปได้เลยชาลินจ์ท่าทาย มัอนวิ่งวิ่ม้นวิ่งกิโลอนแล้วสองโลมั้ยสามโล้เพราะตอนนี้เขาเขากินได้ตั้งแต่เจ็ดโมงถึงบ่ายสาอนอกนั้นเขาคือดื่มน้ำเปล่าใช่ค่ะค่ะอาจารย์โอเค ต, นนตามไปก็บหมพี่อยามือเดียวดีไหมตามตามไปเร า, เามือเดียวเดี๋ยวค่อยค่ค่ะขอให้พระอาจารย์สุขภาพแข็งแรงนะคะสาธุอจาร ค่ะค่ะคับคุณออดี้อา่าจากนะเกลปัทยาชมวยสมาชการค่ะพระอาจารย์ก็เข้ามาฟังทำค่ะจะได้ไม่ขาดหายแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้วันพาร์เดี๋ยวหนูไปใส่บาตรพระอาจารย์ข่ะววันนี้ไม่มีคำถามไใไดๆค่ะโอเคยัไปที่คุณสอนดวงสอนดอยเป็นภาษาแล้วเพลงทักสอนอีกแล้ว <laughs> จากสวรรณเต อนสุวรรณภูมิได้อยู่ติดกับจังหวัดอะไรของไทยนะอ๋อมุกดาหารครับมุกดาหารนะอยูออ่กใกล้สะพา น, านเขาเรียออกลาวใต้ใช่ไหมลาวใต้อือไม่ในใต้เหมือนกันค่อะอาจรฮะไม่ใช่ลาวใต้อยู่อยู่แถวอยู่กลางเลยแถากรารอ่ามีอะไรไหมเสียค่อยไปไม่มีไม่มีอะไรค่ะอาจารย์มาร่วมรับฟังค่ะโอเค อันยังก็ไปต่อเลยนะคุณอ้อมคุณอ้อมจะบอกเวบอรเวนนักาขอพระอาจารย์มีอะไรไหมมีความสงสัยคะ่ะว่าใส่ว่าตอนที่เราทำบุญแล้วเราอุทิศบุญ คนให้คนที่ร่วงรับไปแล้วอะคะ่ะเวลาเขาได้รับเขาจะได้เป็นภาพมโนภาพเหมือนกับตอนที่เหมือนเราดวงจิตเราเป็นแบบนั้นไหมคะ่ะคือเ้าเป็นมโนภาพคือเขาก็เป็นดวงวิญญาณเวลาเราไปเห็นเขาเนี่ยเราก็จะเห็นเขาเป็นในมโนภาพเราค่ะ ก็คือเขาได้รับก็จะเป็นมโนภาพที่เราดึงให้เข า, เาบันที่เราไม่รู้แหละว่าเขาได้รับหรือไม่ได้รับถ้าเขาไม่มาบอกเราโดยตรง อ, อย่งั้นก็คือความเป็นจริงเนี่ยเรายังไม่รู้เลยว่าเขามารอรับหรือเปล<า>่าแต่เราถือเป็นทํามเนียมนะทำบุญก็ก็ืมีทําบุญแล้วอุทิศบุญได้ก็อุทิศไปส่วนเขาจะมารอรับหรือไม่รับเราก็ไม่รู้ ความจริงตามเดิมทีเนี่ยมันต้องรอให้เขามาขอบุญก่อนเอ่มเยมาเข้าฝันมาขอโอ้ตอนนี้เดือดร้อนอย่าให้ช่วยเหลือส่งบุญไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ค่อยส่งไปให้เขาอืแล้วคืนต่อมาก็จะเข้ามาฝันว่าเออได้รับบุญแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าปกติแล้วถ้าเราทําบุญแล้วเราอทิ้งไปบางทีเขาไม่ได้มารอรับบุญบางทีก็เป็นเทวดาก็เป็นเศรษฐีบุญเขาก็ไม่มาขอบุญ เขาก็ไปเสกบุินของเขาไปนั้นก็ทําไปไม่ต้องไป ก, ไกังวลเขารับหรือไม่รับอย่างนั้นเรามีหน้าที่อุทีตท่ตัวที่ไปแบกให้เขาไปถ้าเขารับได้ก็ดีหรือจะอุทิศแบบแบบรวมๆมนคืออุทิศให้คนนี้ถ้าคนนี้ไม่รับก็ให้คนนั้นคนนั้นไม่รับก็ให้สับประสาทอะไรไปใครต้องการก็มารับไปก็ได้อย่างนี้จะได้มีความมั่นใจว่าอย่างนั้นต้องมีใครทักคน มีด ว, วิญญาณทั้งดวงที่จะได้รับของที่เราอุทิศไปค่ะจิงเพราะมีวิญญาณเยอะที่ไม่มีญาติพี่น้องที่เดี๋ยวแลที่จะอุทิศบุญให้เขาค่ะแล้วก็ทําแทนญาติพี่น้องเข้าไปก็ได้ตอนต้นเรก็เราเลืกถึงคนที่เราอยากจะให้ก่อนถ้าเขาไม่รับก็ให้คนหนึ่งไปใครก็ได้ค่ะแล้วก็จบไม่ต้องไปกังวล คือไม่ได้กังวลค่ะพระอาจารย์แค่สงสัยว่าเขาไับบุญในภาพเหมือนอยรู้ได้ยังต้องออเข้าอุปจารสมาธิต้องติดตยามกนวิญญาณได้นะคะค่ะแม่จ๊ะไปอ่านหนังสือประวัติของคุณแม่ชีแก้วนะคุณ แ, แม่ชีแก้วนี่เก่งทนได้พุ่งดวงวิญญาณมีดวงวิญญาณของทั้งสัตว์ทั้งคนมามามาสนทนากับเธอขณะที่ได้อยู่ในสมาธิค่ะ อันนี้นะ่ะต้องจะได้รู้จริงๆต้องแต่แต่อยา่าไปสนใจมากเพราะมันไม่มันไม่ใช่เป็นทางสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์อันนี้มันเป็นค็ว่าความสามารถพิเศษที่คนใดคนหนึ่งได้สร้างบา ร, รมีมาในอดีตแล้วก็สามารถเข้าถึงได้ถ้าเราเข้าไม่ถึงก็มไม่ต้องไปกังวลให้รู้ดววโดยคร่าวๆว่าเออมีดวงวิญญาณ ถ้าเราที่บุดไปถ้าเรับได้ก็ดีเขาไม่รับก็แล้วไปนะเราต้องการที่จะปฏิบัติเพื่อให้หลุดพ้นจากความทุกข์มากกว่าที่จะไปยุ่งกับเรื่องดวงวิญญาณนะคะค่ะพระอาจารย์เข้าใจนะค่ะเข้าใจค่ะพ้าอาจารย์มีอีกคําถามหนึ่งค่ะเ อ, อปกติถ้าเป็นวันธรรมดาพระอาจารย์บินทบาทแล้วกลับมาวัดยานประมาณกี่โมงหรอคะ คือมันมันน่าแต่หน้าเยเพราะว่าเราการบินตำบัดของพาสที่ไปตามตะวันคือตามเวลาของพาสที่เิ่ขึ้นช่วงนี้เป็นช่วงที่เช้าที่สุดเพราะว่าพาสิ่ขึ้นเร็วนะเนี่ยมาตอนนี้ไปเริ่มบินตำบัดก็ประมาณหกห้าตีห้าสี่สิบคอนเทนตบ้านอำเภออืแล้วก็ใช้เวลาประมาณสี่สิบห้านาทีแล้วชั่วโมงแล้วแต่วันเี้ ถ้าวันค so ันนาคนเยอะวันเสาร์ท so ี่วันพระในีรก็ช้าโมงหอชั่วโมงกว่าก็ประมาณเจ็ดมงอย่างเงี้ยใช่คะอ่าประมาณเจ็โมงก็เสร็จการมาถึงที่วัก็ประมาณเจ็ดโมงึก่อจะกมาถึงที่วัดก็เจ็ดมงครึ่นก็ก่อจะเริ่มฉันก็ประมาณแปดโมงคึ่นจากเจ็ดมงคึ่งถึงแปดโมงคึ่งก็ไปเชื่อที่ญาติโยมที่ตามาที่สาราก็มาใส่บาตรมาถวายอาหารต่อ อืก็คือเจ็ดมงไปถวายอาหารที่ศาลาได้ได้วันธรรมดาถ้าวันเสาร์ที่นี่เราขอพักถ้าไปเปีกิเวกคนเดียวไปฌานนเดียวพักผ่อนหนะน้าค่ะอ่านอ่านนหนังสือพระอาจารย์เดี๋ยวค่ะในวันเสาร์ อ, อ, อ <laughs> าทิตย์วั น, นี้จะไม่อยู่ที่ศาลาแล้วก็ห้ามตามไปที่บุเตค่ะเพราะว่าเดี๋ยวก็ไปวุ่นวายกันที่ทําเทือบุเตค่ะ น้องกายเขอขอขาปิดด้วยขอพักผ่อนค่ะเข้าใจนะถ้าอยากจะเจอที่วัดก็ต้องเจอที่สาลาตอนเช้า <c oughs> ถ้าต่อไปถ้ามีเทศก็จเจอตอนบ่ายได้ช่วงที่มีเทศทวันเสาร์ทิศตะวันพระแต่ช่วงนี้ยังไม่มียังไม่มีเพราะว่ายังยังระบาดอยูอย่แต่รู้สึกว่าจะเริ่มผ่อนคลายแนละ้วอาจจะไม่มไม่นานเพระตอนนี้พระในวัดทุกองก็ได้ฉีดวัคซีนแล้ววันนี้ อพอดี ว, วันศุกร์หยุดก็เลยว่าจะเข้าไปที่หอฉันแต่ไม่ทราบเวลาก็เลยสอบถามอาจารย์ีคงไม่นานถ้าทาวัดเขาเปิดให้ญาติโยมมาอยู่วัดปฏิบัติทําได้ก็เลิ่เปิดให้มาบงเทศญบำธรรมกันได้ก็ค ง, งไม่นานนะเพราะว่าถ้าได้ฉีดวัคซนีนแล้วปัจจุบัก็เ่มมีภูมิปกคุ้มกันนะอาจจะเปิดได้ต่อไป แล้วถ้าอาจจะให้คนที่ฉีดวัคซีนมาอยู่ก่อนก็ได้คนที่ยังไม่ฉีดวัคซีนก็รอไปก่อนค่ะได้ให้เขามีเหตุผลว่าทําไมคนจะฉีดวัคซีนค่ะค่ะอาจารย์เดี๋ยววันศุกร์ไปที่หอฉันครับอาจารย์ถูกค่ะขอประผิดคุณคุณสุภัตตาสุภัตนาสุภัตนา บอวินเหมือนกันเป็นยังไรไมีอะไรมั้ยวันนี้ ก, การราชการอาจารย์นะคะไม่มีเสียงเลยคาะวันนี้ใช้แบบไร้สายจะยืนชัดเจนดีใช่ค่ะพอดีว่าวันนี้ก็จะมาเหมือนกับมารับคำมาจากอาจารย์แล้วก็มาตั้งใจในการปฏิบัติมากขึ้นก็ค่ะหยุดอยากมากขึ้นแล้วก็ ตั้งตั้งสติได้มากขึ้น ม, มีสติได้มากขึ้นก็ค่ะพอาจารย์ตอนนี้ก็นั่งสมาธิได้นานขึ้นโดยที่ไม่หลับจ้ะค่ะก็ก็พยายามที่จะทําสมาธิเพิ่มขึ้นตัวหนึ่งตอนนี้ก็มีหยุดหยาตั้งสติมีสติแล้วก็นั่งสมาธินะคะพอาจารย์ดีนะคะก็ถ้าถ้าถ้าไม่ยากหยุดก็พิจารณาด้วยปัญญาว่าแม้มันมันมันไม่เที่ยม สิ่งที่เราอยากก็ไม่เที่ยงมันเป็นน้าตาใช้อะไรทําอะไรก็ตามความจําเป็นค่ะตอนนี้ใช่เรยกวสันโดดยินดีตามมีตามเกิดมากน้อยใช้เท่าที่อย่าเป็นค่ต้องพยายามทำสมาธิให้มากมาค่ะเพราะได้ใช่เพราะทำสมาธิแล้วใจใจมันจะอิ่มด้วยใจสงบมากเท่าไหร่มันจะมันจะหิวน้อยลงไปมันจะโลภน้อยลงไป ตอนนี้ก็เหลือแค่สองมื้อมากที่สุดก็ค่ะต่อไปก็ทำมื้อเดียวต่อไปก็ลองกินวันเว้นวันดูก็ได้ลอเกินวันเป็นวันดูไหมสนุกดีนะก่อนไปวัดนี่ถ้าเผื่อว่าไม่ได้ไม่ได้ทานไม่ได้ทานข้าปบางกวาวันรู้สึกว่าจะตอนเดินไปอยู่ไม่ได้แต่พอเริ่มเริ่มเริ่มมาภาคหลังนี้ขันไม่ขันไม่ทันเพื่อนี้ยค่ะก็มื้อเดียวค่ะ เดี๋ยวเข้เขาเขาพวกนี้ฝึกได้แล้วต่อไปมันจะทําให้เราควบคุมความอยากได้ก็ค่ะตอนนี้ก็รู้สึกว่าเหมือนกับจะทานข้าวก็ไม่หิวค่ะทําไม่หิวก็ไม่ค่อยไม่ค่อยทานเห็นเห็นพรายแต่ผมว่าไม่ทานข้าวก็ดีได้แคเลยลองลองดูว่างไมนะครับได้หรอกวันสองวันพระพุทธเจ้าอดต้งสี่สิบเก้าวันไม่ได้ก็ค่ะก็ลองลองทำดูก็ทะคห้ โอเคนะถามพะอาจารย์จะฟังจะให้กำลังใจสู้ต่อไปความเพียนอยู่ที่ไหนความความชนะอยู่ที่นันความสำเร็จอยู่ที่นันนะความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นันนะคะก็เรียนตามพระอาจารย์พระศาษีภาษีเชิญคุณสุนิศร์ต่อไม่ได้ยินเสียงจ้า ได้ยินอย่างเช่ น, นเราจากนมาัการเจ้าค่ะว่ามามีอะไรไหมคือหนอูนั่งสมาธิมีแบบเหมือนสะดุง้งแบบมีอะไรกระทุง้งมันเป็นเพราะสาเหตุอะไรเจ้าค่ะไม่ต้องไปรู้สาเหตุอะไรมันมาให้รู้เฉยๆมันเหมือนกับสะดุดกันแล้วกันมันก็ะขับริ่มไปแล้วไปสะดุด ตกลุมแล้วมันก็ผ่านไปไม่แรง<ำ>ด้วยนะพระอาจารย์มันจะแรงจะค่อยก็มันเกิดขึ้นมันก็ดับไปแล้วก็อย่าไปอยาป่อยาไปสนใจใหวนตอนแรกตอนแรกห<ป> น, นูว่าจะทำต่อไหมหนูก็เลยเทำทา<ำ><ะ>ไปเรื่อยๆอย่างนี้เรียกว่าเสียหลังล้วต้องทำต่อไปไ ม, มันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นจ้าหนูก็ทำทาไปทำมาทีนี้ก็ มันก็หายไปตอนแรกหนูก็กลัวเหมือนกันว่าเอ๊ะมันทําไมเป็นอย่างนี้มันมันไอสะดุ้งอย่างแรงเลยหนูก็มันจะมีระเบิดปรากฏขึ้นมาในใจก็ไม่ต้องไปกลัวมันเกิดขึ้นมันก็ผ่านไปตอนนี้ไม่กลัวแล้วค่ะก็เลยอยากจะถามมันทําลายเราไม่ได้ไม่มีอะไรทําลายใจของเราได้นอกจากความกลัวของเราเองนะตอนแรกก็กลัวแต่ทีนี้หนูก็เลยสู้ว่าเอ คงไม่เป็นไรทีนี้หนูก็ทำทาทาเรื่อยๆทำทุกวันแต่ก็บางทีก็มีตกบ่อลุมบั่งหนูก็รู้ดึงตัวเองขึ้นมาพูดโทรเรื่อยๆอามาหลังๆนี้ก็เริ่มเบาเรยดีให้รู้เฉยๆไปใจจะเบาจะเย็นจะสบายอะไรเกิดมาก็เกิดปักกระดับไปพัแล้วไม่ต้องไปยืมขเขา ทำไปเรื่อยให้ใจนิ่งให้ใจปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างที่ใจมาสัมผัสรับรู้แล้วก็จะสบายใจนะได้ยินไหมในเสียงขัดขาด ห, หายๆตอนนี้ไม่มาเสียงจอฟรีสนะฮะงั้นไปที่ท่านต่อไปก่อนนะคุณทวิษาจากสวิสแลด์ได้ยินไหมเชิญ มีมัสการพระอาจารย์ออค่ะรู้ว่าเออจะคิดไปโน่นก็ดึงตัวเองกับทางถูกทางไหมคะ <Okay. S 2> ทา<ำ>ทําถูกฟังไม่ได้ยินเสียงเลยตอนนี้หายไปแล้วอคุณทวิสาค่ะค่ะกับนมัสการพระอาจารย์ค่ะได้ยินไหมคะได้ยินชัดเจนเชิงค่ะไม่มีคําถามค่ะพระอาจารย์วันนี้เห็นพระอาจารย์ในเฟซบุ๊กไปฉีดวัคซีนกับ ขออาราธนาพระอาจารย์สุขภาพแข็งแรงนะคะถือลมโหดลมใสให้ลูกลูกศิษย์ลูกค้าไปนานๆนะเจ้าค่ะรับชายลูกศิษย์ลูกค้าไปนานๆลูกศิษย์ยังยังมืดมนมันตการอยู่ไม่ม่เห็นกัดตัวมากเกินไปเลย อาจารย์อยู่เลยนะอาจรย์เอาตามเอาตามท่าขันกับพระอาจารย์แต่แต่ที่ผ่านมาก็ได้ได้ได้ตระหนักถึงเลยค่ะพระอาจารย์ว่าเมื่อเวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างเงี้ยว่าเราเราไม่สามารถทําอะไรได้เราต้องใช้ร่างกายนี้ให้ให้มีประโยชน์กับในทางทำมากที่สุดอันนี้ได้ข้อตรงนี้เลยค่ะพระอาจารย์ในในช่วงนี้อะค่ะพระอาจารย์ที่ผ่านมาตั้งแต่หลังฉีดวัคซีนค่ะ อ่าเดี๋ยได้ฉีดก็สองเข็มแล้วใช่ไหมไม่ ย, ยังค่ะพระอาจารย์คือเข็มสองวันที่แปดแต่สรุปแล้วคือว่าโยมแพ้วัคซีนค่ะเข็มสองไม่ได้ฉีก็แค่เข็มเดียวสรุปค่ ะ, ค ะ, คะต้องต้องต้องรอรอหรือว่าให้พัฒนามากกว่านี้เพราะควิจัยออกมาแล้วคือว่านี่คืออาการของการแพร้วัคซีนของยมยมก็เลยว่าโอ้รู้ละถ้าเกิดร่างกายยมต้องต้องทํายังไงบ้างแล้วก็ยมจะหาเวลาไปปีกวิเวก มากขึ้นแล้วเพราะว่าหาเวลาสักหนึ่งอาทิตย์จะที่ไหนสักแห่งเวลาช่วงซัมเมอร์เนี้ยค่ะพระจะดีถ้ามีมีที่ไหเป็นเป็นวัดที่เป็นวัดปฏิบัติได้เข้าไปก็ดีค่ะพระอาจารย์ก็เลยเห็นเห็นคุ้มค่าตรงนี้เหมือนตาหนักเห็นว่าอืมเราเราไม่น่าจะคือมันไม่รู้ว่าจะมาเมื่อไหร่อะไรเงี้ยเราต้องเวลาที่เหลืออยู่การทํางานยมก็จะลดลงมากขึ้น ให้มากกว่าเดิมอาจจะเปิดแค่ครึ่งวันแล้วครับพระอาจารย์ อ, อ ค, คือลดลงไปเรืเออ่อยๆเพราะเรารู้สึกตระหนักถึงถึงตรงนี้มากขึ้นเลยครับพระอาจารย์ใช่คำคำสั่งกระสอนของพระพุทธเจ้าขั้นสุดท้ายที่เนคปัจฉิมว่าท่านบอกให้เราพิจารณาว่าสังขารร่างกายไม่เป็นของที่ยังแย่แน่นอนเกิดนะขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปนะจงจงยังประโยชน์ของตนหน้าของผู้ได้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาท รีบทำซิ <c'> est, รีบปฏิบัติทำซิเริ่มต้นมาทําบ้อตัวเราก่อนมาทําตัวเราเสร็จแล้วก็ไปช่วยคนอื่นต่อค่ะพระอาจารย์ก็เลยว่าอืมเพราะว่าเราต้องฝึกปฏิบัติมากขึ้นเพราะว่าเรายัางเรายัางในอยู่ในขั้นเริ่มต้นอยู่รุ่มรุกงพุ่มัมนเราต้องหาเวลามากขึ้นอะ่ะอาจารย์คืออยู่บ้านมันก็มันก็เงียบแต่มันก็ยังแบบมันไม่มีเว่คะ่ะพระอาจารย์ก็ยังนู่นนี่อยู่ใช่เราอยูคนเดียวไม่ต้องยิ้มเดี่ยวใครเล ค่ะ<ช>ก็เลยว่า ส, สติได้เค่ะพระอาจารย์ก็เลยคิดว่าถ้าวัดยังไม่เปิดก็ตอนนี้วัดที่ที่ทําที่วัดป่าของหลวงพ่อชายก็ยังไม่เปิดให้ให้เข้าไปไปปฏิบัติธรรมได้นะ ค, ะค่ะก็เลยว่าเดี๋ยวถ้าไม่เปิดเราก็อาจจะหาสถานที่ที่ไหนสักแห่งหนึ่งราสามารถอยู่คนเดียวได้ก็เลยคิดว่าอย่างนั้นซัมเมอร์นี้ค่ะพระอลองดูลองดูค่ะ วันนี้ไม่มีค่ะค่ะป้าจารย์ค่ะกับขอบคุณคุณป้าจางค่ะนะครับถูกใจคุณปวาริษาใช่คุณปวาริษาอยู่ที่ไหนแบบนักมาตการเจ้าขาเสียงค่อยไปหน่อยเสียงดังหน่อยได้ไค่ะสําหรักมาตการเจ้า่าอยู่ที่บางบัวทองเงินทัพเรีค่ะค่ะเก็เคยมีโอกาสไปบนเขาแล้วก็ที่วัดญาไหลครั้งด้วยกันนะคะค่ะก็ดี ที่ผ่านมาก็ได้ปฏิบัติมาเรื่อยๆบ้างนะคะก็มีความเย็นใจมีอะไรดีแต่พอมาเจอข้อตอบอะค่ะก็มีความรู้สึกว่าไปไม่เป็นเหมือนกันหรือเจอต้องดูแลคุณพ่อค่ะ mm hmm. ตอนนี้เนี่ยคุณพ่ออายุ86แล้วค่ะก็ mm hmm. เริ่มที่จะแบบเข้าโรงพยาบาลหลายครั้งแล้วก็คุณหมอคุณหมอแนะนําว่าจะต้องปฏิบัติตัวแบบนี้แต่ท่านก็ทําทําตรงกัข้ามแล้ว mm hmm. ลูกแบบเป็นคนดูแล mm hmm. ก็เลยมีความรู้สึกว่ามันขัดขัดขัดแบบ ความเป็นจริงของคุณพ่อค่ะคือความอยากของเราให้แก่ไยดีแต่แก่ก็ปฏิบัติเหมือนเดิมมันก็มีความสึกว่าเอ๊ะเราจะวางใจยังไงก็ค่ะเราก็คิดถึงถ้าเราเป็นคุณพ่อว่าเป็นยังไงเราก็ <c oughs> ไม่อยากจะทําในสิ่งที่เราไม่อยากจะทำด <c oughs> ้วยมัะเราก็อยากจะทําในสิ่งที่เราอยากจะทำให <c oughs> ้เป็นร่างกายของคุณพ่อ <c oughs> ก็คุณพ่ออยากจะทําอะไรกับร่างกายของท่านก็นแล้วแต่ท่านไปนะครับอัน <c oughs> นี้สุดก็ต้องตายเหมือนกันนะตายช้าตายเร็วแต่ให้ท่านอยู่แบบมีความสุขดีกว่า ดีกว่าให้ท่านอยู่แล้วต้องทําในสิ่งที่ท่านไม่มีความสุขโ <Okay. S 1> อเคเจ้าค่ะจะได้จะได้วางใจได้วางใจได้อย่าไป <c oughs> อย่าไปบังคับใจกันเลยปล่อยไปตามอัจฉริยาศัยกันแล้วท่านอยากจะทําอะไรก็ทำนะท่านอยากยจะสู่บุเรก็ปล่อยท่านสู่ไปท่านอยากจะทําอะไรที่หมอห้ามแต่ท่านมันเรื่องยากเข้าใจไหมมันต <c oughs> ้องเข้าใจคนเคยทําอะไรแล้วดีๆมาให้เริ่มมันไม่ใช่เป็นของง่ายเจ้าค่ะ อย่าไปบังคับใจกันอย่าแล้วเดี๋ยวอยู่ด้วยกันก็จะทะเลาะกันเกียดกันนี<ะ>่ตาใจฮ่ะตาใจอยู่ด้วยกันไม่นานก็ต้องจากกันอยู่แล้วชไม่ต้องมาอยู่กันแบบมีมีเรื่องมีราวกันใช่ไหมตาม<ะ>ใจท่านมีท่านนี้เลยอนี่ค่ะมาจาก คุณคุณยุราพรใช่คุณยุราพรทั้ทงแรกใช่ไหมเนี่ยมาเสรการมาตการพระอาจารย์ค่ะเป็นครั้งแรกที่ได้เข้ามาค่ะมาจากที่ไหนอยู่กรุงเท พ, เทพค่ะกรุงเทพมีอะไรไหมมีค่ะอาจารย์คือว่าตอนเนี้ค่หนกกูกาลังเรียน in, ปริญญาเอกอยู่นะคะก็เรียนปริญญาเอกอีกเจอทีิจุฬาเนี่ยค่ะแล้วแบบเหมือนปกติหนูก็ปฏิบัติภาวนาอยู่แต่พอมันหนูเจอปัญห า, าค่ะเพราะว่ามันตอนคือที่หนูเรียนอยู่อะ หนูจะเป็นคนที่ค่อนคาดหวังกับการเรียนนะคะว่าเกศเรี่ยนเนี้ยเออจะต้องได้ได้อะไรประมาณเนี้ยค่ะแล้วเหมือนแม้ว่าเทอมที่ผ่านเหมือนเมื่อสามวันที่ผ่านมาเนี้ยค่ะก็แบบรู้เกศก็มีวิชาหนึ่งที่แบบหนูรู้ส่วนหนูตั้งใจมากแต่แบบเราก็แบบได้ไม่ไม่เหมือนที่หวังไว้ะค่ะก็เลยแบบรู้ึกว่าเป็นทุกแล้วแบบพยายามไปนั่งภาวนานั่งปฏิบัตินั่งสมาี่จะแบบเหมือนใจมันมันไม่สงบมันเราจะแบบคิดวกไปวนมาทําไมเราเราทําไม่ได้ทําไมแล้วแบบ เราจะปล่อยวางมันมันไปได้ยังไงอะคะ่ะอาจารย์เพราะว่าใจมันไ ม, ไม่ไม่นิ่งเลยอะค่ะช่วงนี้เก็คือว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่อยู่ในวิสัยเราไปควบคุมบังคับได้นะที่ว่ามันเหมือนกับดินฟ้ า, า <S <S อากาศเราไปควบคุมให้ฝนตกแดดออกไม่ได้ยังเราไปควบคุมคนที่เขาตรวจให้คะแนนเราไม่ได้เร า, าจจะได้คะแนนสูงกว่าแต่เขาอาจจะสัดโดยที่เขาไม่ชอบที่หน้าเราก็ได้สมมุติเราก็ไม่รู้ใช่ไหม ดน้นเราอย่าไปกังวลการเรื่องคะแนนมากจนเกินไปเลยขอให้เราผ่านก็พอขอให้เราเข้าใจวิชาที่เราเรียนก็พอเราต้องการความรู้เราไม่ต้องการสถิติตัวเลขว่าเราสอบได้ใใเท่าไหร่อย่งแล้วเราไม่ได้ไม่มากังนวลแต่ได้ตัวเลข ไ, ได้ตัวเลขที่ดีก็ดีแต่บางทีมัน ไ, ไ, ไ, ไ, ไม่อยู่ในวิสัยของเราที่เราจะไปควบคุมบังคับมันได้เออ้ สิ่งที่เราทําได้ก็คือพยายามเรียนเรียนให้มากที่สุดทําให้มากที่สุดเท่าที่เราจะทําได้แต่เราควรจะทําเพื่อความรู้มากกบ่เพื่อที่จะได้เก่งเอ<ม>เกดบอะไรอย B, ่างนี้แจะทําให้เราอผิดหวังได้ใช่ค่ะเพอหวังแล้วไม่ได้เรี่อหนูคือเป็นผู้ปกตินหนูจะแบบได้มาตลอดนะคะอาจารย์หนูจะจบแบ บ, บ<ฮ>เกียรตินิยมอันดับหนึ่งมาแล้วแ บ, บพอมาครั้งเนี้ยค่ะมันเราเรื่องเราเต็มที่แล้วแต่เราก็ทํามันไม่ได้อย่างนี้ยค่ะอาจารย์ ใช่ก็การที่ได้ได้เกียร์นิยมมาแล้วเนี่ยมันมันมันเป็ น, น, นตัวบังคับแล้วว่าเราจะต้องได้ต่อไปเรื่อยๆนั้นเราต้องพิจารณาว่ามันเป็นอนิจจ์ไม่เที่ยงไม่แน่นอนอันนั้นตาเราไปสั่งมันไม่ได้จะต้องให้ได้เกียร์นิยมไปตลอดขอให้ไม่ตกก็พอเปลี่ยเป้าหมายหน่อยจะได้สบายใจขึ้นแล้วเมืเป็นตั้งเป้าที่ทําให้เราเครียดพเมื่อไปตั้งเป้าที่ทําให้เราไม่เครียดขอให้ไม่ตกก็พอแล้วได้เกียร์ทลายก็ไม่เป็นไรขอให้ผ่านก็แล้วกัน อืค่ะก็จะได้สบายใจขึ้นเพราะต่อไปเวลาไปทํางานไปทําอะไรเขาก็จะมาถามว่าได้เกรเท่าไหร่ครับก็ถามว่าได้ดอกเตอร์เโอเคจดรูดาได้ด็อกเตอร์กพอนะใช่ไหมค่ะค่ะอาจารย์ค่ะกขอบคุณค่ะแล้วเหมือนนั่งสมาธิค่ะแบบมันปกติหนูจะนั่งได้เป็นสองชั่วโมงสามชั่วโมงแต่มันครั้งเนี้่ค่ะมันเป็นกิเลสความขวางความอยากใช่ะหมนี้ก็ต้องตัดใจเปลี่ยนใจแล้วตามไปนี้อย่าไปหวัง ได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นพระเจ้าบอกว่าท่านใจสันโดษยินดีตามมีตามเกิดแต่เราก็ทําสุดสุดสุดกําลังของเราส่วนผลจะได้เท่าไหร่ก็เป็นเรื่องของผลไปเราไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับมันได้าาค่ะอาจารย์กลับกลับขระคุณค่ะหนูจะพยายามปล่อยวางมันให้เยอะขึ้นค่ะท่านทํานมาได้ไม่น่านก็นั่งสวดมนต์ไปก่อนให้คิดเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องคะแนนเรื่องอะไรนะต่าง พยายามม่ถ้าไม่มาอยู่กับบทสวดมนต์ไปเนีายพอลืมแล้ทีนี้ก็กลับมานั่งสมาธิต่อได้ค่ะอาจารย์ค่ะขอบพคุณค่ะสาธาุค่ัคยินดีจาก USA North Carolina yes. South Carolina อขอโทษทีค่ะเข้ามากท่าวาอาจารย์เฉยๆค่ะท่านอาจารย์ค่ะสบายดีนะ สบายดีค่ะเลวิดป่าฟามคิดถึงด้วยค่ะท่านอาจารย์ยินดีใช่ช่าวันหนึ่งคนจะได้คนจะได้เจอกันนะเพราะตอนนี้ก็นิ่งฉีดยา ก, กันแนละ้วเดี๋ยวต่อไปก็เปิดประเทศได้แนละ้วขอสาธุค่ะท่าอาจารย์ขอให้สุขภาพแข็งแรงะคะ่ะ <Okay. S 2> เป็นลมโพลลมไปนานๆเหมือน <laughs> อย่าขอ๋ <laughs> อยวขอ <laughs> ขอให้ทำงานขอให้อยู่แล้วทางานไม่เ่ะขอให้อยู่แล้วได้กินได้ได้ดื่มได้สบายดีกว่าเนี่ยเป็นเป็นล่มโพล้มใจให้ลูกแล้ว่็ให้ลูกหลานนานๆค่ะท่านอาจารย์โอเคขอบพระคุณมากค่ะท่านอยู่เท่าที่อยู่ได้น่ะไปบังคับมันไม่ได้น่ะร่างกายไปสั่งมันไม่ได้มันใ้้เราอยู่เท่าไหร่ก็อยู่ท่านั้นนะนะค่ะก็อยากจะเก็บท่านอาจารย์ไว้นานๆนะคะ โ <Okay. S 2> อาคละนะไรคุต่อไปคุณผัดพงษ์นะผักพงษ์ผักกระโรงผักกระโ ง, งครับนวัต ก, กรรมทนอาจารย์นะครับในเรื่องการปฏิบัติในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาก็นา่าจะยังไม่มีคำถามครับเพราะเนื่องจากว่ายังคงทำต่อเนื่องก็เป็นการผลักดึงผลักระหว่างสติซึ่งพยายามที่จะเอาอดึงพุโทโธมาให้ได้บ่อยที่สุดนะครับ ทีนี้มีข้อมีข้อคำถามอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับการปฏิบัติมีข้อสงสัยที่จะเรียนถาม น, นอาจารย์นะครับเชิญครับคือเรื่องของผลของกรรมครับที่คนไปประสบเช่นอุบัติเหตุที่เป็นอย่างเช่นกิ่งไม้ตกลงมาใส่สศรรีรษะหรือเสาไฟฟ้าล้มมาใสา่ทับตัวจนถึงแกกแกกกรรมนะครับ อันนี้ผมสงสัยเองว่ามันเป็นเหตุปัจจัยของเจ้ากรรมนายเวรอะไรยังไงครับเพราะว่าดูเหมือนว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดเหมันไม่มีไม่มีเจ้ากรรมนายเวรครับคือเหตุที่จะทําให้เราเจ็บหรือตายเนี่ยมันมีหลายเหตุด้วยกันไม่ใช่อยู่ที่กรรมอย่างเดียวไย่ใช่คือเรามาอยู่ในโลกของโลกนี้มันมีภัยธรรมชาติต่างๆมีอุบัติเหตุอุบัติภัยต่างๆ ใช่มันเป็นของที่เราอาจจะไปไปรับมันพรเราไปอยู่ในที่ตรงนั้นพอดีอันนี้ไม่ใช่เรื่องกับเป็นเรื่องของธรรมชาติของโลกนี่ mm. กิ่งไม้หกักโนระทับศีรษะเราเงี้ย mm. ถึงเวลาพอดีกิ่งไม้มันจะหักแล้วเราก็ดันไปอยู่ตรงนั้นพอดีมันก็เลยโดนอันนี้ไม่ไม่บุกรรมไม่เกี่ยวกับกรรมมันมันมน้มันกรรมมันต้องเป็นเรื่องของบุคคล คนที่เราเคยไปทำร้ายเขาแล้วเขาก็กลับมาทำร้ายเราเห็นจะเป็นเรื่องของของกลับอ๋ออย่างมันไม่มีปัจเหตุปัจจัยอื่นที่มันเป็นผลของการทําไม่ดีแล้วจะเป็นเหตุที่เกิดเกิดอย่างนี้ขึ้นมาโดยบังเอิญเลยใช่ไหมครับเนี่ยมันเป็นธรรมชาติของโลกนี่ไงเหตุการณ์ต่างๆเรสงสัยทัานเองครับถ้าไม่อยากจะเจอเหตุภัยธรรมชาติก็อยู่บ้านเดี๋ยวเก็บตัวในบ้านมันก็ปลอดภัย ไปอย่างนั้นเคอถ้าเกิดว่าใช้กับหลักการสติที่มีก็คือว่าก็ควรจะมีสติไต่ตรองให้รอบคอบอย่าประมาทอยา่อยาประมาทตรงไหนมัน ม, มันอันตรายก็อย่าไปคนคนเนี้ยบางคนชอบเสี่ยงภัยนันใช่ไหมชอบไปนั่งรถกระเช้าดูวิวนะครัมันก็ขาดมันก็ตอกประมาตายเนี่ยอันนี้มันไม่ใช่เป็นเรื่องของกรรมมันมันเป็นเรื่องของตัณหาความอยากัความไม่มีประมาณในความอยากอยากไปเที่ยว แล้วก็มันไปขึ้นเครื่องบินเนี่ยเครื่องบินมันก็ตกลงมาได้ใช่ไมนี่เป็นเพราะความอยากอันนี้มันเกิดจากความอยากของเราถ้าเราไม่มีความอยากแล้วก็อยู่บ้านปลอดภัยแต่ก็ไม่พ้นความตายความตายมันก็ต้อเกิดขึ้นกับทุกคนถ้าตามใจยังมีการเกิดอยู่อันนี้ก็เป็นผลของการมาเกิดเนี่ยสรุปก็คืออยากมาเกิดเมื่อมาเกิดแล้ว ข้อกรรมต่างๆก็จะไม่มีการเกิดขึ้นต่อไปผมไม่มีคำถามครับวันนี้ฟังเรียนรู้จากท่านอื่นครับโอเคได้เชิญคุณสัตหิมเหรอเป็นธรรมเนื่องนบ่าไม่ทราบได้ยินเชียงไหมสายสายทิพย์ครับขอบคุณสายทิพย์สายขออภยัยด้วยตามไป<บ> <ๆ S 2> ไม่ดีกลับแล้วว่าอทจาย์ค่ะค่ะ วันนี้เข้ามากับนมัสการพระอาจารย์เฉยๆค่ะไม่มีคําถามค่ะอาทิตย์ที่แล้วไม่ได้มาตอนนี้อยู่ที่ไหนอนแก่นตอนนี้อยู่ขอนแก่นค่ะค่ะมหาสารคามโควิดระบาดอ๋อเลยกลับมาอยู่ที่ขอนแก่นปลอดภัยปะช่วนี้ก็เวิร์กฟอร์ม Home อยู่ค่ะเขาขยายให้เวิร์กฟอร์ม home ไปอีกถึงวันที่สักสิบเอ็ดค่ะพระอาจารย์ตอนนี้ได้ฉีดยาอะไรอ่ะหูฉีดไปแล้วเข็มนึงค่ะวันที่เก้าจะฉีดอีกเข็มหนึ่งค่ะ ก็สบายใจแล้วนะก็สบายใจขึ้นค่ะได้ฉีดแล้วโอเค่อย่าประมาทก็ดีที่สุดนะจริงเรี่องยอ่ค่ะเพราะนาว่ามันออกไปต้ใสหน้ากาเร็วคอยใสหน้ากากคอยรัดิี่มือที่ระยะห่ารค่ะโอเคถ้าไม่มีรายก็ขอไปที่ท่านต่อไปนะได้ค่ะสาธุค่อคุณปฏิมาเลยคุณปฏิมาเช่ อยู่ที่ไหนเป็นปฏิมาอันนี้รู้ไมโครโฟนก่อนพระอาจารย์ได้ยินไหมครับได้ยินแล้วใชกกบกรรมนรัสการพระอาจารย์ครับเข้ามาครั้งแรกครับอาจารย์อยู่ที่ไหนอยู่ที่กรุงเทพครับมีคําถามแล้วอยากจะถามไหมก็มีคําถาม ท, าที่ตั้งใจจะถามพระอาจารย์มาแล้วครับก็คือก็อเข้ามาฟังบ่อยครับแต่ฟังฟังผ่านเฟ facebook นะครับเอเดิมกับผมเนี่ยไม่ค่อยที่จะเอะ นับถือทางพระพุทธศาสนาเท่าไหร่ก็คือนับถือตามชาติกำเนิด น, นะครับแต่ด้วยความที่เราไม่รู้จุดประสงค์ที่แท้จริงของการปฏิบัติผมก็ปฏิบัติเรื่อยมาจนจนก็ไม่รู้อะไรเลยจนกระทั่งเมื่อสองสามวันก่อนใปนช่วงเวฟฟอมโคลมครับได้เข้าไปฟังคิริมานนทสูตรของของใน youtube นะครับแล้วก็ได้ฟังความท่อนหนึ่งที่ว่า พระทธองค์เหมือนเคยกล่าวว่าการปฏิบัติธรรมต้องปฏิบัติเหมือนคนที่ไม่ตาบอดต้องรู้จุดประสงค์นะครับว่าปฏิบัติไปเพื่ออะไรกระผมก็เลยฟังไปเรื่อยๆฟังธรรมเรื่อยๆจนถึงของท่านพุทธทาสท่านบอกว่านิพพานเป็นอย่างไรเราก็เลยจากนั้นเราก็นั่งสมาธิครับอาจารย์นั่งไปเรื่อยๆจนจนจ น, จนไม่รู้ว่าเราเราเรารู้ความจริงข้อนี้เลยเปล่าคือ เราเห็นแนวทางที่มุ่งตรงไปทางนั้นนะครับอาจารย์จิตใจก็เลยเกิดความปลอดโปร่งในขณะนั่งสมาธิมันแจ่มใสจนถึงอยากจะร้องไห้อยากจะยิ้มก็มันเหมือนกับอธิบายไม่ถูกครับาอ า, าจารย์ไม่รู้ว่าปฏิบัติถูกหรือไม่จากนั้นจิตก็ไปพิจารณาธรรมที่พระพุทธองศ์ทุกอย่างมั น, มนทะลปปุป่ปปปงบนเลยท่านอ า, าจารย์ทีนี้หลังจากนั้นต่อมาก็มานั่งสมาธิในแต่ละวันเอ่อ กิจกิจตัวนี้เพราะนั่งเข้าสมาธิมันจะพลิกไปลงไตรักหมดเลยท่านพระอาจารย์ไม่ให้สุขไม่ให้ทุกข์ไม่ให้อยู่กับไม่ให้เหมือนกับว่าลมที่มันผ่านเข้าร่างกายมันทะลุไปเรื่อยๆอย่างนี้จนแบบว่าไม่ให้ยึดกิจนะครับพระอาจารย์ไม่รู้ว่าปฏิบัติถูกไหมครับท่านพระอาจารย์ตอนที่นั่งสมาธิเลยก็ตอนที่นั่งสมาธิก็อยู่ในในสมาธิครับแต่ตอนที่ออกจากสมาธิก็ก็อยู่ที่ กายครับคือเดินไปไหนก็รู้ว่าเท้าถึงพื้นถึงพื้นตลอดอืแล้วที่บอกพิจารณาว่าทุกอย่างเป็นอะไรเป็นใต้ลักไป่หมดก็อย่างเช่นถ้านิมิตเข้ามาก็ก็จิตมันก็จะบอกว่าไม่เที่ยงอย่าไปยึดนะครับถ้ากายความความเก็บมาก็จิตมันก็จะบอกว่าไม่เที่ยงเดี๋ยวมันก็หายประมาณเนี้ยฮะคือแต่แต่ก่อนเนี่ยเราเรา เรารู้ด้วยสัญญาครับแต่ตอนนี้มันรู้เหมือนวนะ่ารู้ด้วยรู้ด้วยจิตเป็นคนบอกเองว่าไม่ต้องไปยุ่งไปยังไม่รู้ว่ากระผมเข้าเข้าใจผิดไหมครับเพราะว่าไม่เคยไม่เคยทําำไม่ปิดเราเองแต่ว่าเราเราไปเอาของที่มือนไม่ได้ใกล้ตัวเราเราควจยาของที่ใกล้ตัวเราคือพวกราบยุเสรรเสริญพว ก, กลูกเสียงกลิ่นนอ้ําอะไรพวกนี้มากควรจะพิจารณาให้เป็นตายรับไม่ให้ไปยุ่งกับมันดีกว่า ครับอ า, าจารย์ครับพอดีอย่างกิเลสมันเราให้เรามายุ่กับ น, นิบมกน้มกนมกนิมิตอะไรต่างๆนี่แล้วมันก็ปล่อยให้เราไปยึดไปติดแยวลาบแล้วสารเส้นคำรูปเสียงกินร้อนอยู่มัอนอันนี้ถึงที่เราตัดก็คือโลกธรรมก่อนครับ<ล>ก็ก็คือเราอยากรวย<ม>อยากมีเงินเยอะๆอยากมีตำแหน่งสูงๆอยากให้คนนับถือยกย่องอะไรอย่างเงี้ยก็ที่ที่ที่ทกล่าวตอนแรกก็คือนิมิตเนี่ยคือรวมรวมถึงโลกธรรมด้วยครับ ก็ตัดก็คือตอนนี้เอเสื้อผ้าก็ไม่อยากซื้อไม่อยากอะไร อ, ะอยา่อยางอยากจะออก อ, อยากจะออกจากพูดตรงๆก็อยากจะออกจากทั้งลูกทั้งเมียแล้วก็ถ้าถ้าปฏิบัติได้ก็ปฏิบัติอยากไปอยากไปถวบเลยครับแ ต, แต่แต่เหมือนกับว่ายังมีอะไรตึงอยู่นั่นคือเข้าใจว่าน่าจะเป็นตัณหาครับจะอบทานนั่นความความห่วงใ ย, ยความยึดมั่นถี่มากใช่ครับใช่ครับครัว ก็ต้องพิจารณาเป็นใจรักเหมือนกันครอบครวก็เป็นอนิจจังไม่เทีย่ยงแล้ววันหนึ่งก็ต้องมีการพลาดพลาดจากกันอยู่ดีครับท่านพระอาจารย์ครับก็ก็หมดประเด็นแล้วครั บ, รบก็คลายความสงสัยได้แล้วครับเราควรจะพิจารณาเรื่องที่ใกล้ตัวเรารอบตัวเราก่อนนะไอ้ ค, คือไอ้ข้างาหนที่เราเห็นนี่มันเป็นเรื่องที่มันมันมันไม่ได้มีผลกระทบอะไรกับเราครัท่านพระอาจารย์ คือสมัยก่อนก็อยากปฏิบัติเห็นสวรรค์เห็นนรกแต่พอรู้แนวทางที่ที่จะไปเหมือนกับใจิตมันบอกว่ารู้แนวทางที่จะไปมันบอกว่าสวรรค์กับนรกก็อยู่ในใจนี่แหละครับมันบอกว่าไม่ต้องไปดูอยากอยากจะเห็นอะไรเง<ช>ี้ยไม่รู้ว่าถูกส่ก็ส่วก็เป็นสวรรค์ทุกก็เป็นนรกนะใช่ครับท่านพระอาจ า, <N> ารย์นะคยิ่งถ้าเข้าใจแล้วก็พยายามดับทุกข์สร้างแต่สุขอย่างเดียวนะครับครับท่านพระอาจารย์ครับครับนะครับ กลับขอบคุณมากครับท่านป้าจ๊ะคุณแนนใช่ไคุณแนนต่อเลยแนนสุปดาสุด า, าอ่ามีที่ไหนอยู่อุดอรใช่ไหมใช่ค่ะครรมสการค่ะค่ะมีอะไรไหมวันนี้วันนี้อ่าพอดีอาทิตย์ที่แล้วค่ะดีใจว่าวันที่สามสิบแฟนชวนไปทำบุญใส่มาค่ะหนูก็เลยได้ไป ที่วัดกกุรลทอนค่ะแล้วตรงกับพระอาจารย์กอไผ่ท่านเลยมาเทศว่าเป็นวันวันเปิดโลกธาตุของลูกตาค่ะก็เลยดีใจมากๆเลยค่ะทีนี้หนูเลยมีคําถามว่าถ้าสมมติเราเราสุขทั้งทางโลกแล้วเราก็สุขทั้งทางธรรมอะค่ะมันจะไปด้วยกันได้ไหมคะก็ได้ในระดับหนึ่งแต่ต่อไปมันถ้าเราเห็นความสุขทางโลกว่ามันกลายเป็นความทุกข์เราก็าจะ อาจจะไปหาความสุขทางธรรมอีเดียวต่อไปตอนนี้เรายังอาจจะเห็นว่าความสุขทางโลกเนี่ยเรายังไม่เห็นว่ามันไม่เทีย่ยมเรายังไม่เห็นว่ามันมีวันสิ้นสุดรอม<ะ>แต่ถ้าต่อไปเช่นในเรื่องกับแฟนทะเลากับแฟนหรือว่า<ะ>มีเรื่องระหองระแหงกันเคยมีความสุขกับแฟนกลายเป็นมีแต่ความทุกข์ตอนนั้นก็อาจจ ะ, ะไม่อยากจะไปทางโลกกันอยากจะไปทางธรรม การท า, ทานี่มันมันสงบมันสบายมันไม่มีเรื่องวุ่นวายใจต่างๆแต่ตอนนี้ถ้ายัางทําทั้งสองอย่างได้ก็ทําไปในความสุขกับแฟนกับครอบครัว ก, การทํามาหากินกับการไปเที่ยวอะไรก็ทำไปมีความสุขการไปทําุญทำทานก็ทําไปได้แต่ถ้าเราพอจะออกไปทำภาวนาไปหาความสงบเนี่ยมันจะต้องมันต้องแยกทางกันแล้วเพราะ เปเสียวความสงบมันต้องไปเปลี่ยวเวกไปอยู่คนเดียวค่ะตอนนี้ยังไม่ได้ไปภาวนาใช่ไหมตอนนี้อยู่แค่ทำบุญทำทานรักษาศีลไปก่อนค่ะก็มานั่งสมาธิบ้างค่ะแต่พอพอสุขมากๆก็ไม่ค่อยได้นั่งก็เลยก็เลยบอกว่าพอเหมือนเราไม่ทุกข์แล้วเราก็เลยไม่ค่อยคิดเจรณาค่ะก็เลยบางทีก็เลยรู้สึกแบบก็ประหม่าทุกบ่มีปัญญาบ่เกิด ได้ค่ะมันเจะเพลิดเพลยนกับความสุขเรื่อว่ามันเป็นของไม่เที่ยงอยากจะนั่งสมาธิให้มากขึ้นค่ะก็ดีขึ้นค่ะพอมาเข้าสูมก็ตั้งใจมากขึ้นนะคะพยายามหัดฝึกสมาธิให้มากขึ้นทั้ให้มากขึ้นแล้วจะเห็นว่าความสุขทางสมาธินี้มั่นคงกว่าปลอดภัยกว่าอยากขออีกข้อนึ่งนะคะแล้ว ถ้าสมมุติแบบข้อสอบทางโลงอะค่ะเราสอบผ่านมาข้อนึงแล้วมันจะมีโอกาสกลับไปถ้าเราเจอข้อสอบเดิมแล้วเราจะมีโอกาสสอบตกอีกไหมคะถ้ามันได้มันได้แล้วมันไม่ได้จะตกนมันก็นอกจากว่ามันทุกได้เลยที่ไม่รู้ว่าถ้ามันได้เพราะเห็นว่ามันเป็นทุกข์้วก็จะไม่อยากจะกลับไปหามันอีกเช่นสมมติว่ามีทุกข์กับเรื่องนี้คนนี้ ต่อไปเราก็ไม่อยากจะกลับไปเจอเรื่องนี้กับเรื่องแบบนี้อีกใช่ไหมพ่าเราจะจาได้นอกจากว่าเราคนขี้นือมันนี่ก็ช่วยไม่ได้บางทีเลมนั่นเดี๋ยวก็อาจจะกลับไปหาความทุกข์แบบเดิมอีกก็ได้ต้องต้องคอยเตือนตัวเองเรยว่ามันทุกข์นะเรื่องแบบนี้มันทุกข์ถ้าถ้าไม่เลวมันก็มันก็มันก็มันก็แก้ได้แต่ถ้ามันมัเลวมันก็เดมันก็ถูกหลอกไปก็ได้ ปฏิบัติมาขึ้นค่ะสาธุค่ะขอบคุณค่ะคุณสุนทรเ ส, น, สนียชั ส, น ส, น ส, นสนุนทสน่เป็นยังไงมีอะไรไหมปันจุันไม่มีเจ้าค่าคะแต่จะลบจะรบลวนพิลายอยากหรืออยากคลายปัจจัยแด่ท่านอาจารย์เจ้าค่ะโอเคเดี๋ยวพีลาเราจะบอกวิธีให้นะค่ะ พระอาจารย์ไปฉีดบัคซีนเป็นอย่างไรบ้างเจ้าคะก็ไม่มีอาการอะไรในขั้นตอนคุยกันอย่างนี้ฉีดมาตั้นตอนบ่าย2องโมงตอนนี้ก็ประมาณ3ามทุ่มครึ่งแล้วไม่มีอะไรผิดปกติทุกอย่างเหมือนเดิมค่ะดีจังเลยเจ้าค่ะค่ะสูดไม่มีอะไรแล้วเจ้าค่ะโอเคสาธุไปที่คุณสุภาสุภาตาจาก Dallas, Texas กลับมมาตการท่านอาจารย์เจ้าค่ะ วันนี้ลูกขอร่วมเข้าฟังเฉยๆเจ้วค่ะไม่มีคำถามโอเคทุกอย่างดีหมด <laughs> ดีค่ะเรื่อยๆเจ้าค่ะปึดเรื่อยๆ <laughs> มีสุขน้อสุขน้อไม่มีทุกน้อทุกน้อแล <laughs> ้วค่ะพยายามเจ้าค่ะยังไม่สุขทั้งหมดเจดค่ะปฏิบัติเพื่อปฏิบัติเพื่มีแต่ความสุขเจ้านะค่ ะ, คะไม่มีความทุกขนะ์นย เจ้าค่ะพยายามฝึกเรื่อยๆเจ้าค่ ะ, ะ, าคะสาธุจาเจ้าค่ะท่านต่อไปคุอคนปรางว่าอะไรแค่คนปรางว่าอะไรกับนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะมีมีชุวันหนึ่งที่ที่หนูได้ได้คุยอ่าสนทนาธรรมกับน้องๆญาติๆอะค่ะที่เขาปฏิบัติธรรมแล้วเราพูดถึงเรื่องของสมถภาวนาปุปปจาระ แล้วก็อีกตัวหนึ่งอะไรนะเจ้าค่ะอัปปนาอัปปนาค่ะทีนี้พอพอยมถามอ่าพอพอหนูถามเรื่องของสเต็ปขึ้นไปเรื่อยๆถึงถึงอัปปนาค่ะเขาบอกว่าเออพี่ถ้าถ้านั่งสมาธิแล้วมันก็จะเข้าวิปัสนาไปเลยแต่ว่าเท่าที่หนูเข้าใจก็คือวิปัสนาก็คือการใช้ปัญญาเน่ยเจ้าคะใช่คนละเรื่องกันนั่งสมาธินี่ไม่ไม่พาไปสู่วิปัสนา ถ้าอาจารอธิบายให้ให้หมกระจ่างนิดนึงได้ไหมครับก็มันเป็นคนละวิชาวิชานั่งสมาธิกับวิชาวิปัสสนามันเป็นคนละวิชากันเวลาเราเข้าห้องเรียนเรียนวิชาคณิตศาสตร์แล้วก็เรียนจากคณิตศาสตร์มันไม่ได้พาเราไปสู่ภูมิศาสตร์โดยอัตโนมัตินะมันอยากจะได้ภูมิศาสตร์แล้วก็ต้องเข้าไปเรียนในห้องภูมิศาสตร์ต่อที่หนึ่งต้องย้ายห้องอห้องเรียน ในเวลาที่เราทำสมาธิเราจะได้ความสงบได้อุเบกขาได้ได้สมาธิสามสามแบบคณิกะสมาธิอปานาสมาธิหรืออุปจาระสมาธิอย่างใดอย่างหนึง่งใจแต่จะไม่มีวิปัสสนาจากการฝึกนั่งสมาธิาถ้าอยากได้วิปัสสนาต้องเข้า อ, อีกห้องหนึ่งคือออกจากห้องสมาธิก่อนออกจากสมาธิแล้วทีนี้ก็ไปศึกษาไตรลักษณ์อริยสัจสี่ ถึงจะได้วิปัสสนาขึ้นมาอ๋อนั้นเท่ากับว่าว่าหนูเข้าใจถูกเพราะว่าหนูเคยฟังคลิปธรรมะพระอาจารย์พูดถึงวิวิปัสสนาก็คือการใช้ปัญญาในการพิจารณาในการเรียนรู้ความจริงของชีวิตทุกอย่างในโลกนี้มันไม่เที่ยงมันไม่จริงอันาตามมันไม่ใช่เป็นของเราเราไปวควบคุมบังคับไปสั่งมันไม่ได้แล้วมันเป็นทุกข์เพราะว่าเราไปยึดไปติด พอมันพอมันเปลี่ยนไปแล้วก็ทุกขขึ้นมาทันทีเข้าใจแล้วเจ้าค่ะอาทิตย์ที่ผ่านมาตาม่ำทำทาในเรื่องของการใช้สติแล้วก็ในเรื่องความโลภกดหลงได้ค่อนข้างดีนะคะไปทำงานก็มีความสุขดีเจ้าค่ะก็รู้สึกว่าเราเราสามารถที่จะขั ด, ดในเรื่องของความความอยากความไม่อยากในที่ทำงานได้มากขึ้นเจ้าค่ะดีดีตัวปัญหาคือความอยากต่างต่าง คทําใจให้ยินดีตามมีตามเกิดเขาจะทําก็ทําไม่ทำก็เรื่องของเขาทำอะไร่มีหน้าที่บอก ม, มีหน้าที่สั่งก็สั่งไปส่วนเขาจะทําไม่ทําแล้วอย่าไปอย่าไปอยากเพือ่อนๆถามมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งที่เคยเคยเครียดกับเขาเขาก็ถามว่าทําได้ยังไงหนูก็บอกว่าหนูใช้หลักสามหยอยอมห ย, ย, ย, ยุดห ย, ยุดเขาก็เลยบอกเอ่ะยอกแพ้อยู่ต่อสู้กันอยู่จัดกัน ความเย็นขับขอับอย่างเดียวค่ะสามยอนี่ดีนะใช้เป็นนะชีวิตจะมีแต่ความเย็นมีนความสุขมากก็ค่ะอ่าดีโอเคท่านนี้นะค่ะดจะไปที่ทา่านตอบไหมคนทุ่งที่ว่าวันนี้จะมาทักทายกันหน่อยไม่มีคําถามมาทักทายกันหน่อยกล่าวถวัตการใช่ไหมค่ะอาจารย์วันนี้ไม่มีคําถามขึ้นเลยใช่ไค่ะ โอเคนะไว้สุขไหสบายไปเรื่อยๆนะไปคุณจอยต่อจอยลุกๆนอนแล้วเหรอเข้ามาใกล้ๆหน่อยเสียงเบาไม่ได้ยินเลยยังยังไม่ได้นอนค่ะเล่นอยู่ปอกมีอะไรไหมมานี่ <c oughs> ออก้วมาแล้วมาม า, า, ารักทายกันหน่อยเลยอ มันทายลงปูหน่อยออครับออยังไงไม่ง่วงนอนเหร อ, มหร อ, อไม่ง่วงนะเไม่ง่วงนะโอเคไม่ง่วงก็ไปเล่นต่อแล้วกนะันปะก็ไม่มีอะไรครับก็ทำอยู่ทุกวันครับไม่ทุกกับอะไรนะตัดมันได้นะอ๋ะเพอาทุกก็ คิดเลยว่ามันมันไ ม, ม, นไม่มันไม่เทียงก็เลยจบไปเลยครับีโอเคคุณแม้ทําอะไรอยู่รอไปพัทยาจะไปใส่บาตได้ได้โอเคนะเห็นแตที่คุณชเชลินทานต่างเลยคนระับคุณชเชลินทานมาเกิดนี้มาเข้าห้องภาษาอังกฤษอันนี้มาเข้าภาษาไทยค่ะงานนัสกสการ์พัชการตัวค่ะ โยมวันนี้โยมมีสองคำถามอะค่ะพระอาจารย์โยมได้ยินคำว่าปัญญาอบรมสมาธิมาหลายครั้งแล้วค่ะอขอขอพระอาจารย์ช่วยอธิบายให้โยมเข้าใจหน่อยนะคะคือการทำสมาธินี่ปกติเราจะใช้สติใช่ไหมให้อยู่กับพุโทโธหรือให้อยู่กับลมหายใจมีมาวันล้วใจเราไปยุ่งไปเครียดกับเรื่องคนนั้นคนนี้อาจจะไปทะเลาะกับคนนั้นคนนี้ขึ้นมา แ, แล้วพอมาทำสมาธิมันก็ยังไปคิดถึงคเรื่องที่เรามีเรื่องอยู่เราก็เราใช้ใช้ปัญญาซ้อนพิจารณาเรื่องที่เรากําลังมีเรื่องอยู่ว่าคนที่เรามีเรื่องด้วยเนี่ยเขาเป็นยังไงเราไปควบคุมบงังคับไปสั่งเขาให้ทําตามที่เราอยากได้หรือไม่เราเป็นอนันตตาแล้วก็เป็นอนัตตาให้พิจารณาอด้วยว่าถ้าเราไป ไปเท่ากับการสูญเสียแล้วก็พิจารณาว่าเขาเป็นอนิจจังแล้วก็เป็นอันทจังนะใช่ไหมแต่อันนี้อันนี้เราดูตอนที่ไม่ได้อยู่ในสมาธิใช่ไหมคะพระอาจารย์ก็ตอนที่เราจะนําสมาธิไงแล้วมันเข้าไม่ได้อ้โค่ะค่ะค่ะใช่สติอยู่กับลมก็ไม่ยอมอยู่อยู่กับพุทโธก็ไม่อยู่ไปติดการเรื่องของคนวอนนี้อืมเราเราพิจารณาเ่าเห็นว่าเขาเป็นอันทจังเป็นอนันตา อ น, นิจจังก็สมวะถเ้เขาตายไปเรายังขววงยังคิดถึงเขาอยู่นะแล้วพิจารณาก็เป็นอ น, นิจจังเขาไปแล้วอนัตตาแ ล, แล้วไปษักเขาไม่ได้สากให้เขาอยู่ต่อไปไม่ได้แล้วถ้าพิจารณาเสร็จเราก็ใช้สติตัดในสมาธิใช่ไหมคะแล้วถึงจะเข้าลงลงเข้าไม่ก็ใช้ปัญญามันจะตัดด้วยตัณโมมันก็จะเริ่มคิดต่ญญ า, าไปมันก็จะเริ่มคิดเข้าไป ค่ะค่ะค่แล้วก็คลีแล้วก็แล้วก็ใช้สติมาดูพุทโธมาดูลมแล้วมาพุทโธต่ออืมเข้าใจแล้วค่ะเข้าใจแล้วค่ะแล้วก็อีกคําถามหนึ่งค่ะพระอาจารย์ในการเจริญสติในชีวิตประจําวันกับการกับการพิจารณาธาตุหรือว่าอาการสามสิบสองอะคะ่ะเราควรจะแบ่งการพิจารณายัางไงอ่ะคะหรือว่าสมมติเราคิดขึ้นมาได้เราก็พิจารณาตรงนั้นจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เวลาที่เราคิดขึ้นมาได้ปะคะ คืมันอยู่ที่ว่าเรากําลังอยู่ในขั้นไหนถ้าเราอยู่ในขั้นฝึกสมาธิเราก็ไม่คิไพิ จ, พ จ, จารณาใช้สติฝึกสติไปอย่างเดียวพิ จ, จารณาถ้าไม่จําเป็นจริงๆอย่าไปพิจารณาเลยนอกจากมเีเหตุการณ์ปัจจุบันทันยุ่วงขึ้นมาจำเป็นจะต้องใช้ปัญญาเพื่อตัดความมุ่นหม า, ายใจก็ใช้ปัญญาไปเฉพาะกิจแต่ถ้าช่วงไม่มีไม่มีเหตุการณ์ที่มารบกวนใจก็ให้มาฝึกสติอยู่ความคิด เพื่อที่เราจะได้มีสติกำลังมากๆากในนั่งสมาธิจะได้เข้าได้ง่ายเข้าได้เร็วและอยู่ได้นานอแต่ถ้าเราจำนานนั่งสมาธิแล้วออกจากสมาธิมาเราก็มาคิดเจริญถึงเรื่องที่เรายังทุกอยู่เช่นเราทุกกับร่างกายของเราเรื่องร่างกายของลูกเราเรื่องของใครที่เรารักนี่เราต้องพิจารณาว่าเขาไม่เที่ยงน ะ, ะเขาเกดมาล้เดี๋ยวเขาก็เขาต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายจากเราไปอ่า ทำให้เรา <c oughs> มีปัญญาแล้วปล่อยวางเขาได้มไม่เป็นทุกข์กับเขาได้อัไ น, นก็เรียกว่า <c oughs> เป็นการเป็นการฝึกปัญญ <c oughs> าค่ะเข้าใจแล้วค่ะพระอาจารย์แล้ ว, วก็เรายู่ใเราอยู่ในขั้นตอนถ้็อยู่ในขั้นตอนฝึกสมาธิก็เอาแต่เอาแต่สติอย่างเดียวก่อนยังไม่ทำไปพิจารณาทางปาัญญาแต่ถ้าเราผ่านสมาธิได้นะสามารถเข้าออกสมาธิได้ทุกเวลาที่เราต้องการ นี้นเวลาออกมาก็ามาสานใจไปถักปัญญาคนะ่ะขอบพระคุณค่ะพระอาจารย์ขอให้พระอาจารย์สุขภาพแข็งแรงมีอายุยืนยาวค่ะเชิรับใช้ญาติโยมต่อไปสถูกค่ะพระอาจารย์กขอบพระคุณค่ะนาัสการค่ะท่านต่อไปคุณปวีเหรอคุณปวนะีใช่้หมเชิญอยู่ที่ไหนอ่า สวัสดีครับกลับครับสวัสดีครัอาจารย์ครับผมผมปวีอยู่หมวดปากการครับอาจารย์อมีอะไรไหมเอ่อเพล่นมีเรื่องข้อสงสัยในการปฏิบัตินิดนึงครับอยากจะสอบถามอาจารย์นะครับอเก็คือเกี่ยวกับเรื่องอของอผู้มีปัญญามากครับอาจารย์ผู้อันนี้เป็นจากการความเข้าใจของผมเองนะครับจะขอสอบถามอาจารย์ว่าผู้มีปัญญามากนี่มันหมายถึงว่า ผู้ที่นําข้อคิดเห็นต่งตางๆมาตกผลิตความคิดของตัวเองได้เป็นจํานวนมากอันนี้เป็นความเขา้าใจที่ถูกต้องหรือเปล่าครับอาจารย์ก็เป็นผูมน้มีความรู้มากนะครับต้องเรียกว่าผู้มีความรู้มากในในในทุกๆเรื่องด้วยความถูกต้องหรือเปล่าครับอาจารย์คือคําว่าปัญญาเนี่มันมันสามารถเป็นปัญญาทางวิโรกได้ปัญญาทางธรรมก็ได้ครับแั้วแต่เราจะเาจาย์ ถ้าจะสอบถามเป็นปัญญาทางธรรมเนี่ยมันจะหมายความว่ายังไงครับอาจารย์ก็รู้ในรู้ในเรื่องของอริยสัจรู้ในเรื่องของใจรักอ๋อคือความรู้กับการปฏิบัติได้นี่คนละเรื่องกันใช่ไหมครับพระอาจารย์ครับกอปฏิบัติเพื่อให้เพื่อให้เกิดความรู้เพื่อที่จะใช้ความรู้นั้นมาตัดตัดความทุกข์ตัดตัดกิเลสตัณหาต่างๆที่มีนอในใจให้หมดไปครับพระอาจารย์ครับงั้นผมขอรบกวนอีกคำถามหนึ่งครับพระอาจารย์ครับเอถ้าถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ย มันหมายความว่าอการเปลี่ยนนิสัยตัวเองเนี่ยมันเหมือนกับการเปลี่ยนความคิดตัวเองเรื่องความเคยชินในการกระทําสิ่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือเปล่าครับอาจารย์อย่างเช่นขออนุญาตนิดนึงนะคะอาจารย์อาาย่างเช่นเอเมื่อก่อนเราคุ้นชินกับการที่ว่าถ้าเราเอาทานข้าวเช้าเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะต้องดื่มกาแฟสักถ้วยหนึง่งติดเป็นนิสัยเลยแก้ขไขอะไรไม่ได้เลยแต่พอเรามีความเห็นว่าเอ้ยตรงนี้มันผิด เราก็พยายามฝืนตัวเองทานข้าวเช้าเสร็จดื่มน้ําตามแล้วก็พอแค่นั้นอันนี้มันคือการเปลี่ยนความเคยชินของตัวเองหรือเปล่าครับอาจารย์มันเป็นผลที่เกิดจากปัญญาเกิดความรู้ขึ้นมาว่าอ๋อทําอย่างนี้ไม่ดีอ๋อแสดงว่าเราสามารถปัญญาก่อนต้องใช้ปัญญามาสอนใจก่อนแล้วถึงขาจะชเป็นนิจัยของเราได้อ๋อแสดงว่าเราสามารถใช้วิธีการนี้ได้กับทุกอย่างทุกยางที่เราที่เราทําที่เราคิดว่ามันไม่ดีเราก็เปลี่ยนมันได้ โอเคกับเขาคุณพระอาจารย์มากเลยครับโ okay. อเคตอนนี้นะครับอยู่อยู่ที่ไหนนะเดี๋ยวหนึ่งามอยู่สมุดปาการครับพระอาจารย์สมุดปาการครับก็เพิง่งเพิ่งรู้จักเพจพระอาจารย์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับก็ตามเพจพระอาจารย์มาสักพักหนึ่งก็ก็เลยอ่าเห็นมีไลค์ขึ้นมาก็เลยลองสอบถามดูเพิผมศึกษาธรรมะเนี่ยกับพระอาจารย์หลายรูปมากครับก็ <นะ S 1> อย่างท่านอาจารย์ชยาสโลท่านปรอประยุทธโต แล้วก็อย่างของอ อ, อพระอาจารย์ชาครับผมผมเข้าฟังมากพระอาจารย์ชาก็ศึกษามาเรื่อยๆจนกระทั่งเจอเพจของพระอาจารย์เห็นพระอาจารย์เปิดไลค์ผมก็เลยลองเข้ามาสอบอถามเพื่อสอบความเข้าใจของตัวเองดูครับว่าตัวเองอมีความเข้าใจที่ถูกต้องกับธรรมะวันนี้หรือเปล่าก็การศึกษาธรรมะเพื่อให้เกิดปัญญาเพื่อที่เราจะได้มาเปลี่ยนทิศทางที่ไม่ดีของเราได้โอ้ขอบคุณพระอาจารย์มากเลยครับโอเคนะ ขอบคุณมากครับธใครต่อคุณเป็นเป็นชาวเป็นชาวต่างชาติหรือเปล่าไหมครับเป็นชาวเป็นชาวูอยืออจีิสเชิญ you speak Thai เป็นเป็นชาวอังก y a r u รู้สึกว่าเปิดไมค์แต่ไม่ไม่้เสียงเข้ามาไม่ไม่ด้ยิน Can you c a you see me I'm waving to you ไม่เห็นล่ะแสดงว่าเขาไมค์มองเขาไป่ทำงานตอนที่เข้ามาในห้องก็ไม่ได้เปิดตัว using computer microphone นี่ขอถ่ามไปก่อนนะ คุนมาเล็กใช่คนมาเล็กการนมัสการหลวงพ่อครับนี่คนละคนหรือเปล่าเนี่ยผมภาพมันกลายเหมือนไม่เคยคนเดียวกันครับคนเดียวกันเื่องจากพอฟังเสียงก็ถึงยังรู้ว่าเป็นคนเดียวกันคนเดียวกเสียงเนี่ยเปลี่ยนไม่ได้นะแต่เปลี่ยนหน้าตาได้นะทำภาพของได้แต่งภาพพุสังขารพุงแต่งได้ครับหลวงพ่อเออแต่เสียงนี่เล่าตันไม่ได้นะครับ ฮะหลวงพ่อเห็นหลวงพ่อบอกจะฉีดวันที่แปดเดือนที่แล้วสรุปเขาเลื่อนมาวันนี้เหรอครับหลวงเมื่อวานนี้ก็จู่ๆก็บอกว่าวันนี้จะฉีดให้ก็ดีอย่างวันนี้มันตั้มาตั้ ง, ต, งตั้งหลักตั้งมาเลยปุ๊ปัปป๊บเลยออเมื่อเดือนก่อนหลวงพ่อบอกจะฉีดแล้วก็เลยคิดว่าฉีดไปเรียบร้อยแล้วเอาเห็น<ต>ลงอตอนต้นก็ให้ฉีดฉีดวันที่เจ็ดเดือนนี้แล้วต่อมาก็เปลี่ยไปวันที่หนึ่งเดือนหน้านกรกฎาคมแล้วมาเมื่อวานนี้ก็เปลี่ยนมาเป็นวันนี้ก็เลยเดี๋ยวก็ทักเราเลย บอกแล้วมันไหนก็ได้ว่าเด็กเวลาจะฉีดก็ฉีดไม่ได้ไป <S <S ไตั้งไมคิดถึงมันแต่ว่าเป็นหลักการของวัคซีนกับหลักการของธรรมะพุทธเจ้ามันก็เหมือนกันนะครับใส่ไป อ, อ่ อ, อนออๆแล้วก็ทําให้มันโตขึ้นหลักการคล้ายๆกันเลยนะครับหลวงพ่อวัคซีนจะเชื้อโรคมา อ, อ่ อ, อนพอธรรมะก็ต้อง อ, อ่ อ, อนๆก่อนแล้วก็พัฒนาให้มันโตขึ้นใช่ครั บ, <S <S รบอ่อนๆก็เหมือนศรัทธาเข้ามาก่อนพอศรัทธาเข้ามาก็ อยากรู้ศรัทธาก็มีวิริยะก็มาพอมีศรัทธาก็วิริยะความเพยียรที่จะปฏิบัตสิสติสามาธิปัญญาปัญญาครับหลวงพ่อแล้วสัปดาห์ที่ผ่านมาผมก็สึกเจริญสมาธินั่งภาวนาให้มากขึ้นก็รู้สึกว่าสิ่งที่พัฒนาสติ ม, มาก็คือตัวรู้ใช่ไหมครับตัวรู้มันจะยิ่งชัดเจนขึ้นใช่ไหมครับใช่ว่าชัดเจนก็ได้แต่ตัวที่สําคัญก็คือตัวปัญญาคือตัวสติมากกว่า แต่ให้มีกําลังมากขึ้นให้อยู่ความคิดหยุดกิเลสให้ได้ปัญญาก็ให้เห็นทุกข์เพื่อที่จะแรดละละทุกสิ่งทุกอย่างให้ได้มันมีอันหนึ่งผมเห็นตัวรู้ไม่ไม่ค่อยสําคัญเท่าไหร่เห็นตัวรู้ไม่สําคัญต้องเห็น oh. เห็นกิเลสสาคัญกว่าเห็นกิเลสแล้วฆ่ามันได้สําคัญกว่าอืันหนึงที่ผมเห็นคิดว่าน่าจะ เหมือนคนเราอ่ะมันในสังคมอ่ะมันมีความรู้แต่ขาดปัญญาอย่างนี้ว่ะครับเพราะคนมีความรู้เยอะแยะไปหมดเลยแต่ไม่มีปัญญาที่ทําให้ตัวเองค้นพบคือมันมเป็นปเป็นปัญญาทางโลกอ่ะเป็นปัญญาที่ที่ถูกมัดให้ติดอยู่การการเป็นว่าตายเกิดมีเป็นปัญญาที่พายหลุดออกจากการเป็นว่ายตายเกิดครับโอเคนะกัรเดินนี่ครับผมก็ เออเราจะทํายังไงให้เราเนี่ยมีคติที่แน่นอนนะครับหลวงพ่อมีคติคติที่แบบให้เราจะไม่ให้เรากลัวว่าเราเราจะกลายเป็นมิจฉาทิฏฐิหรือเปล่าหรือว่าจะกลัวว่าเราจะหลงทางไปแบบอะไรยังไงไหมอย่างเนี้ครับก็ต้องยึดคําสอนพระเจ้ า, าเป็นหลักเนี่ยถ้าคิดอะไรที่มันขัดกับหลักคําสอนก็ถือว่านา ง, งูนาทางพระเจ้าสอนสามอย่างให ล่การกระทำบาปทั้งปวงให้สร้างบุญสร้างบุศสนทั้งหลายให้ถึงพรชั้นราชใจให้ชาติบริสุทธิ์ไงให้อยู่ในแนวนี้ก็ไม่ไม่ไม่หลงทางหลวงพ่อครับแล้วการทําสมาธิมันอยู่ตรงไหนของบารมีสิบเหรอครับหลวงพ่อก็อุเบกขาไงทำสมาธิเพื่อให้ได้ อ, อุเบกขาโอใช่ใชโอเคครับไม่มีอะไรแล้วครับโอเคนะเก็ไปที่ท่านต่อไป คุณแวนชัยจะพูดได้ไหมว่คมาคุณเวนไคอมนชัยแล้วเอนอะเชิญเสียงไม่เข้ามาเลยพูดดังๆหน่อยได้ไหมฮัลโหลพูดไทยได้หรือเปล่าหรือพูดภาษาอังกฤษไม่มีเสียงเข้ามา ใครลองส่งแชทเป็นบอกให้บห่าหน่อยว่ า, า จ, จะต้องออกไปก่อนแล้วกลับเข้ามาใหม่ดีไหมครับดีดีผมดีดผมบอกครับครับเดี๋ยวไปที่คุณกราฟก่อนนะคุณกาฟกราฟที่กฟาฟยักสุรานวสกางครับทำงานไปด้วยครั บ, รบมีอะไรไหมมีรครับก็ก็ก็คือตั้งใจรักษาสินแปดทุกวันที่ผมว่าจะปฏิบัตินะครับ แล้วก็ทีเนี้ยเราคิดโปรเจกต์เยอะคิดงานเยอะคิดแบบเพราะว่าเหมือนราวางแผนเหมือนมืนที่พี่เขาวางแผนนะคว่าอีกสิบปีหลังพ่อแม่เสียเราก็จะอาจจะแบบมีเงินก้อนนึงแล้วก็อาจจะได้บวชนะครับแล้วก็ทีนี้ก็คือความคิดมันล้นเล่นตลอดเวลาก็เพิ่งไปค้นพบวิธีที่แบบเติมความมีของเราได้คือแบบก็ ค, คือว่าเหมือนเอารูปแบบ มันเป็นอังคาราดเ ป, เป็นภาษาของผ้าครับเอามาเอามาเพ่งไว้ที่ใจแล้วปรากฏว่ามันได้ผลก็คือใจมันนิ่งเลยอันหนึ่งมันเอาไม่ลงครับก็ดีอันไหนใช้ได้ก็ใช้นั้ไน ไ, ไปแล้วก็แล้วก็วกผมก็เพิ่งนึกได้ว่าเมื่อก่อนตอนเด็กๆอะตอนอายุยี่สิบอะครับผมนั่งสมาธิแล้วแบบมันเหมือนจะลอยได้กับพื้นแล้วแบบ เหมือนเราอยู่ในองค์ภาวนาครับมั น, ม, นมันก็เพิเพื่มเพิ่มเพิ่มขึ้นนะครับแต่เราก็ไม่ได้สนใจในสมาธิอันนั้นในอันนั้นก็แต่ว่าตอนนั้นไม่ได้มีปัญญาครับมีแต่สมาธิอันนี้เป็นสมาธิไหมครับยังหรอกสมาธิมันต้องเน้นต้อ ง, งสงบมาแต่จิตผมนิ่งแต่ว่าร่างกายมันไม่นิ่งครับก็ไม่ได้แล้วถ้า ร, ร่างกายไม่นิ่งก็แสดงว่าจิตไม่นี่งไม่ฉาสมาธิหรอบเออร่างกายต้องนิ่งก่อนแล้วจิตเึงจะนิ่งตามได้ ตอนนั้นก็คือทําไม่ถูกครับครับแล้วก็พรุ่งนี้วันพระก็ฝักเพื่อนเป็นสองคนเปนบาทพระจ่าฝากเพื่อนไปเพราะเพื่อนเข้าไปอยู่แล้วก็จะโอนเงินไปฝากก็ทุกวันนะครับวันท้าครับได้สาธิบุตรัพแล้วก็พรุ่งนี้ก็คือวันพระเดี๋ยวผมจะต้องออกไปเจอคนเยอะแยะไปงานที่แบบญาติเขาเป็นเจ้าภาพอะครับไปงานศพอะครับแล้วทีนี้ไม่รู้ว่าแบบว่าจะควบคุมเจิงได้ไหมเพราะว่าแบบกินมื้อเดียวด้วยแล้วก็ออกไปข้างนอกด้วยครับ ก็เราเทุกเราอยู่คือว่าก็ช่วยไหมก็ไม่ไหวก็ยอมแพ้ไปแล้วก็แล้วก็มาหาทางคิดต่อใหม่ว่าจะทํายังไงต่อไปนบก็บอกว่ากําลังเรายังไม่พอนนครับก็ก็ก็ตอนนี้ก็ดีใจก็คือว่าได้เห็นแล้วเพิ่งเห็นวันนี้ครับแล้วก็ถ้าอาจารย์ยืนว่าถูกต้องแล้วก็เดี๋ยวจะลองทาต่อละอาทิตย์หน้าจะมารายงานครับผมได้โอเคกลับระครับกลับมาที่คนวันมันใชาที พูดได้ไหมไม่มีเสียงนะเออต้องขออภัยนะไปที่คุณขนกกรก่อน อ, น อ, อคุณขนมกร อ, อยู่ที่ไหนอยู่ยะยาค่ะ อ, อ่ามีอะไรไหมไม่มีค่ะกัมมากรรบนมัส ก, การพระอาจารย์ค่ะคุณมาเข้ามาครั้งแรกค่ะโอเคมาฟังเฉยๆน ะ, ะค่ะ ทีนี้ก็ไม่แต่ภาพได้งแล้วเนี่ยเราเป็นคนนิกเก้คนนักเก้ใช่ไนักเก้ครับนักเก้ชมอวีหมอีเลยนักวัฒน์การครับอาจารย์ครับเป็นยังไงอาจารย์ได้เสียงชันไหมครับอาจเชิญดีโอครับผมกลับเข้ามาขออนุญาตเข้าห้องสูมด้วยครับผมเเชิมื่อวานไปฟังตอนภาษาอังกฤษครับโอ้โหชาวต่างชาตินี่เขาพัฒนาไปเยอะแล้นะครับอาจารย์เขาจริงเขาจริงกับเรามากนะ ใช่ครับผมชาวต่างชาตเวลาก็ทําอะไรก็ทําด้วยเหตุด้วยผลนะเขาไม่ได้ใครทําด้วยด้วยศรัทธาอย่างเดียวเขาทําด้วยปัญญาครับผมพระอาจารย์มันไม่ฉีดอสตาดะครับผมฉีดแอสตาเวลาไม่มีอาการอะไรทุกอย่างปกติหมอมีอะไรแนะนำไหมอ๋อไม่เป็นไรหละครับอาจารย์แอสตามันไม่มีผลข้างเคียงกับกับผู้สูงอายุกับอะไรเท่าไหร่เลยครับกับผู้ชายไม่ค่อยมีเลยครับผม ช่วงนี้ก็ไม่ต้องทํำอะไรก็ถ่านอยู่ก็ทำตามปกติอย่างที่เคยทำนะครับก็ดีไม่มีอาการเลยไม่รู้สึกอะไรเลยมันไม่เหมือนก็ไม่ได้ฉีดใช่ครับพระอาจารย์ครับพระอาจารย์ครับกับสองเรื่องนะครับพระอาจารย์ครับวันอาทิตย์พระอาจารย์ว่างอีก่ไหมครับว่างว่างโอเคอ อ, ค, อ ค, ครับผมงั้นขอนิมวลพระอาจารย์อาทิตย์สองทุ่มเหมือนเดิมนะครับโอเค อาจารย์ครับอีกเรื่องหนึ่งอันนี้เป็นปัญหาการภาวนาครับผ ม, มก็คือโดยโดยส่วนตัวผมนะครับผมก็ทําทานศีลภาวนาเนี่ยนะครับทานศีลเนี่ยก็ก็โดยปกติมีสมบูรณ์อยู่แล้วนะครับทีนี้การภาวนาเนี่ยโดยโดยทฤษฎีเนี่ยผมก็พอเข้าใจว่าจะต้องฝึกสติแล้วก็ปัญญาครัอาจารย์ทีนี้อ่าจริงๆแล้วผมก็เข้าใจแล้วว่าผมคงฝึกสติน้อยไปนะครับแต่ทีนี้นี่ความความความที่มันที่มันเป็นความกังวลในใจผมเนี่ยมันอยู่เรื่องเดียวก็คือเรื่องห่วง ห่วงลูกผ่วงครอบครัวอย่างนี้ครับอาจารย์ครับแต่บางทีเนี่ยมันก็รู้สึกแวบเข้ามาเป็นปัญญาแบบมานิดนนหน่อยอาจจะเป็นสัญญาครับอาจารย์ว่าเออเดี๋ยวเขาก็ตายนะอะไรอย่างเงี้ยดูแลไปเท่าที่ทาได้อะไรเงี้ยนะครับให้กลับมาอยู่ในปัจจุบันซะมัน ก, มนก็มันก็แก้ปัญหาไปได้ช่วงเป็นช่วงช่วงครับแต่ปัญหาก็คือว่ามันไม่ยาวครับอาจารย์ครับเก็เราคิดบ่อยๆอยากปล่อ ย, อยให้มันรวบขึ้นมาเองเป็นการพิจารณา จากที่พะเจ้าสอนว่าเราเกิดมาเราต้องมีการพัดพลาดจากกันเป็นธรรมดาร่วมพ้นจากการพัดพลาดจากกันไปไม่ได้พยายามเอาบทธรรมะนี้มาสอนใจอยู่เรื่อยๆแล้วต่อไปมันก็จะไม่ลืมทุกครั้งที่เราจะวิตกกังวลมันก็จะเข้ามาทันทีต่อไปมันก็จะเฉยไม่ไม่กังวลแะหรือว่าในที่สุดก็ต้องมีการพัดพาดจากกันเป็นธรรมดาพญานั้นกบวช ผมแล้วการที่ระวังแผนไปในอนาคตอย่างเงี้ยครับอาจารย์ก็วางได้นครับได้แต่ก็ต้องมีอาจที่จังเข้ามาเกี่ยวข้องในว่าแผนที่เราวางอัจจะไม่เป็นไปตามที่เราวางก็ได้อย่างเรื่องฉีนวัคซีนของเราเนี่ยแผนเดิมเขาใช้ฉีดวันที่เจ็ดแล้วต่อมาเขาก็เลื่อนให้ไปวันที่หนึ่งกรักกระดาษแล้วนี่ก็กลับมาวันที่สองวันนี้ก็เราก็อย่าไปทูกอย่าไปยึดติดกับแผนที่เราวางไว้ต้องพร้อมที่จะปรับตามสภาพความเป็นจริง ผมก็ทําวันนี้ดีที่สุดอะไรจะเกิดข้างหน้าก็ช่างเขอะอย่างนี้ลแล้วก็วางนะแผนไว้พรุ่งนี้แต่พรุ่งนี้มันอาจจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงก็ต้องปรับไปเรื่อยๆปรับใจปรับสภาพให้เข้ากับความเป็นจริงหมดไปวันนี้อาจจะว่าวันวันอาทิตย์ที่กะว่าจะมีสนทนานกาันแล้วเกิดุณหมไม่สบายขึ้นมาหรือเราไม่สบายขึ้นมาไม่สามารถที่จะเข้ามาได้อันนี้มันก็ต้องปรับตามความเป็นจริงครับอาจารย์ครับ พอเราอยู่ในโลกอนิจจคกกือไม่มีความแน่นอนเราไม่อยากคิดว่าไม่มีอะไรแน่นอนครับผมแล้วช่วงที่ฝึกสตินี่คือพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆอย่างเดียวเล ย, เยใช่ไหมครับไม่สนใจอะไรเพื่ อ, อให้หยุดคิดไม่ให้คิดถึงอดีตอนาคตแม่้คิดถึงเรื่องราวอะไรทั้งสิน้นครับผมอันนี้ต้องฝึกตอนที่เราอยู่คนเดียวจะจะง่ายกว่าเช่นตอนเช้าเตื่นขึ้นมาเราไปทำกิจของเราส่วนตัวเราก็พุทโธพุทโธไป เลือกเอกจดจ่อเฝ้าดูการกระทําของเราไปก็ได้อาบน้ำํำให้อยู่การอาบน้ําอย่าให้ไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนี้เรื่องนี้น้ําหน้าแปลงพันอะไรต่างๆเนี้ก็ให้อย่าให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆอันนี้ก็จะมีสติให้จิตอยู่ในปัจจุบันอยู่กับเรื่องที่เรากำลังทำอยู่เพีเรื่องเดียวเราต่อไปเวลาเรามีสติเวลานั่งสมาธิให้อยู่กับลมมันก็จะอยู่กับลมอย่างเดียว ที่ก็จะเข้าสู่ความสงบได้ครับผมแล้วเราฝึกอะไรเราฝึกสติอยู่ครับผมอยากคิดจริงปัจจุบันก็ฝึกฝึกอยู่กับทุกวันครับอาจารย์แต่ว่ามันก็คงทำน้อยไปทำไม่ถึงนะครับอาจารย์ครับใช่ลองทำดูให้มากๆถ้าเวลา่งสมาธิจะเห็นผลว่ามันสงบได้เงีได้ง่ายได้เรยวครับผมโอเคนะมีอะไรไหม ับขอบคุณพอาจารย์ครับถึงเรากินมาที่คุยเจอกันนะสองคนเหมือ น, นเดิมขอบพระอาจารย์ครับศาสตราวิสการครับอ่าถึงคุณยาสิ์นะครับคุณยาสิทธ์ต่อเลยอ่คญญาคุณยาสิ์เ็กสองคนครับ Galaxy Tab S ยไม่ทราบจะพูญญรอมครับอาจารย์ อยู่ที่ไหนอยู่บางแสนครับอาจารย์อบางแสนมีอะไรไหมคือผมจะสอบถามเรื่องอที่พระอาจารย์ให้อุบายมาคือเกี่ยวกับตอนแรกที่ผมบอกว่าจะฟุ้งซ่านคิดมากนู่นนี่นั่นนะครับผมแล้วก็พระอาจารย์บอกว่าให้สติอยู่ตลอดก็ก็รู้สึกว่าดีมากแล้วก็คือปกติผมจะนั่งสมาธิได้คืนหนึ่งประมาณสิบนาทีสิบห้านาทีแต่มันเริ่มเยอะขึ้นมาได้แค่ประมาณครึ่งชั่วโมงแล้ว มันเหน็บมันกินมันมันเหมือนมันมันทําต่อได้ไม่ได้ไม่ได้ครับอาจารย์มันได้แค่ประมาณครึ่งชั่วโมงเองงครับอาจารย์ก็ก็พูดโทต่อไปเลยแล้วส่วนบดไปอย่าเพิ่งอย่าปล่อยให้มันชาไปแล้วก็อย่าไปสนใจส่วนบนไปก็ได้พูดโธไปก็ได้ครับผมแล้วเหมือนตอนที่ผมไปวิ่งจ็อกกิ้งตอนเย็นแล้วผมก็พูดโทพุดโธไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันมันได้ไหมครับอาจารย์ได้มันก็เหมือนกัน พอเราทรพูดโทรไปความเหนื่อยก็จะย้ำลูกเสรกจหายไปแล้วเราก็มีกําลังที่ยังวิ่งต่อไปได้ครับผมนั่งก็เหมือนกันพอนั่งาอยากจะลุกเราต้พุดโทรพุดโทรพุดโทรไปมันจะเจ็บชาๆงันไม่ต้องไปสนใจมันเดี๋ยวมันก็จะลืมแล้วมันก็จะนั่งต่อไปได้มันมันรู้สึกว่าแต่ละช่วงเวแต่ละช่วงของวันมันจะอารมณ์มันเหมือนกับพุดโธมันมันมันเอาไม่ค่อยอยู่บางช่วงอย่างเช่นตื่นเช้ามามันรู้สึก หดหูเหลืออะไรมาเนี้ยครับมันรู้สึกว่าต้องพุดโทรัวอย่างเงี้ยครับอาจารย์ได้พุทธโทรรัก็ได้พุทโทรชาก็ได้วิธีไหนที่ทําให้ใจเราไม่เป็นกังวลไม่ไปวุ่นวายกับอารมณ์ไม่ใช่ได้อย่าไปอยากให้อารมณ์มันหามันหดหู ก, ก็ช่างมันให้รู้ว่ามันโหดหัวไปเราไปสั่งมันไม่ได้ขอบภระอาจารย์หัดอยู่กับอารมณทุกเชนอารมณดีก็ได้หไม่ดีก็ได้ ด้วยการใช้พุโทโธพุโทโธอย่าไปต่อต้านอย่าไปเปลี่ยนแปลงมันยิ่งเปลี่ยนยิ่งไปยิ่งยิ่งหดถู่อย่างนั้นทีเพรมันทําไม่ได้ก็ลปล่อยมันหดหู่ไปแล้วเราก็มาอยู่ที่พุโทโธพุโทโธของเราไปอยู่กับมันไปเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนไปเองมันเป็นอ น, นิจจามันไม่เทียมครับอาจารย์แล้วอ่าเหมือนกับเราอารมณ์มีความทุกข์กับอารมณ์ที่เรา ไม่มีความทุกข์อยู่นะครับเาจารยแล้วการปฏิบัติเนี่ยอันไหนมันมันมันจะโอเคกว่าครับอาจารย์พูดถึงคือเราปฏิบัติเพื่อดับความทุกข์ถ้าไม่มีความทุกข์ก็แสดงว่าเราต้องมีงานทํานะเราต้องใช้ปัญญาและใช้สติมาดับความทุกข์นี้ไปแต่ถ้าไม่มีครัตอนที่ไม่มีความทุกข์เราก็ไม่ต้องทํำอะไรครับอาจารย์เห็นท่านมีท่านบอกทุกบ่กมีปัญญาบอกเกิดน่ะ อย่างให้มีปัญญาก็ต้องเกิดตอนที่มันมีความทุกข์แต่ตอนที่มัีความทุกข์เราจะมีกําลังที่จะคิดไปนะหางปัญญาได้หรือเปล่าตรงนีง้มันคิดไม่ค่อยได้ถ้าไม่ได้ก็ต้องคิดคิดไว้ล่วงหน้าก่อนคิดซ้อมไม่ก่อนคิดว่าถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เราจะทํำยังไงเช่นเราสูญเสียคนที่เรารักไปเราจะทํำยังไงเราจะนั่งโอบนั่งให้เสีย อ, อกเสียใจหรือเปล่าแล้วมันได้อะไรกลับคืนมาแล้วเปล่ามันก็ ไปจาด่าไปให้เห็นว่าเหมือนการสูญเสียเป็นเรื่องธรรมดามันต้องเกิดขึ้นเมื่อเกิดขึ้นแล้วจะไปอยากให้มันกลับมาก็จะทุกไปแบบนัานต้องปล่อยให้มันเป็นไปตามเรื่องของมันไปตองคิดไว้ก่อนพอเกิดเหตุการณ์จริงจะทําได้ไดก็คือตอนนี้เราเราจะใช้การนั่งสมาธิแล้วสอนตัวเองถูกไหมอาจารย์หรือว่าตอนไหน ต, ต้องเวลานั่งสมาธิไม่ต้องสอนตอนออกจากสมาธิแล้วไม่สอนอืมครับผม ก็คือเหมือนเราจิดนิ่งพอแล้วเราค่อยสอนตัวเองใช่ไหมครับไม่ตอนนิ่งให้มันนิ่งทำงานแต่เพื่อนไม่สอนให้มันออกจากสมาธิมาก่อนอย่างเช่นตอนนี้ยสารได้ทำตลาดเวลาตอนที่ไม่ได้อยู่ในสมาธิมันถือตอนนี้มันถือใช่มันมีปรัสนาสารว่าผู้อย่างไม่เทียมต้องมีการสิ้นสุดลงคือคือบางครั้งเวลาผมทุกข์แล้ว เหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเดินคุยกับตัวเองว่าเหมือนที่พระอาจารย์บอกว่าเราไปแก้มันไม่ได้เงี้ยเหมือนกับเราเหมือนตะคอกตัวเองว่าเหมือนเหมือนว่าทําไมไม่เข้าใจสักทีเนี่ยมันแก้ไม่ได้มันต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้มันมันมันใช่ไหมครับอาาใช่แต่มันเดือเพราะมันไม่เราไม่มีสติไม่มีสมาธิหยุดตัวตัวกิเลสที่มันไม่ยอมฟังเราเราถึงต้องหัดฝึกสมาธิให้หยุดหยุดหยุดกิเลสให้ได้ก่อนแล้วถึงมาสอนมัน แล้วก็สั่งให้มันเกิดได้ครับผมคือบางทีมันแค่แค่แบบไม่กี่ชั่วโมงที่เราสอนได้พอพอเผือเอากลับมาอีกแล้วเนี่ยครับอาจารย์แสดงว่าสมาี่เราหมดกําลังต้องกลับเข้าไปนั่งสมาธิก่อนครับพอาจารย์โอเคนะพอใจนะครับพอาจารย์ขอบพระคุณมากครับพอาจารย์ท่านต่อไปคุณเรโนวรเคปแต่นดได้ไหมอ่าประมาทการเลยจ้ะ พระอาจารย์ได้ยินไหมครับได้ยินชันอยู่ที่ไหนครับผมออยู่อิธ ย, ยาบ้านเกิดครับอิธยามีอะห ม, มีหลายอย่างครับเอาทีใดอยา่างมาเลยเอเอา่าไม่เคยไปถามพระอาจารย์ครูบาอาจารย์ท่าไหนมาก่อนในเรื่องนี้คือมันมันก็ว่า้ น, นานมาแล้วครับเหมือนกับกเราเร า, เรากําลังจะเข้าไปอาบน้ํารตื่นมาเช้ากําลังเข้าไปอาบน้ําแล้วมองว่ากําลังหยิบแตงตีฟันอย่างเงี้ยครับแล้วเราก็มองเห็นแขนข้างขวาตัวเองน่ะ มันเป็นมันเป็นอะไรที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับเราไม่รู้มันคืออะไรทั้งๆที่แขนข้างซ้ายเราเนี่ยเรามองแขนข้างซ้ายเราเนี่ยเราก็รู้ว่าเออเนี่ยแขนข้างซ้ายของเรานะแต่ว่าแขนข้างขวาเนี่ยมันคือก้อนอะไรไม่รู้ครับคือผมก็งงว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็มนไม่มีอะไรเราจินรับลุมแต่งไปเลยครับใครรูวนน้ว่ามันเป็นกุมแต่งชั่วคราวเดี๋ยวมันก็กลับเคลืนมาสูส่ความบจริงต่อไป ไม่ได้มีผลเสียอะไรใช่ไหมครับไม่มีผลเสียอะไรถ้าเราไม่ไปหลงตามมันไม่ต้องไปหลงตามมันก็ไม่ได้หลงแต่ว่าเราดูความจริงเราอย่าไปดูความคิดความคิดมันบางทีมันคิดคิดไม่ถูกตามความเป็นจริงความจริงคือแขนมันก็เป็นแขนอย่างนั้นใช่ไหมครับเหมือนเหมือนเรานึกไม่ออกว่าสิ่งนี้คืออะไรมันมันติดอยู่กับตัวเราเนี่ยเอสำคัญความคิดปรุงแต่งเราปรุงแต่งไปอ๋อโอเคก็คงจะคล้ายๆกับอีกเหตุการณ์หนึ่งที่ว่า วันนั้นตื่นขึ้นมารู้สึกว่าริมฝีปากเรามันอยู่ไกลจากตัวเรามากเลยครับเช่นเดียวกันแบบเช่นเดียวกันเนาะอย่าไปหลงตามนะควา <Okay. S 1> มเป็นจริงเดี๋ยวมันเนื้ว่าเราเป็นปญานาคเป็นอะไรขึ้นไปไม่ได้มันมันก็น่าจะน่าจะเพี้ยนแล้วครับถ้าเราไปเชื่อมันก็เพี้ยนถ้าเราไม่เชื่อแล้วมันก็ไม่เพี้ยนเราก็เป็นเราอยู่นี่แหละเราไม่ได้เปลี่ยนแปลงเลยมาค้นนั่งสมาธิไปแล้วถูกสังขารปรุงแต่งเราให้เป็นนู่นเป็นนี่แล้วก็คิดว่าเป็นจริงตามที่มันปรุงแต่ง แ ล, แล้วก็เพียรนะเคครับแล้วก็เออวันนั้นผมขับรถไปแล้วก็เห็นเหมือนกับว่าเห็นรถรถเพื่อนโรงงานขับมากับด้านข้างครับแล้วก็ค่อยค่อยเห็นความจํามันค่อยค่อยผุดขึ้นมาว่านี่คือรถของของเพื่อนโรงงานนะครับอย่างนี้อย่างนี้จับว่าเราเห็นสัญญาไหมครับก็เห็นเห็นรถเสร็จไม่เห็นสัญญาสัญญา <ผม S 1> เป็นความจาแต่เราเห็นตัว แต่ความจํานี้ยมันค่อยๆผุดขึ้นมาในความรู้สึกเราอะครับก็แสดงว่าเรานึกเรานึกขึ้นมาได้ ถ, ถ้านึกไม่ได้ก็มัน <MK. S 2> ก็ไม่รู้ว่าเป็นรถของใครใช่อ๋อครับครับไม่ต้องไปเห็นสัญญาหรอกเพราะว่าสัญญามันไม่จําเป็นจะต้องเห็นมันเป็นตัวที่ทําให้เราจําอะไรได้ครับอันนี้คือไม่ได้ตั้งใจครับมัน <Wen> มันเป็นของมันเองแล้วเออแล้วอย่างกรณีที่แบบว่าเรา ตอนนั้นนะคุณแม่ป่วยครับแเราก็ป่วยป่วยมัอนกับเราก็ไม่รู้คุณแม่จะรอดหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนเหนื่อยครับที่ต้องต้องพยายามแก้ปัญหาเลยครับแล้วก็เออเหมัอนกับมันมีวันหนึ่งที่เหนื่อยมากๆครับแล้วกําลังคิดว่าจะหาทางรักษาหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยดีครับแล้วเราก็อยู่ดีความคิด <c oughs> มันก็ปิ๊งของมันขึ้นมาเองว่าเฮ้ยถ้าถ้าแม่เราจะตายขึ้นมาวันนี้จริงๆอะเราจะเราจะมีปัญญาทําอะไรได้อะไรเงี้ยแล้วมันก็มันก็รู้สึกว่า โอเคมันก็เหมือนกับสบายใจขึ้นมาหรือโล่งขึ้นมานิดหนึ่งอะไรได้ก็มีดวงตาเห็นธรรมเห็นว่ามันเป็นอนาตตาเนื้อวิสัยของเราทํามันเกิดอะไรจึงเกิดก็ต้องเกิดแล้วก็ปล่อยแล้วก็ยอมรับกับความเป็นจริงไปครับก็ดีก็เป็นเห็นธรรมะเลยเห็นความจริงเห็นอนัตตาเห็นอนิจจ์เนี่ยใช่ครับ ถ, ถ้ามันจะเกิดเราจะไปทําไงได้ด ก็เลยคิดว่ามันทุกคนมันก็เกิดมามันก็ต้องตายสิ่งของทุกอย่างบนโลกนี้มันก็เสื่อมสลายขึ้นไปหมดนนันนนนนนนนพระพระอัญญากตายาพุทเจ้าบอกว่าเคยเห็นแล้วเนาะจริงในมีการเกิดขึ้นย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดาใช่ไหมครับเ ห, เห็นจริงก็ป่าเห็นได้ตลอดเวลาแล้วป่านี่คือส่งมันก็มันก็เป็ น, นเนื่องอ่ะครับเป็นเรื่อยๆว่าเราเห็นทุกอย่างหรือทํางานหรือว่า หากินหาอยู่ครับรถขับลาตึกรามบ้านช่องอะไรเงี้ยครับมันก็ดูแล้วไม่มีกัณสารอะไรเลยครับใช่มันก็จบลงมันก็ผ่านไปหมดไปร่างกายเราต่อไปก็เป็นแบบเดียวกันร่างกายก็ดำรงทภาพมันปกติไม่ได้ดูแลหรือว่าให้ความสําคัญเป็นพิเศษอะไรเงี้ยครับในที่สุมันก็ต้องจบเหมือนกันร่างกายของแม่เราคือมีความรู้สึกว่าเราจะอยู่ก็ได้เราจะตายก็ได้นะอะไรเงี้ยไม่ได้ก็ดีไม่ทุกข์กับมันก็ใช้ได้ครับ ถูกต้องตอนนี้ยังคิดอย่างนี้อยู่ปะ่ะเป็นอยู่เนื่องครับคิดเมื่อไหร่ก็เหมือนเดิมคิดว่าคิดว่าถ้าสมมติว่าตอนนี้มีคนเอามีดฟันคอเราขาดเราจะรู้สึกเสียใจไหมเราจะตายอะไรอย่างา น, านี้เรารู้สึกว่าในใจรลึกๆเราคิดว่าก็ก็ก็ดีเหมือนกันนะหรือว่าก็ไม่ได้เสียใจนะอะไรอย่างเนี้ยครับไม่ลไม say, ไมลกลัวไหมไม่กลัวไม่เสีออยใจไม่กลัวกลัวไหมถ้าถ้าถ้าสติไม่ค่อยดีอาจจะมีเว็บหนึ่งที่ทรู้สึกกลัวแต่ถ้าพิเจราน า, นาดีก็คิดว่าไม่กลัว ถ้ามันจะเกิดเราจะทำไงได้ใช่ไหมกลมมุวทำอะไรไปเปยนแปลงไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรครับอารมณ์ประมาณนั้นเลยครับเออก็ดีงกนถูกต้องพยายามคิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆก็แล้วกันกับทุกสิ่งทุกอย่างไปนะครับแล้วใจเราจะเบาใจเราจะสบายไม่เป็นใ ช, ใช่ใช่ใช่ใช่ครับมันมันพอคิดได้อย่างนี้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างหรือปัญหาอะไรเงี้ยมันเบาแล้วเราก็รู้แบบเหมือนกับเราอยู่อีกโลกหนึ่งกับคนทั่วๆไป อะไรประมาณนั้นครับเหมือนเหมือ น, นสูตรสามยอมยอมยอมรับความเป็นจริงหยุดต่อหน้าน้ำใจก็จะเย็นครั บ, รบโอเคนะมีอะไรไหมไม่มีแล้วครับอาจารย์รขอไปที่ท่านต่อไปนะ ค, ค, คุณพัตราพรวสุขจากสเปนยูบิซ่า กล่าวนามสกันเจ้าค่ะหลวงพอ่อเปยังไงสมายดีสบายดีเจ้าค่ะหลวงพ่อแสดงความยินดีด้วยเจ้าค<า>่ะหลวงพ่อฉีดวัคซีนแล้วขอให้หลวงพ่อมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะเจ้าค่ะอา่าถ้าถือเราฉีดได้ ย, ยังเราฉีจ้าค่ะรค่ะรอรคนกีด เจ้าค่ะรอคิวเจ้าค่ะหลวงพ่อเจ้าค่ะมาวันวิสาขาบูชาที่ผ่านมาเจ้าค่ะได้ได้ลูกได้สินเจ็ดน ะ, ะพอดีที่บ้านเขาคือสถานการณ์เขาอซีเรียส เ, เรื่องเรื่องเรื่องนอกเรื่องแมวอะไรกันโยม ก, ก็ลูกก็ถ้าเกิดไม่นั่งรว่วมโตเดี๋ยวบรรยากาศอลไรมันก็จะมันจะยิ่งแย่ไปก็เลย ต, ต้องต้องนั่งรว่วมโตแต่ว่า จิตนะคะมันมันแบบว่าเห็นพิจารณาดูแล้วกไ็ไม่ไม่ไม่อยากทานนะคะแต่ว่าเราก็นั่งร่วมแล้วก็นั่งทานเพื่อเพื่อที่จะไม่อยากให้สามีกับลูกครอบครัวเขาแบบกาลังกำลังเศร้าซึม ก, ก, ก, กันเงนี้ยค่ะแล้วก็คืนนั้นลูกก็ปฏิบัติได้ถึงทีสี่สิบสี่นาทีเ้าค่ะจะถึงเช้าแล้วมันมันไม่ไม่ ไ, มไหวรู้สึกว่าเอะพยายามลุกขึ้นมาเดินแล้วก็ ก็ไม่ไหวแล้วรู้สึกเวียนหัวแบบเหมือนกินอะเข้ามาแล้วเราก็จะฝืนแล้วเราก็ถ้าฝืนแล้วเราเราหลับไปโดยไม่มีสเติเราเราหยุดแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราค่อยมาทําต่ออย่างนี้ลูกคิดถูกไหมเ้าค่ะถ้าทำไม่ไหวก็พักก่อนคนเราไม่ใช่ช็อ ป, ปแมนมนะบางทีมันทำไม่ได้ก็ต้องหยุดก่อนไม่เป็นไรอ่าขอบคุณเจ้าค่ ะ, คะแต่ถ้าแต่ถ้าฝืนได้บังคับได้เขายามฝืนไปบังคับไปจกนกระทั่งไม่ไหวจริงๆก็พักก่อน สช่ค่ะรักษาทุกเจ้าหลวงพอ่อครับษ า, า, ารักษาได้กี่ข้อรักษาไปเพราะเราไม่ได้อยู่คนเดียวเราเกี่ยวข้าาองกับคนอื่นวันที้จะไปก็จะต้องก็จ ะ, งจะต้องผ่อนสั้นผ่อนยาวบ้างไม่ใช่เต็งเมย์ทัอ้งอยู่กับคนอื่นไม่ได้เลยเจ้าค้าหลวงพอ่อนะไม่ต้องไปกังวลนะไม่ต้องไปคิดว่าโอ้เราไม่รักษาเราจะ จะเป็นคนได้เทหรือเปล่าไม่ใช่หล้วบงเทีเหตุผลบังคับเหตุการณ์บังคับก็ไม่เป็นไรค่ะหลวงพ่อนะก็ค่ะจาบขอบขึ้นก็ค่ะขอให้หลวงพ่อมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงก็ค่ะอ่าครับอาจารย์มิการัซี่แคบปเอสเอาอะไรมาวางไว้ที่หน้าต้องยังจะพูดไหมหรือเอะไรอภิษฐาน์มาโชวเลยผมไม่พูดน้องไอดาว อ๋อมาตามวาทิณะกล้องผมลองไลน์มิวส์ดูล้วครับไม่ไม่น่าพูดกับปิดแล้วครับปิดนะครับอาทที่เป็นเวลาเชนีอาทิตย์ที่แล้วไม่ได้เข้ามาเข้ามาลบากที่จะแต่เอาละมาตรการค่ะท่านอาจารย์อาทิตย์ที่แล้วอฟังหู่ข้างนอกค่ะเห็นคนเยอะเกินค่ะเลยไม่ได้เข้ามาค่ะมีอะไรบ้างกันนี่ จะรายงานการปฏิบัตินายคะ่ะช่วงสามอาทิตย์ที่ผ่านมายมได้ปฏิบัติเยอะมากเลยคะ่ะเพราะว่าพอบ้านยมไปเข้าคอร์สฟื้นฟูสุขภาพร่างกายคือต้องไปห้าอาทิตย์เลยะคะ่ะแล้วพอดีเป็นช่วงโควิดไปเยี่ยมไม่ได้ด้วยคะ่ะเขาเพราะว่ามันเป็นกึ่งกึงโรงพยาบาลกึ่งกึโร ง, งแรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เขาไปอยู่ะคะ่ะฟื้นฟูสุขภาพยมกไ็ได้ปฏิบัติเยอะเลยคะ่ะท่านตั้งแต่เช้าตีสามตีสี่จนถึงเที่ยงคืนก็ มันนาทีทองเลยค่ะได้ปฏิบัติเต็มที่ค่ะเห็นความก้าวหน้าอย่างเดียวคือสติอยู่กับรู้เท่านั้นแหละค่ะท่านท่านพายจางค่ะแล้วก็เข้าสมาธิได้ง่ายขึ้นค่ะออยู่ได้นานขึ้นค่ะมีความสุขมากขึ้นใช่ค่ะเยน็นทั้งวันเลยค่ะไม่ต้องไปหาความสุขจากสิ่งอื่นแล้วถ้าเราได้ความสุขทางนี้ก็เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั่วง ค่ะก็พิจารณากายได้นานขึ้นค่ะเมื่อก่อนต้องใช้ความพยายามนานมากในการนึกภาพเปิดมีผ่าใต้ผิวหนังลงไปชั้นใครมันชั้นอะไรลงไปอย่างนี้ค่ะดี๋ยวนี้อยู่ได้นานขึ้นแล้วก็บางทีก็พิจรนารณาได้เป็นชั่วโมงเหมือนกันค่ะพอมันรู้สึกว่ามันเริ่มนึกภาพไม่ออกแล้วก็จะกลับไปสมาธิอีกรอบหนึ่งค่ะอะ่ีพิจารณาเพื่อให้มันจดจําอยู่ในใจของเรา นในเวลาเราต้องการจะใช้มันมันจะได้โผล่ขึ้นมาได้ค่ะมันก็ยังเป็นแบบการการพิจารณาแบบนึกเอานึกเอาอยู่ะคะ่ะเอาไว้ต่อยมันฝังอยู่ในใจเราพอเกิดการอารมณ์ขึ้นมาแล้วเกิดความทุกข์กับร่างกายก็เอาด้นานออกมาดูเลยค่ะอะไม่ได้ตั้งใจจะรักษาศีลแปดนะคะแต่ว่ามันก็ช่วงที่ผ่านมามันมันก็ได้ของมันเองนะคะเพราะว่าพอบันไปอยู่ก็ กินน้อยโดยอัตโนมัติค่ะแต่อาจจะไม่ได้เที่ยงวันตรงอะไรอย่างนี้ยค่ะบางทีประชุมอยู่ก็อาจจะเลยไปถึงบ่ายสองอย่างนี้ยค่ะแต่ก็หลังจากนั้นก็จะงดอย่างนี้ยค่ะท่านาจารย์ไม่เป็นไรแล้ก็เราก็ยังเลื่อนเวลาเลื่อนนาฬิกาของเราให้มันให้มันชาลงจากสองยี่ห้อมันชาเนงั้นต้องอดจริงๆค่ะถ้าเอาถึงเที่ยงวันตรงอะไรองี้ค่ะมันต้องอดหิวเลยค่ะแต่ว่าแต่พอหิวจริงๆมันก็ดีนะคะพอมันหิวนิดๆมันก็นั่งนั่งได้นานนะคะไม่ม่วนะ ค่ะถ้าทานเยอะไปมันก็มันก็หนักตัวค่ะตัวหนักค่ะหนังตาหนึง่งหนังตาหย่อนค่ะแต่มันก็ต้องเริ่มแบบถ้าเกิดว่านั่งเที่ยงคืนแล้วก็ตื่นตีสี่อะไรเงี้ยค่ะมันสามสี่วันมันเริ่มไม่ไหวก็อาจจะต้องนอนให้มันสักวันหนึ่งนอนนอนให้เต็มที่สักวันหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ได้แบบได้ลุยต่ออะไรเงี้ยค่ะได้ก็ต้องเปงงน็นแบบแบบางกางต้องดูแลร่างกายด้วยเิฉะนัร่างก า, ายก็จะอยู่ไปไม่รอดตลอดรอดไป ไม่งั้นวูบค่ะพระอาจารย์มั น, นหัก ด, ดิบมันมันก็วูบเหมือนกันนะคะก็ทำามันช่วงช่วงในการปฏิบัติเข้มข้นที่ไม่ได้มาให้ถึงทับตลอดเวลาใช่ไหค่ะทาไปตามมุ่ยังหือสองาทิต ค, ค่ะที่จะได้ปฏิบัติเต็มที่ค่ะอะก็ดีทำไปตอนนี้ถือว่าเป็นอาทีทองของเราก็แล้วกันนะใช่ค่ะรอมานานมากมไม่มีรูปเต่าหรือโนมรูเต่ามีค่ะ ม, มียงก็ทำอาหารแบบว่า พาสต้าหม้อใหญ่อะไรอย่างเงี้ยคะกินกลางวันเย็นอาหารแบบมื้อเดียวก็กินอาหารจานเดียวแบบเดียวใช่ค่ะเหมือนกันแต่เด็กๆเขาก็ไม่เดือดร้อนอะไรแล้วเขาโตแล้วค่ะเป็นวัยรุ่นแล้วเหมือนกันเขาก็ต้องการมีเวลาส่วนตัวเลย่างเงี้ยค่ะแม่ก็สบายเลยค่ะก็ดีกตามวันตามยูไม่ไม่ยุ่งเกี่ยวกันใช่ค่ะพอเขาต้องการความช่วยเหลืออะไรเขาก็จะบอกแม่หนูอยากให้แม่ช่วยอย่างนั้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สบายไปค่ะ แล้มีอะไรคนะท่านใจารย์มาเล่าฟังเพื่อนๆจะได้ได้เห็นความก้าวหน้าของแต่ละคนนะมันเป็นยังไงโอเครู้สึกว่าทุกท่านได้ถามเราถามกันหมดแล้วนะนะขออนุญาตครับคุณคุณแหวนชัยเขาน่าจะได้ไหม่แล้วครตอนนี้ยกมืออยู่ข้างบนครับน <มา S 1> ้องเดิมแหวนชัยอาจารย์แล้วมาตามผ่าอาจารย์ครับผ่าอาจารย์ ผูอ้าาอาจารย์ได้ยินได้ยิ น, ยนไหมครับได้ยครับครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ได้เข้ามากราบแมาสักการะพระอาจารย์อยู่ที่ไหนอยูอ่กรุงเทพแถวหลักสี่ครับมีคำถามอะไรไห ม, อ, มอยากจะถามผูอาจารย์ว่าตอนนี้ในจิตใจมนันรู้สึกว่าหมดข่วงเรื่องความเป็นห่วงลูกหลานหรือว่าญาติพี่น้อง คือไม่ค่อยเป็นทุกข์กับสิ่งเหล่านี้แล้วอาจารย์นิว่าแต่ว่ากลกับเซนเซทีฟกับเรื่องนี้ว่าการพัดภาพครับเวลาว่าไปดูละคร อ, อะไรที่ว่าเกิดการพัดภาพหลืออะไรเนี่ยเบ่อ น, น้ำตาลก็จะแตกขึ้นมาเป็นซึ่งสมัยก่อนมันไม่ได้เป็นขนาดนี้อะก็ะสามพระอาจารย์ว่าทำไมถึงเป็ตอนจารยนิว จ, จะมองมันแบบ เอาจริงเองจาจังก็มากกว่าเมากกืามากก่อ ก, ก่อนเมื่อก่อนแล้วมันจะอาจจะคิดแบบผ่านๆไปแต่ตอนนี้เรามันเริ่มคิดเป็นว่ามันใกล้เราได้รอายุก็มากขึ้นมากขึ้นความจริงของการับ้ากจากกันมันก็ชัดขึ้นชัดขึ้นมันก็เลยเกิดความทุกข์ขึ้นมามากขึ้นกันเลยอาจจะไม่ใช่ทุกหรอกเพียงแต่อาจจะเห็นสภาพว่าในที่สุดเราก็ต้องจากกันนะ มันจะมีความเซนสิตี้มากกว่าแต่ก่อนเออแต่ก่อนเรา เ, เรา เ, เราเล่มเห็นปายชีวิตของเราแล้ว อ, อย่างมันก็เลยเป็นมันเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นจริงมากขึ้นพวก อ, อย่างง่ายเมื่อก่อนมันยังอยู่ห่างไกลอยู่กาเลยรู้สึกว่ามันยังไม่เป็นของจริงเท่าไหร่โอ้แล้วอย่างนี้ทํำยังไงถึงจะได้ตัดตัวอความเสียใจอะไรพวกนี้ยทําสมาธิทําจิตให้เนื่งให้สงบพอจิตสง บ, ม, บมันก็จะเฉยได้มันก็จะไม่ไป เจาจะปล่อยวางได้่ปล่อยวางได้เพราะมายถึงว่ามันเป็นเหตุที่เราลงพ้นไปไมได้ใช่ไหมทุกอยาก่างการพันธะจากกันมันต้องเกิดขึ้นกับทุกคนแต่าทับใจไม่ได้เพราะใจเราไม่สงบไม่มีสมาธิพอนึ่พนพยายามนั่งมสมาธินั่าดูลมหายใจและนั่งพุโทโธไปให้จิตนิ่งไปดูเบิกขาให้ได้พอเบิกขาแล้วนี้พอคิดถึงการพันธาจากกันก็จะใช้ได้อืมครับ เมื่อก่อนเมื่อก่อนก็พุดโธหนักเหมือนกันก็นทั้งวันเกือบทั้งวันเหมือนกันก็จิตก็มีความสงบร่มเย็นดีค่ับจะนอนก็สบายจะเดินก็สบายมันเหมือนว่าใจิตใจมันมีความสุขหลั่งออกมามันมีความอิ่มเติมมีความสบายใจอะไรอย่างเงี้ยครับนั่นเแเราต้องการตรงนั้นเนาะพอเราหยุดทำแล้วก็าอ่ามันจะมันเหมือนเสื่อมไปอะครับเพราะว่าม า, มาดูแลได้ได แล้วทมันกต้องเยียวยาไม่ยากมากเลยคุณทุกทําต่อเนื่อคุณอไปให้ตอบต่อเนื่อคุณนั่งเฉยๆนั่งให้มันนิ่งด้วยนั่งหลับตาให้มันนิ่งมันจะมันจะสงบมากขึ้นนั่งนั่นได้มากขึ้นแต่เวลาจากสมาธิมาจิตมันจะมันจะไม่ไม่ไม่อ่อนไหวได้งกับเหตุการณ์ต่าง อันนี้คือมาดูจิตของตัวเองแล้วก็รู้สึกว่าปล่อยวางจากกอสิ่งต่างๆได้เบาลงเบาลงความโกรธก็เบาลงแท่จะไม่ค่อยเห็นในแต่ละวันก็เงยเงยถูกทางแล้วแล้วก็เรื่องทรัพย์สินเงินทองก็ค่อยไม่ค่อยจะมีความกระตือรือร้นอยากได้อะไรก็มีความปล่อยวางมากเอลูกหลานญาติพี่น้องตอนนี้เราก็ไม่ห่วงแม่อะไรก็จะมีตัวนี้ตัวเดียวที่ว่า การพักผ้าเนี่ยมันยังสะเทือนจิตครับจิตยังไม่ยอมรับตัวนี้จน<ด>ทำไงครับใช่ครับทำจิตให้สงบแล้วมันก็จะยอมรับได้อ๋อสงบไม่พ อ, พอมัสงบไม่พ อ, อ, อครับผมพยายามฝึกนั่งสมาธิให้จิตนั่งนานๆสงบนานๆแล้วออกมาเวลาคิดถึงการพักผ้าจากกัรนั่นก็จะเฉยได้ครับและการที่ผมอ่านั่งสมาธิอาจจะไม่ได้นาน แต่ว่าใช้วิธีทั้งวันให้อบริการพุทโธทั้งวันนี่ก็แทนกันได้ใช่ไหมได้ได้ก็ได้แต่ในที่สุดก็ต้องมานั่งเพราะถ้าเราพุทโธได้ทั้งวันเวลาตอบเวลานั่งมันก็จะนั่งได้นานต่อไปได้นานเพราะเวลานั่งมันจะสงบมันจะสงบมากกว่าเวลาที่เราไม่ได้นั่งครับจิตมันจะได้่มมันาด้มากกว่าจิตจะอิ่มจะเย็นได้มากกว่า แต่ น, นี้ว่าร่างกายเกิดเจตนาขึ้นมายังยังไม่ผ่านตัวนี้ครับก็ไมกปมันไปมันเจ็บไปอย่าไปอย่าไปสนใจมันให้อยู่กับพุโทโธไป mm hmm. อย่มันก็หานไปได้ถ้าอยู่กับพุโทโธแล้วจิตจะไม่ไม่เดือดร้อนกับความเจ็บของร่างกายครับผมใช้พุโทโธไปถ้าพุโทโธไปแต่ว่าอยากไปขยับร่างกายเวลามันเจ็บไปมันเจ็บไปแล้วก็พุโทโธไปอย่ามันก็หายออกไ ป, ไป ดูเวทนาไปเรื <watercolor> ่อยๆไม่ได้ไม่ต้องดูให้อยู่กับพุทโธไปดูพุทโธอยู่กับพุทโธอ่าตามผมก็ดูเวทนาเดียวมันเกิดความอยากให้มันหายนี่ทําให้จิตทุกข์มากขึ้นไงมล้าต้องการไม่ไม่ไม่ให้ไปสนใจกับเวทนาปล่อยมันอยู่เอามันไปครับไม่ต้องไปรับรู้มันแล้วใจเราจะไม่เดือดร้อนจิตจะได้ไม่ทุกข์กับมันตามผม โอเคนะมีอะไรไหมอ๋อวันนี้ยังไม่มีครับเอาแค่นี้ก่อนละก็กว่าจะเข้ามาได้ก็หลายหลายรอบนะเสียงดรไม่เข้ามานี่เป็นโชคดีเพิ่งฟังท่านอาจารย์ติดตามเมื่อสองสมวันก่อนอก็พอดีว่าเห็นว่ามีประชุมทาง Zoom ก็เลยลองเข้ามาดูเกิดว่าที่ก็จะมีทางช่อง YouTube ของดรวีถ้ารู้จักก็ลองเข้าไปได้สองทุ่มก็มีถามตอบคาถาม อาจจะเป็นเป็นการสองคําถามเข้ามาเป็นการข้อความสองข้อความเข้ามาแล้วก็จะตอบคําถามอแต่ถ้าอยากจะคุยก็ต้องเข้ามาเคยมาพุ่งเนี่ยสองทุ่มทุกวันท totally ุกวันประมาณสองทุ่มแต่คี่วันจะยาวหน่อยนะก็ต้องนั่งรอไม่เป็นไรก็รอได้ก็ันโอเคนะครับทันทีกันนะขอบคุณครับอาจารย์โอเคมีใครใหม่เข้ามาไม่ไม่มีแล้วนะไม่มีนะครับ มีใครอยากจะถามรอบสองไม่มีคำถามใครอยากจะถามก็ยกเือนขึ้นได้หรือหรือว่าจะให้ถามทามคุณลาตอบจากเฟซบุ๊กก่อนไนดะ้ ค, คุณลามีไหมคุณลาก่อนเลยเชนมีทั้งหมดสิบหกคำถามจาก Facebook และ Youtube เจ้าค่ ะ, ะามาเลยคำถามแรกจากคุณภูมิใจในไทยการทำทานถ้าต้องเลือกระหว่างการทำทานกับผู้มีสิน และการทำทานกับผู้ขาดแคลนควรเลือกอะไรและเพราะอะไรครับก็อยู่ที่ว่าเราต้องการอะไรถ้าเราต้องการสนับสนุนคนมีศีลนเราก็ทํากับคนที่มีสินถ้าเราต้องการช่วยเหลือคนที่ขาดแคลนล้วก็ไปทํากับคนขาดแคลนเท่านั้นแต่การให้ของเราได่เท่ากันไม่ว่าจะให้ไข่ให้ร้อยบาทก็ได้เท่าได้ได้เหมือนกันให้กับคนมีศีลก็ได้ได้ได้รูปร้อยบาท ทำกับคนขาดแคลนก็ได้หมื่นร้ยบาทเหมือนกันอยู่ที่ว่าเราต้องการจะทํากับใครเลือกทําได้ช่วยคนที่เราไปทําด้วยเขาจะให้เรากลับมานี่ก็อยู่ที่ว่าเขามีอะไรจะให้เราถ้าเราไปทํากับคนที่เขามีสีเขาก็จะพูดเรื่องสีนี่เราฟังเนี่ะถ้าเราไปทํากับคนที่เขาเดือดร้อนเขาไม่มีอะไรเขก็อาจจะมีแค่ขอบคุณต่างกันตรงนี้มี มีห้าคำถามจากผู้ไม่ประสง์ออกนามเจ้าค่ะคำถามแรกฝึกนั่งสมาธิดูลมหายใจบางช่วงที่มีความว่างจากลมหายใจก็พยายามหยุดความคิดสักพักลมหายใจก็กลับมาแล้วก็ว่างจากลมหายใจใหม่สลับกันไปสลับกันมาอันนี้เป็นการปฏิบัติที่ถูกต้องหรือไม่เจ้าค่ะบางอย่งมันไม่น่าจะว่างจากลมหายใจนะถ้าว่าก็แสดงว่าเราไม่มีสติช่วงนั้นนะ ถ้ามีสติมันจะเห็นลมหายใจอย่างต่อเนื่องข้อที่สองปัจจุบันนั่งดูลมหายใจวันละสามรอบรอบละไม่เกินหนึ่งชั่วโมงสลับกับการเดินจงกรมสองชั่วโมงบางเวลาก็จะนั่งสวดมนต์และฟังเทเหนูควรปรับการปฏิบัติในส่วนใดบ้างเพื่อให้สามารถเพิ่มเวลาในการนั่งสมาธิให้ได้นานขึ้นเจ้าคะ ก็ต้องฝึกสติให้มากขึ้นเวลาที่เราไม่ได้นั่งสมาธิเช่นเดินจยกงงหรือเวลาเราทําอะไรก็ให้ไม่สติอยู่กับงานที่เราทําอยากปล่อยให้ใจไปคิดเห็นเรื่องราวต่างๆแล้เวลามานั่งสมาธิม็นจะนั่งได้ได้ได้นานขึ้นนิ่งได้มากขึ้นข้อที่สามการฝึกนั่งสมาธิโดยลมหายใจ ต้องพยายามเพิ่มเวลานั่งต่อครั้งให้ได้นานหลายหลชั่วโมงหรือไม่เจ้าคะหากนั่งได้ไม่เกินหนึ่งชั่วโมงจะมีผลต่อการเข้าสู่ความสงบหรือเข้าสมาธิไหมเจ้าคะคือการนั่งสมาธินี่เราดูผลเป็นหลักเราอย่าไปดูเวลาเนี่นั่งแล้วขอให้จิตสงบถ้าจิตสงบแล้วมันก็มันจะสงบได้นานหรือไม่นานดูตรงนี้แต่ถ้า แต่ยังไม่สงบเราก็ต้องดูว่าเรานั่งได้ฟื้นบังคับให้นั่งให้ในานทักทักเท่าไหร่แต่ถ้านั่งนานแต่จิตไม่สงบ ม, มันก็ไม่ได้ผลอะไรนั้นต้องดูว่าเรามีสติด้วยหรือเปล่าเวลานั่งถ้ามีสติแล้วมันจะสงบจะนิ่งจะเยนจะสบายส่วนยนานกน็ไม่นานก็ไม่สมมมําคัญขอให้มันสงบก็มมมแล้วกันถ้าสงบแล้วมันก็จะได้นานเองถ้ามันจะถอนออกมาแล้วก็ให้มันกลับเข้าไปใหม่ได้ด้วยการดูลงใหม ข้อที่สี่เวลาเดินจงกรมจะมีความคิดแทรกแบบเข้ามาหนูก็จะรีบกลับไปรู้สึกที่เท้ากระทบพื้นต้องฝึกเพิ่มอย่างไรจึงจะลดความคิดแทรกเข้ามาได้เจ้าค่ะก็พยายามให้อยู่กับเท้าไปเรื่อยๆอย่าไปสนใจกับความคิดให้เกาะติดไปกับเท้าอย่าทิ้งเท้าเลยข้อที่ห้าหนูพบปัญหาหลังจากการอดอาหารวันที่กลับมาทานบางครั้งจะทานเยอะ ทำให้มีปัญหาในการภาวนาสติอ่อนและฟุ้งซ่านส่งผลต่อความคืบหน้าในการปฏิบัติรบกวนท่านพระอาจารย์แนะนําวิธีเพื่อแก้ปัญหานี้อย่างไรได้บ้างเจ้าค่ะก็ลองเอาอาหารที่เราจะกินนี่มาคูุกกันอยู่คลุกให้มันเป็นอาหารจานเดียวเลยอากับข้าวเอาข้าวเอาของหวานของข้าวขนมนมอะไรมาเทใส่ในชามแล้วก็คลุกมันให้เป็นอาหารรดเดียวอาหารจานเดียว ดูเช่จะกินได้มากได้น้อยคำถามต่อไปจากคุณวิชาติขอนอบน้อมกราบพ่อมแม่พระอาจารย์สุชาติครับกับผมขอโอกาสพระอาจารย์ช่วยอธิบายพระโสดาบานปฏิมักให้ฟังหน่อยครับขอพระคุณพระอาจารย์อย่างสูงครับคือการที่เราจะเป็นพระโสดาบานได้เราก็ต้องมีมักที่พาเราไปเสริมการเป็นโซดาบานโซดาปฏิมักก็คือการปฏิบัติ การพิจารณาปัญญาเพื่อนละสังโยชน์สามตัวคือสกรรยายทิฏฐิวิจิกิจฉานะกศีลพัตตาปะละมั่นต้องมีปัญญาให้เห็นว่าสกรรยายทิฏฐิเป็นความเห็นที่ว่าร่างกายขันห้าเป็นเราเป็นตัวเรานี่เป็นความเห็นผิดจริงแล้วร่างกายหรือขันห้านี้ไม่ใช่ตัวเราของเรา เราเห็นชัดเจนในปัญญาเราก็จะปล่อยวางไม่ไปยึดไปถือว่าร่างกายเป็นตัวเราของเราไม่ไปยึดไปถือว่าเวทนาสัญญาสังขารเป็นเราปล่อยวางได้จิตเราก็จะไม่ทุกข์กับร่างกายไม่ถุ ก, กเวทนาเราก็เราก็จะบรรลุเป็นพระสวัดาดิ์ได้พอเรามีดวงตาเห็นธรรมเห็นว่าขันธ์ห้าไม่ใช่ตัวเราอนธ์หไม่เที่ยง เราก็จะไม่สงสัยในพระพุทธธรรมพระสัจหนึ่ต่อไปวิจีกชาก็จะหายไปพร้อมๆกันศีลพัฒนาบาลานการไปทำการการรูปศีลรูปธรรมในศีลก็จะหายไปเรจะเห็นว่าความทุกข์ของเรานีเกิดจากการกระทาบาปถ้าเราไม่กระทาบาปความทุกข์ก็จะไม่เกิดเนือความทุกข์เกิดจากความอยากเองเอาถ้าเรามันดับความอยากได้วความทุกข์ก็ไม่เกิด เราก็ไม่ต้องไปเราก็จะรักษาศีลอย่างมั่นคงเชื่อกดแทงกลับอันนี้คือมั่นโซดาปฏิบัติก่อนที่จะมาเจริญปัญญาได้ก็ต้องผ่านมีการถือศีอน่ายากถือศีนห้าศีนแปดเพื่อมาฝึกสมาธิให้ได้หนุนเบกขาเมื่มอได้หุเบกขาเราวที่ก็มาเจริญปัญญาตายละอริยสัจสีเพื่อให้เห็นจกักรยาทิฏฐิ เรักษากายยะทิฏฐิเพื่อจะได้มีดวงตาเห็นธรรมจะได้ไม่สงสัยในพระพุทธธรรมประเสริเห็นกฎแห่งกรรมเห็นว่าความทุกขเกกกกเ์เกิดจากการการะทาของเราเกิดจากการกระทาบาปเกิดจากตัณหาคว า, ภามอยากต่อไปมีหกคำถามจากคุณไอรีนคะ่ะคำถามแรกกลาวนมรสการพระอาจารย์ ปกติเวลาอดนอนแล้วโฟกัสอะไรไม่ค่อยได้เพ่งสติไม่ได้เลยแต่ก็มีข้อดีที่คิดอะไรไม่ค่อยออกอย่างนี้ถ้าฝึกสติให้มากแล้วถึงนอนน้อยก็ยังจะบังคับสติให้ได้ใช่ไหมคะก็ลองทําดูสิเราต้องาการที่จะควบคุมความคิดหยุดควาคิดแล้วก็นั่งสมาธิให้จิตให้สงบ พ่อแม่ครูอาจารย์หลายท่านแนะนําให้นอนน้อยหนูยังไม่เคยเห็นผลในการอดนอนพระอาจารย์มีประสบการณ์อย่างไรในการอดนอนบ้างคะคือถ้านอนน้อยเราก็จะได้มีเวลาปฏิบัติมากขึ้นนั่นเองแต่ในตอนต้นที่เราฝึกนี้เราอาจจะยังไม่มีกํำลังพอเราก็นอนไปตามตามความต้องการของเราไปก่อนต่อไปเมื่อเราจเจริญสติได้มากขึ้น ความม่วงนอนมันก็จะน้อยลงความต้องการจะนอนมันก็จะน้อยลงเราก็ลดการการนอนให้น้อยลงไปได้คำ ถ, ถามต่อไปกราบขอคําแนะนําเรื่องความยาวของทางเดินจงกรมสมัยอยู่บ้านต่าทางเดินจงกรมของพระยาวกี่ก้าวคะออขนาดกลางๆ ก, ก, ก็คือ25ก้าวแต่ถ้าบางทีทำ25 5, มันสั้นกว่านั้นก็ก็ เออยี่สิบเก้าก็ได้เดินทางถ้าอยากให้มันยาวสี่สิบเก้าก็ได้อันนี้แล้วแต่อา้จแความพอใจของผู้ปฏิบัติชอบยาวชอบสั้นหรือชอบขนาดกลางก็เลือกทําแต่อย่าสั้นกว่ายี่สิบเพราะมันจะทําให้เวีนหัวเพราะมันสั้นเกินไปเนียแล้วเลี้ยวกับแล้วมันจะเวีนหัวเลี่ยวกับบ่อยขึ้นคําถามต่อไป ไนื้ดูฝนพระเดินจงกรมที่ไหนคะเวลาฝนตกก็ไม่ก็ไม่เดินถ้าอยากจะเดินก็กลางวันเดินก็ได้แต่ส่วนใหญ่ไม่ได้ตกทั้งวันทั้งคืนไม่ได้ตกทุกวันทุกคืนในช่วงที่ฝนตกท่านก็นั่งสมาธิแทนคำถามต่อไปถ้าเดินในกุฏิคนยาวอย่างน้อยกี่ก้าวเคยไปนับทางเดินจงกรมของหลวงตาแต่เดินข้างๆไม่ได้เหยียบนะคะ ยาวสี่สิบเก้าซึ่งยาวกว่าทางเดินที่หนูเคยเห็นสองเท่าเจ้าค่ะนั่นแหละก็ท่านชอบยาวท่านก็ทำาี่สิบเก้าถ้าในกุฏิเดินไม่ได้หรอกกุเิมนแค่ถ้าอยู่ในกุติก็ต้องนั่งหรือยืนถ้าอยากเดินก็ต้องถ้าอยากจะเดิ น, นจริงๆก็กลางร่มเดินก็ไนดะ้ถ้าฝนตกคาถามต่อไปจะหลิกกับความยาวของทางเดินจงกรมเกี่ยวกันไหมคะ หรือว่าถ้าจิตสงบง่ายทางจงกรมอันไหนก็มีค่าเท่ากันคะสงบง่ายยากมันอยู่ที่สติส่วนการเดินสั้นยาวนี่อยู่ที่ความพอใจเหมือนเราซื้อรถนี่เราไปซื้อรถไม่เหมือนกันใช่ไหมสีก็ไม่เหมือนกันรถก็ไม่เหมือนกันบางคนก็ SU สูวบางคนก็รถเก๋งบางคนก็รถกระบะอันนี้ก็แล้วแต่ในความพอใจ การปฏิบัติก็แบบเดียวกันทางโยมมันก็ออใจสั้นๆบางคนก็ขนาดกลางมรงคนก็ชาบขนาดยาวคำ ถ, ถามตอบ เ, เหลืออีกสามคำถามเจ้าค่ะคำถามต่อไปจากคุณสุเดินจงกรมกลางคืนแล้วเหยียบสัตว์เล็กๆโดยไม่ตั้งใจเพราะมองไม่เห็นเช่นมดหอยท่าจะบาปไหมคะไม่บาปหรอกแต่ก็ควรที่จะมไฟไวเพื่อจะได้ไม่ไปเหยียบ เทีนมีชีวิแล้วถ้าเกิดไปเหยียบมูกล้า จ, จะถึกมูกัดได้นะคํคำถามต่อไปจากคุณเปียวันขอเมตตาพระอาจารย์โปรดชิ้แ น, นะค่ะโยมได้ลองใช้เสียงดนตรีแบบของทิเบตคล้ายเสียงะะระฆังกล้องแบบหึงหึง <c oughs> ไม่มีท่วงทำนองที่ปลุกกิเลสเพื่อน้อมนำสมองให้หยุดคิด เพื่อเป็นตัวช่วยให้เข้าสู่สมาธิเพียงห้าถึงหนาทีเท่านั้นแล้วตามด้วยคำบริกรรมพุทโธแบบปกติไปช่วยให้เข้าสมาธิได้ง่ายขึ้นได้จริงการปฏิบัติแบบนี้ถูกต้องไหมคะถ้าได้ผลจริงก็ถูกต้องเพราะผลคือถ้ามีจิตสงบนิ่งได้ก็ถูกต้อ ง, ง, องคำถามสุดท้ายเป็นคำถามจากเพจดรวีค่ะจากคุณลีลัน เคยพยายามนั่งสมาธิแต่ไม่สําเร็จสักทีทําสมาธิไม่ได้เลยทําอย่างไรดีคะฝึกสติก่อนต้องสร้างสติขึ้นมาด้วยการเจริญสติในขณะที่เราทํากิจกรรมต่างๆตั้งแต่ตื่นขึ้นมาก็ตั้งสติด้วยการบริกรรมพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆอย่าปล่อยให้ใจคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้หรือไม่เช่นนั้นก็ต้องเฝ้าดูการกระทําของเราว่าเรากำลังทําอะไรอยู่ ให้อยู่กับงานที่เรากำลังทอยู่เพียงอย่างเดียวแล้วต่อไปเวลามานั่งสมาธิจิตก็จะนั่งได้นั่งนั่งได้สงบได้หมดแล้วใช่ไหมคำถามหมดแล้วเจ้าค่ะมีใครอยากถามเป็นวลีนะเป็วลีนะครับหลวงพ่อเรื่องนิดนึงนะครับการอุทิศส่วนกุศลกับการแผ่เมตตาคือใช้คนใช้ยังไงอะครับแบบเราเล่า เ, เรื่องกันอุทิบุญก็คือเราต้องทําบุญก่อนเช่นใส่บาตแล้ว แล้วก็แบ่งบุญ้ให้กับผู้ลงลับไปได้ส่วนความเมตตาก็คือเราเราไม่มีเราไม่คิดร้ายกับใครเราถือทุกคนเป็นเพื่อนเราเจอกันกท็ทักทายกันยิ้มแย้มให้ให้แก่กันมีขนมมีอะไรก็เอามาแจกมาแบ่งกันอย่างนี้เรียกเป็นการแผ่เมตตาก็คล้ายกันเป็นดาวอาทิต์บุญที่เฉพาะเรื่องของบุญอย่างเดียวแต่เมตตาเนี้มันมันแผ่ทุกอย่างให้อะไรก็ได้ เราไม่ให้แผ่เมตตาถึงเป็นบทที่อยู่หลังทาวัดเย็นทาวัดเช้าอะครับอาจารย์นั่นแหละคือเ้าสอนเนี่ไม่ใช่เป็นแผ่แผ่จริงต้องเวลาเจอกันใครตกหน้าเราแล้วก็สะอาดทุกไปไม่โกรธเคืองเร า, าเอาเวลาไม่จองเวรจองกรรมกันอ๋อแต่เราบุญแผ่เมตตานี่แผ่เมตตาให้คนตายไปแล้วแบบทําบุญอย่างนี้เนี่ยมันเรียกวุฒิทินนะครับใช่ไหมครับวุฒิทินบุญต้องไม่บุญก่อนเรงจะวุฒิทินได้ บุญนึงอุทิตได้แค่ครั้งเดียวใช่ไหมครับไปก็ต้องทําใหม่อย่างนี้ใช่ไหมครับใช่โอเคครับแล้ววันนี้ร่วมทําบุญกับหลวงพ่อไปแล้วนะครับวันนี้อก็อุทิศได้ทำบุญแล้วก็อุทิตไปได้โอเคครับวันนี้ก็ฝากกุหลาบไปทำนะได้รับแจ้งรับแล้วใบแจ้งแจ้งเข้ามาอันนี้คือบุญที่แบบนี้ก็บุญที่ทำบังคับทำบุญกับหลวงพ่อสุชาติอุทิตแบบก็อธิษฐานจิตอะไรอย่างนี้เลยได้ใช่ไหมครับใช่พอพอพอโ อ, อนเงินปก็อธิษฐานได้เลย อ๋อครับแต่ถ้าไม่ถ้าไม่อธิษฐานบุญมันยังอุทิศได้ไหมครับแบบเมื่อวานตื่นอะไรอย่างนี้ครับได้ได้เลยถ้าเรายังไม่ไอุทิศก็ได้แต่มันอาจจะจืดไปแล้วมันอาจจะชื้นเนี่ยอ๋อไม่เหมือนกับตอนที่เราทําใหม่ๆจิตใจเรากสจะมีความสุดอ๋อจังหวะนั้นเลยโอเคครับออขอบคุณมากครับคุณกอล์ฟนะใช่เปิดไปก่อน เห็นหมัอนนี้เป็นครับอาจารย์ก่อนอ่อคือเวลาตักบาตรนะครับคือต้องสมมติว่าเราไปตักอ่อเราเร า, เราต้องคิดยังไงครับถึงให้ได้บุญมากเหมือนมุ่งจะไปตักบาตรพระอาจารย์คนเดียวกับไปตักบาตรหมู่สงฆ์ทั้งวัดนะครับอ๋อมากน้อยมันไม่ได้อยู่ที่ว่าทีก อ, อยู่ที่ปริมาณเสียสละของเรารเสียสละมากมันก็ได้มากเสียสละน้อยมันก็ได้น้อย ได้ง่ายได้มากก็เราเสียสละมากครับคือคือคือคือไม่ต้องคิดว่าแบบว่าจะเพื่อใครเจาะจงอะไรอย่างงี้ไม่ไม่ว่าเปเราทํามากเราก็ได้มากทํามากก็ได้มากครับองครับครับมีคุณนั้นนนาพัฒนะครับยกมืออยู่ตรงบนครับค่ะอบจาำมันสกัดเจ้าค่ะขออีกนิดนึงนะเจ้าคะผู้อาจวุโสเลยค่ะพอพอดีลูกมานึกได้ว่า เวลาลูกระวนาเจ้าค่ะลูกจะมีอาการอย่างหนึ่งคือชอบกั้นหายใจเจ้าค่ะอันนี้ต้องกลับมาดูลมหายใจใช่ไหมเจ้าค่ะถ้าเฉยเฉ ย, ย, ยอย่าไปบ<า>ังคับลมอย่าไปกั้นหายใจแล้วบังคับให้มันหายใจ ส, สั้นเลยหายใจหย่อนเราไม่ต้องการนะทํางานเราต้องการให้จิตตื่นเฉยเฉยถ้าถ้างานก็ให้ดูว่าถ้าถ้าดูลมหายใจแล้วไม่โอเคก็พูดโทไปแทนอย่างนี้ใช่ไหมเจ้าค่ะได้ใช้พูดโธรแทนก็ได้ เพราะว่าถ้าถ้าไปดูลงหายใจเหมือนมันจะมีอาการเพ่งแล้วเครียดนิดนึงอย่างนี้จ้ะไปเกง่งไปเก่งเข้ามาใช้พุโทโธแทนอาจจะไม่ถูกก็ไจะจะจริตของเราก็ได้เจ้าค่ะเพราะว่าเพราะว่าเป็นคนที่เรียนพระอาจารย์ว่าชอบเป็นแบบใช้ปัญญาก็มันก็จะเหมือนเอาพุโทโธมาแทนความคิดอย่างนี้ใช่ไหมเจ้าคระใช่ถูกต้องอ๋อก็ก็ก็จ่าจะน่าจะถูกจริตมากกว่าเจ้าค่ะโอเคเราดูค่ะค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือกับเรียนถามพระอาจารย์เจ้าข่ว่า สวดมนต์เนี่ยบางครั้งลูกสวดมนต์ในใจมันจะมีความลึกแล้วก็ความความมีสติมากแต่บางทีก็อยากสวดออกเสียงอย่างนี้ก็แล้วแต่ใช่ไหมเจ้าพระพ า, าราจันคือถ้าออกเสียงมันก็จะทําให้จิตต้องทํางานกับร่างกายแต่ถ้ า, าไม่ออกเสียงจิตก็จะทํางานอย่างเดียวไม่ต้องไปโยกกับร่างกาย<ม>ถ้าสวดสวดบาไม่ออกเสียงได้มันจะทําให้จิตเข้าข้างในได้ได้ง่ายได้มากกว่า ไอ้ที่มันออกเสียงมันก็จะติดอยู่ที่ร่างกายอ oh. ที่บางทีบางเวลาถ้าเราจําเป็นจะต้องออกเสียง อ, ออกเสียงได้เพราะบางทีถ้าไม่ออกเสียงแล้วมันสติไม่มี oh. ก็ออกเสียงไปก่อนแล้วพอสักครั้งหนึ่งพอได้สติมากขึ้นก็หยุดลองหยุดออกเสียงดูแล้วท่อไปภายในใจ ค่ะเพราะว่าลูกอ่ะสวดธรรมจักจบได้เลยโดยไม่ต้องดูหนังสือเจ้าค่ะพระอาจารย์พอบางทีสวดไปแล้วจิตมันเข้าลึกเหมือนที่พระอาจารย์บอกเลยค่ะถ้าไม่ออกเสียงเจ้าค่ะใช่อ่าแต่แต่มันก็จะไม่ไม่สงบเต็มที่ก็ลองหยุดแล้วก็ลองดูลงต่อตอนน่าจะดูลงได้เลยที่ไม่ไปเกงไม่ไปบังคับมันก็ได้อ๋อเจ้าค่ะเจ้าค่ะแล้วก็อีกสุดท้ายแล้วนะเจ้าค่ะถามเรื่องส่วนที่เป็นของคุณพ่อเจ้าค่ะพอดี คุณพ่อของลูกเจ้าค่ะท่านก็ชอบทําบุญเหมือนกันแต่มีข้อเสียอย่างหนึ่งคือท่านชอบกินเบียแล้วเคยเคยถามท่านว่าเออสามารถหยุดได้ไหมแต่บางทีท่านก็หยุดในช่วงเข้าพรรษาได้อย่างเงี้ยเจ้าค่ ะ, ะก็แล้วแต่ท่านใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์ใช่ท่านยังติดเยอะท่านยังไม่มีกำลังที่จะหยุดนั่นได้อย่างถาวรค่ะก็ก็อันนี้ก็ลูกก็ถือว่าเราเราก็เฝ้าดูอยู่ไปเรื่อยๆแล้วก็คอยคอย คอยดูท่านไปเรื่องสุขภาพไปอย่างนี้ยเจ้าค่ะพระอาจารย์ถูกแล้วใช่ไหมเจ้าค่ะก็ไม่ต้องไปบังไปแนะนําไปบังคับอะไรใช่ไหมเจ้าค่ะใช่เพราะว่าของของนี้มันเป็นเรื่องส่วนตัวเขาเขาพอใจเขาชอบจะทําอย่างนี้เราไปเนฝืก็ไม่ได้อ๋อเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะก็ก็มีคําถามประมาณเท่านี้เจ้าค่ะแล้วก็เดี๋ยวกลับไปเพิ่มของเรื่องของสมาธิให้มากขึ้นตามที่พระอาจารย์แนะนําเจ้าค่ะดีสาธุค่ะ นวั<ท>สการเจ้าค่ะโอเคคุณท่ขานข้าพองน<ท>ะครับข้าพองอาจารย์ถ า, ถามอีกสักหนึ่งครั้งนะครับเรื่องของอใช้อุบายพุทโธจําเป็นจะต้องพุทธนี่คือหายใจเข้าและโทหให้ใช้ออกหรือว่าไม่มีความจาเป็นไม่จําเป็นต้องดูลงพุโทโธอย่างเดียวก็ได้ไม่ต้องสนใจกระดมเล ได้ครับถ้าเกิดการเข้าใจพุทโธพุทโธไปเดียวเดีก็ได้ครัแต่แต่ก็ต้องรับรู้ด้วยว่าพุทโธตอนนี้ข้าพเจ้าอยู่กับพุทโธใช่แต่ไม่ต้องไปรู้เรื่องลมไม่ต้องสนใจเรื่องลมนี้ถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่จะสลับมาจะดูลมก็แปลว่าลมเข้าออกเข้ารู้ออกรู้ทีนี้อ่าถ้าเกิดจะใช้อ่าคอมบด้วยกันคือก็ได้เข้าโต่วิธีนั้นที่ทําให้เจรจาสงบได้ก็เอาวิธีนั้นครับซึ่งท่านอาจารย์ก็เคยบอกว่า ให้เลือกาสักอย่างใช่ไหมครับเลาทเรา อ, อย่างเดียวอย่าไปอย่าไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนเวลาที่เราทาได้ครับเข้าใจชัดเจนแล้วครับประการเกี่ยวกับคุณถ้าจะเปเลี่ยนก็้องรอรอบรอบใหม่แล้วค่อยเปลี่ยนเข้าใจนะชัดเจน้ครับมีใครอยากจะทำ ม, มีมีคุณประวิตยคุณประวิตยเพิ่งเข้ามานะคะกาจประวิทย์จากดัลัสไหการทัากาศอาจารย์เปยังไงสบายดีเลยไม่ได้เจอไม่ได้กลับมาสามอาทิตย์ครับก็มารีพอร์ต ผมทาอสุภะอาจารย์ที่ผมผมใช้นึกถึงคือรูปพัทธุดมที่เห็นซากศพที่เป็นกระดูกเรียวแล้วผมบล็อกไว้ในหัวผมเวลาผมเจอข้อต่างๆที่ว่ามันมาขัดติกับผมเนี่ยผมจะดูรูปภาพที่ผมบล็อกเอาไว้ในในสมองผมว่านี่คือกระดูกร่างกายที่พัทธุดงเห็นตายค า, า, า, ายงนั้นนะแล้วมันก็แก้ได้เป็นบางครั้งนะครับ อันนี้เราเร า, เราทำถูกหรือเปล่าครับที่ว่าเราบล็อกรูปภาพนั้นไว้ในในในจิตของเราเลยเมื่อมีปัญหาเกี่ยวกับทางความสวยความงามเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยเราสามารถเอารูปนั้นเข้ามาคลายอารมณ์ของเราให้หายกับคลายกําหนังของเราให้ดีขึ้นนะครับอันนั้นใช้ถูกหรือเปล่าครับถ้าใช้ได้ก็ถูกนะอยู่ที่ว่ามันคลายหรือเปล่าถ้ามันนึกถึงแป๊บแล้วอารมณ์มาใหายไปเลยก็แสดงว่าใช้ได้ ถ้า<ต>ไม่ได้ไดก็จจะต้องดูภาพที่มันลายก่อนนั่นก็ได้มันถึงวิธีแค่นี้ไม่พออาจจะดูภาพภาพขึ้นเอิดทองเขียวช้ำอะไรอย่างี้แต่แต่ถ้าผมทําอย่างนี้แล้วมันได้แล้วนี่คือคือบล็อกรูปนี้วไวในอุมสมองเลยก็ชกใช้ได้ใช่ไหมจ๊ะใช่ได้มันเป็นเหมือนสูตรคูณนะท้อใช้จําให้ได้พอถึงเวลาจะใช้มันก็จะได้ใช้ได้ทันทีแล้วแล้วก็มีข้อหนึ่งครับ ก, การการทำสมาธิผมก็คงที่คือกำหนดเวลาทุกอย่างก็ใช้ได้แต่ว่ามีข้อเสียเวลาผมไปเล่นกีฬาเนี่ยครับคือแบบเป็นพาร์ตเนอร์กันอย่างเงี้ยคือเรารู้เราไม่ควรจะไปสอนเขาแต่ว่าไอ้ปากของเราเนี่ยคือมันไปก่อนที่ใจจะคิดพุทโธจะออกมาเนี่ยครับ mm hmm. เราจะสงบอารมณ์อันนี้ได้ยังไงครับท mm hmm. ั้งทั้งที่รู้ว่าอันเนี้เราไปสอนเขาเขาก็จะต้องมาโหยทุกทีอะไรเงี้ย ก็ต่อไปนี้ก็อย่าไปหวังที่จะต้องชนะเนี่จะต้องได้ดีเล่นกันไปสนุกสนุกพลาดชนะเราก็จะทำแล้วก็ปล่อยก็ทําไปบางทีเราอเอาจริงเอาจังกับ ก, การเล่นมากเกินไปโดยอดที่อยากจะไปสอนก็ไม่ได้เตือนก็ไม่ได้เวลาก็ทําไม่ถูกนะค่ดวล า, าเล่นกันสนุกสนุกก็าดชนะไม่สําคัญ ที่ไปอย่างนั้นนะครับเพราะว่านั้นเนี่ยผมทั้งทั้งที่รู้ว่าปากมันไปเร็ ว, วอ่ะเพราะความอยากของเรามันเลยทำให้เราอดกานไม่ได้ที่อยากจะเติไปอบอกเขาไปได้ให้มึงทานี้ไม่ถูกนั้นต้องทําอย่างนั้นนะแต่หลังที่ว่าได้เงินสนุกสนุกก็แพ้ก็ได้ชนะก็ได้อืใช้ใช้คําว่าแพ้ชนะ ก, ก็ได้ออ ไ, อ, อ, อ, อไม่ต้องไปเปตืยนเขาไม่ต้องแต่ตือนนอกจากเขาถามหรือมาคุยดีหลังว่าให้เป็นยังไงวันนี้เนี่ยยังไงก็เอควรจะปรับอย่างนั้นอย่างนี้นะคุยกันไป ครับอันนี้อันอัน น, น, นี้ทั้งทั้ที่รู้ปากมันก็ไปก่อนทุกทีใช่อารมณ์ความอยากมันทําให้ห้ามใจไม่ได้ครับอันนี้อันนี้ผมต้องแก้แก้ไขอีกเยอะเลยอันนี้ฝืนร้องฝืนดูให้มีสติดู้ว่าเราเล่นกันสนุกสนุกเนี่นะยแพ้ก็ได้ชนะก็ได้ไม่เป็นไรเพื่อนก็จะเล่นแบบไหนก็เลิกมองเข้าไปเล่นเงินไปอันนี้กระจายครับอันนี้อันนี้ที่ผมต้องแก้ไขอีกเยอะเลยต้อง <ừ. S 2> ยังห่างไกลมาก หรือถ้าถ้ามีปัญหากับคนนี้ก็เปลี่ยนคนอื่นนั่นก็รับกันคนนี้ถ้าเล่นแล้วมึงไม่ได้เรื่องอะอ๋อพัดนื้ออื่นไม่มีปัญหากับพัดพัดเนี่ยภรรยาอ่ถ้ามีก็ต้องทนอยู่เข้าไปละคือเวลาตีแข่งทัวร์นาเมนต์อะไรอย่างนี้เราก็คอยครับจะสอนแต่ว่าไม่ไม่เคยไม่เคยไม่เคยไม่เคยเก็ตว่าโอ้พอแล้วยังไม่มีอะไรอีกแล้วครับ จางไปในางแล้วจางจับโอเคไั okay. นได้เจอนะะวันนี้เพื่อนพระเพื่อนของท่านก็ได้ฉีดยางแล้วนะโอ้เราลงพอฉีดหรื อ, อยังครับฉีดแล้ววันนี้ได้คนละเข็มนะอัสตราสซนิกาได้นิกาโอเคครับทุกๆุ ก, ท, กทุกยาดีหมดครับไม่มีปัญหาอะไรปัญหาอยู่ที่ว่าคนกลัว<ๆ>ไปเองครับผมใช่ไม่มีอะไรนะวันนี้ฉีดมาทุกอย่างมาไม่มีอาการเลย สครับไม่มีอะไรครับก็ที่นี่ฉีดมาตั้งสองร้อยกว่าสองรอยปดสิบกว่าล้านคนแล้วก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรมากมายครับมันก็มีทุกมีบ้างที่เขาบอกนจะมีทุกครับจะเป็นเพราะเขามีโรคมีปัญหาของาอยู่แล้วนะไอเรื่องที่ว่าเลือดคลอกเลือกอะไรพวกนี้มันทุกเขาก็เขียนไว้บอกไว้เรียบร้อยแล้วว่าทุกห้าหมืนคนอาจจะมีคนหนึ่งเท่านั้นเองอมันเป็นส่วนน้อยมากครับอันอันนี้ อนุโมทนาทุกคนฉีดครับจะได้โลกนี้จะได้หาจจกจังหวะประเทศไทยทีมจะได้กลับมาทํางานกันได้เราจะได้ไปเยี่ยมเยียนกันได้นะลุงพ่อเมื่อไหร่จะมาล่ะครับเราจะไม่ไปหรอเราไปทางซูงนี้สบายกว่าไม่ต้องเดินทางไม่ชอบเดินทางครับอนุโมทนาครับลุงพ่อลาถึงมีใครอยากจะถามอีกไหมหมดแล้วใช่ไหมมีมีคำถามทางเฟซบุ๊กเข้ามาอีกนิดนึ่งครับอ่าเชิญ มีหนึ่งคำถามจากคุณก้องกสิทธิ์เจ้าค่ะกลับนิมัสการพระอาจารย์ครับกลาบเรียนถามพระอาจารย์ว่าเราสามารถใช้ปัญญาตอนไหนได้บ้างครับเมื่อเจอปัญหาผมรู้สึกว่าหลายๆครั้งตนเองไม่กล้าคิดที่จะแก้ไขอึดอัดกลัวใจจะไม่สงบผมจึงเปลี่ยนไปท่องพุทโธพุทโธแต่ปัญหาก็ยังคงมีอยู่เรื่อยๆหาทางแก้ไม่ถูกผมควรจะแก้ไขอย่างไรดีครับ ก็ใช้ปัญญาได้เลยถ้าเกิดทุกเกิดปัญหาขึ้นมาถ้าเราใช้ปัญญาเป็นก็ใช้ได้เลยพิจารณาว่าปัญหามันเป็นตายรักไปมันก็จบมันก็ปล่อยวางได้ถ้าพิจารณาเป็นก็พิจารณาได้เลยเวลาเกิดปัญหาไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องความสงบเพราะว่าถ้าเราแก้ปัญหาได้จากมันก็สมมมุบโดยอัต โ, ตโนมัตินะครับเมื่อวันที่มีคนชนิ ด, ดาเข้ามาคับคนสุดท้ายชชนดิดาครับ ชนาน ด, ดาเชิญที่ไหนนามัส ก, การค่ะ อ, อยู่สมุทรปราการค่ะครนะั้งที่แล้วเข้าเข้ามานะคะพาราค่ะครไั้งที่แล้วโยมค่ะโยมถามโยมโยมคุยเรื่องบุญไปครั้งที่แล้วเสียงไหายไปคิดว่ามันจริงๆมัน ฮัลโหลได้ยินไหมคะได้ยินไหมได้ยินไหมคะได้ยินนะได้ยินนะคะค่ะแล้วโยมได้ได้ยินไหมคะได้ยินไหมคะได้ค่ะก็พอดีว่าเออโยมใช้เลือกเอาเอาอุเบกขามาใช้ในมาใช้ในเรื่องของการควบคุมจิต เอออย่างเช่นอย่างเช่นครั้งที่แล้วเนี่ยโยมถามพระอาจารย์ไปเรื่องบุญนะคะว่าเราทําบุญแล้วเราโดยที่ก็ทําไปด้วยมองว่าเอ่อตรงไหนจําเป็นตรงไหนควรช่วยเหลือก็ทําไปอะไรเงี้ยค่ะเราก็ได้ถำพระอาจารย์ไปครั้งแล้วแล้วพอดีโยมว่าอาการถามโยมกลับมาว่าเรามีความสุขไหมในตอนที่ทํา โยมก็ตอบว่าก็ก็มีอยู่แต่พยายามที่จ ะ, ะไม่ยึดติดในความสุขในเรื่องทั้งทั้งในเรื่องของของบุญด้วยแล้วก็ในเรื่องของเอเวลาที่เราเรามีความทุกข์เราก็ใช้อุเบกขาดูตามความเป็นจริแล้วก็วก็ทําให้หายทุกข์ในเวลาที่เรามีความสุข ในเรื่องต่างๆเราก็ใช้อุเบกขามาตรงนี้ด้วยแม้กระทั่งในเรื่องของการทําบุญเนี่ยเราก็ไม่ได้ไม่ได้จะจะไปยึดติด ก, กับความสุขในบุญด้วยอะไรเงี้ยค่ะไม่ทราบว่าอย่างเงี้ยมันได้หรือเปล่าอะค่ะาอาจารย์มันควรหรือเปล่าคะถ้าใช้อุเบกขาก็ยกเว้นว่าถ้าเราเกี่ยวข้องกับคนเพราะาว่านในในแง่ถ้าต้องมีการตอบต้องไม่ต้องการแสดงอะไรก็แสดงไปอย่าอย่า อ, อย่านิ่งเฉย แต่ถ้าเรากับสิ่งที่เราไม่ต้องตอบโต้ตไม่ต้องแสดงแล้วก็ใช้อุปเคราไปอ๋อโอเคได้ค่ะแล้วก็เอ่อก็คือในไม่แน่ไม่แน่นใจว่าเราใช้การเจริญปัญญาไหมเพราะว่าบางทีคือเราก็มองว่าสิ่งต่างๆบนโลกบนโลกนี้ค่ะมันเป็นอุปกรณ์แค่ เวลาที่มันเคลื่อนย้ายไม่ว่าจะเป็นการหาทรัพย์สินเข้ามาหาเราหรือการส่งออกไปสิ่งพวกนี้ยมมองว่าเป็นเป็นสิ่งที่อุปโลกสาระของมันมันอยู่ที่ว่าในขณะที่เราส่งออกหรือรับเข้ามาจิตเราเป็นยังไงอย่างเช่นเวลาเราหยิบยื่นให้ใครมอบให้ใครเราให้จริงไหมหรือเวลาที่เรานำเข้ามาเรานำเข้ามาด้วยความโลภหรือเปล่าอย่างนี้ค่ะ แล้วดูมองว่าสาระคือจิตที่มันเกิดเอ่ิจในระหว่างนั้นกับเอเขาเรียกจิตที่คิดที่ที่คิดในระหว่างนั้นกับการกระทําที่เราทําลงไปตรงนั้นนะคะมองว่าตรงนั้นคือสาระอย่างนี้ใช่หรือเปล่าคะพระอาจารย์อสาระอยู่ที่ตัวจิตแล้วส่วนยอย่างอยู่ในวันเป็นของของสมมุติทั้งนั้นใช่ไหมคะใช่ต้องดูที่ตัวจิตเราว่าเราทำด้วย ด้วยการเสียสระด้วยการปล่อยวางหรือเปล่าการทำด้วยความโลมความอยากได้ไงนี่ก็ผิดค่ะแล้วต้องทําแบบไม่ยึดติดเพราะเรารู้ว่ามันเป็นของของของต่อเป็นของชั่วคราวอืค่ะเราก็ทำไปแล้วก็ทําไปเพราะว่าทำแล้วเกิดประโยชน์กับผู้อืช่วยเขาไปอย่างนี้เป็นต้นแต่เราไม่ได้หวังผลไม่อยู่อะไรจากการกระทําหลนนี้อยากคําค่ะค่ะและยังก็มองตรงนี้เนี่ยมันใช่ การเจริญปัญญาหรือเปล่าคะแม้ก็ต้องในศินในสิลที่โยมมองนะคะโยมก็โยมก็พิจารณาว่าจริงๆแล้วสิลที่บัญญัติขึ้นมาเนี่ยเพื่อให้เราเนี่ยเอ่ออลดละความอยากความอยากทั้งนั้นเลยอ่ะค่ะพระอาจารย์ใช่กรทําพุทธพ่อเลยการทําเป็นสีนก็เกิดจากความอยากค่ะเพราะเมื่อลดความอยากลงมาแล้วเนี่ยใจเรามันก็จะเริ่มเบา แล้วเวลาเข้าสมาธิหรือฝึกสติมันจังคือง่ายอะไรเงี้ยค่ะอาจารย์ต้องเสียนเป็นเครื่องสนับสนุนสมาธิค่ะถ้าไม่มีเสียนจะเข้าสมาธิยากเพราะมันยังมความอยาอกมันยังความอยากมันยังเพ่นพ่านค่ ะ, คะทีนี้อย่างนี้คือใช่กันใช่การจเจริญปัญญาใช่ไหมคะอาจารย์ก็เป็นการเข้าใจหลักธรรมที่เราปฏิบัติว่าเป็นอย่างไร แต่ยังไม่ใช่เป็นปัญญาทั้งหมดค่ะแล้วมีช่วงหนึ่งที่ยมแบบเออ่รู้สึกว่าส า, สามารถที่จะอยู่ได้โดยที่ถ้าไม่มีมีลูกไม่มีสามีไม่มีผู้นีอสามารถที่จะอยู่ได้แล้ววันหนึ่งในขณะที่สวดมนต์อยู่สวดมนต์อยู่จิตมันแปรบขึ้นมาคือมันแปรบขึ้นมาว่ามันรู้สึกเคว้งคว้างมาก โดยที่แบบว่าไม่เคยรู้สึกแบบนี้เลยโดยปกติถ้าใช้ชีวิตปกติจะไม่ได้รู้สึกแบบนี้เลยแต่อยู่ดีๆวันนั้นน่ะสวดมน้ําแล้วมันรู้สึกเคว้งคว้างพอนึกถึงว่าตัวเองไม่มีใครเลยอ่ะมันเคว้งแล้วอาจารย์ได้ยินไหมคะเช่นต่อได้ายไปมันเคว้งคว้างไหมะมันเคว้งคว้างเข้ามาในใจมันอาจารย์แล้วเราก็เลยรู้สแบบึกวแบบ่า ตอนขณะนั้นรู้สึกเป็นทุกข์ค่ะเอะ ใ, น ใ, นในตอนที่รู้สึกแปร์ค่ะกยังมีจิเลสอยู่ยังยังอยากพาความสุขจากคนนั้นคนนี้เนี่ยต้องเพิ่มคนนั้นคนนี้อยู่ค่ะทําไมทําไมมันรู้สึกแปร์ขึ้นมาในตอนที่เราสวดมนต์นะคะพระอาจารย์ทําไมนในปกติเราคิดว่าเราได้แล้วอะไรเงี้ยวความจริงกับความคิดของเราไม่เหมือนกันเนี่ยเราคิดว่าเราได้แล้วแต่ความจริงในใจมันยังบอกยังไม่ได้ เราก็นอนดูความจริงในใจเราอันนี้เหมือนอันนี้มันก็เลยเหมือนการเฉลยข้อสอบใช่ไหมก็เป็นการบอกบอกให้เรายังเรายังต้องทําเรายังเรายังต้องทําทําต่อไปโอเคค่ะกลับมาขอขอบคุณอาจารย์สิ่งที่เราคิดกับสิ่งที่เราทําได้ยังไม่ตรงกันเราคิดว่าเราอยู่คนเดียวได้แต่พอคิดขึ้มาจริงๆขึ้นมายังรู้สึกว่าอยู่ไม่ได้ยังคยังยังต้องการ มีคนนั้นคนนี้อยู่ร่วมด้วยก็ต้องฝึกต่อ<ฆ>ไปพิจารณาจิตให้นิ่งมากกว่านี้ให้เป็นอุเบกขามากกว่านี้แล้วก็จะปล่อยได้ค่ะฝ<ฆ>ึกสมาธิให้มากขึ้นให้นิ่งให้จิตนิเฉยแล้วต่อไปมันจะไม่ไม่เพ่งมันมันใครจะไปใคจะตายก็จะอยู่ก็ไม่เห น, นืนยอยยอย่อยนอนก็อยู่ไปดได้มีความเชื่อในตัวเองแล้วถ้ามีอุเบกขา ค่ะครัอ า, าจารย์คะถ้าวันนี้เรารู้สึกว่าเสียงมันหายไรแล้วสุขมักขึ้นอยู่เฉยๆรอความสุขมากขึ้นแล้วเวลาที่เราเจอคนที่เรา เ, เขามีปัญหากับเราบ่อยๆอะไรเงี้ยแล้วเราก็ใช้วิธีการที่เลี่ยงเลี่ยงไม่เอาอะไรเงี้ยอืมอันนี้มัน มันยังใช่หรือเปล่าคะหรือว่าจริงๆริงยังไม่ได้ยังไม่ได้ที่คือเป็นการเลี่ยงเป็นการเลี่ยงไม่เจออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มันเหมือนว่าต้องไปเจอไหมเจอแล้วถ้าไม่เลี่ยงได้เจอแล้วเฉยๆได้จะดีกว่าใช่ไหมคะอค่ะคือบางทีมันเลี่ยงไม่ได้จะทำยังไงถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงก็ได้เพื่อใช่หน้าไม่มีเลี่องม่ไดากันแต่ถ้าเม่อมันเลี่ยงไม่ได้ก็เฉยได้หรือเปล่าเวลาเจอกันอย่างเงี้ย คือจิตมันต้องเฉยไปเลยไม่รู้สึกอะไรเลยไม่รู้สึกเดี๋ยว้อนเจอเข้าไม่เจอเขาก็ได้ไม่ต้องเรียกก็ได้เรียกก็ได้อืมค่ะเข้าใจแล้วค่ะพระอาจารย์กราบขอบพระคุณมากค่ะครับโอเคสามชั่วโมงแล้ววันนี้ที่ว่าพอสมควรแก่เวลาแล้วญาติโยมต้องขอไปด้วยเดี๋ยวต้องหาเวลานอนทับผ่อนเดี๋ยวไว้วันนี้ฉีดวัเสีนด้วยเดี๋ยว่าต้องการจะนอนทับผอนให้มากขึ้นไหน่อ ขอให้ท่านจงนำเราสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพิจินพินจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ